ข้อความในพระสุตตันตปิฎกทีคนิกายมหาวัชเนื้อหาอัฏฐสาระคล้ายๆกับคำภีพุทธวงศนะแต่ว่าวิธีการเล่าอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่เนื้อหารายละเอียดนั้นคล้ายกันมหาประทานสูตรข้าพเจ้าได้สลับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทรับอยู่นกุฏีใกล้ไม้กลม นะไม้กลุ่มน้ำเนี่ยาพระเชตวันอารามของท่านอนาถาปินทิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวถีครั้งนั้นพีู่ดมากรูปภายหลังจากเวลาฉันอาหารเสร็จแล้วกลับจากปินทะบาทแล้วนั่งประชุมกันในโรงกลมใกล้ไม้กลุ่มน้ำเกิดสนทนาธรรมกันขึ้นเกี่ยวกับด้วยปุกเพนิวัตก็คือขันอันขันทันดานที่เคยอยู่อาศัยในการก่อน ว่าปุเพนิวาสขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนเนี่ยเป็นเช่นนี้หรือว่าแม้เพราะเหตุนี้เป็นการพูดถึงว่าขันที่เคยดำรงอยู่ในอดีตขันที่เคยมีอยู่ในอดีตว่าขันที่เคยมีอยู่ในอดีตเป็นเช่นไรขันในอดีตนั้นเป็นอย่างไรซึ่งข้อความในสุมังคะลวิลาสณนนั้นอธิบายเพิ่มเติมว่า คำที่บอกว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะ์กกเรริกกุติหรือกเรริกกุตีณนะพระวิหารเชตาวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีบอกว่าในพระเชตวันเนี่ยนะมีเรือนใหญ่หรือว่ามีกุติใหญ่ใญอยู่สี่หลังด้วยกันสี่หลังก็คือหลังที่หนึ่งกเรกริกกุตีอย่างที่สองเรียกวโกสัมภกุตีอย่างที่สามก็คันทกุตีแล้วก็สี่ สละลคาระหรือว่าเรือนไม้สนร เ, เรือนที่สร้างด้วยไม้สนทั้งหลังแต่ละหลังเนนยในกุฏิแต่ละหลังเหล่านั้นเนี่ยสําเร็จด้วยการบริจาคทรัพย์หลังละแสนหลังละหนึ่งแสนหนึ่งแสนสมัยนั้นก็มูลค่ามหาศาลนี่ยนะซึ่งสมัยสมัยก่อนนั้นอะ่ะก็คือคูณร้อยเท่าอะ่ะแทบจะคูณร้อยเท่าอะ่ะทั้นมูลค่าของกุฏิแต่ละหลังนั้นสูงมาก ในสี่หลังนั้นพระเจ้าประเซนที่โกศนสร้างสละเอ่อสละละคระก็คือเรือนที่สร้างด้วยไม้สนใช้ไม้สนทั้งหลังเนี่ยนะมาสร้างส่วนสามหลังที่เหลือเนี่ยนะกรเรริกุตีโกสัมภากรุตีพระคันธกุตีนั้นอนาถาปินทิกะเป็นผู้ผู้สร้างเอ่อโรงโลงกลมเนี่ยนะถ้าที่พระพิสุท์ท่านนั่งฉันเอ่อหลังจากฉันเสร็จแล้วท่านกลับมานั่งสนทนา เกี่ยวกับเรื่องปุเพนิวาสเกี่ยวกับเรื่องขันที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนอเป็นเป็นโรงกลมที่อยู่ระหว่างธรรมศาลาคือศาลาใหญ่ที่ประชุมฟังธรรมของของประชาชนกับพระคันทกุติของพระพุทธเจ้ามันจะมีโยโรงกลมอยู่โรงหนึ่งเรียกว่าโรงกลงม น, นะสร้างแบบกลมๆใช้เสาหลา ย, ลายเสานะอาจจะ ก็คือกลมแล้วก็สามารถมงุงนะหลังคาสามารถใช้ไม้ก็ได้กระเบื้องก็ได้ปันพระภิสุเหล่านั้นท่านบอกว่าปุเพนิวาสปฏิสังยุตาก็คือพูดคุยด้วยธรรมมีคาถาที่ประกอบด้วยปุเพสันนิวาสล่าคือขันธสันดานที่เคยอยู่อาศัยในชาติก่อนว่าในชาติก่อนที่แล้วนะชาติก่อนหนึ่งชาติสองชาติสามชาติ สี่ชาติห้าชาติสิบชาติร้อยชาติพันชาติแสนชาติหลายๆแสนชาติเป็นต้นนะนี้คําพูดนั้นเป็นคําพูดปรารถบอกว่าปุเพนิวาตขันที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนนั้นเป็นเช่นนี้เป็นเช่นนี้แต่ว่าคําว่าปุเพนิวาตเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องขันที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงปุเพนิวาสานุสติยานของ พระทศพลเน้นพิเศษว่าเป็นการพูดคุยถึงทยานของพระพุทธเจ้าที่สามารถระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตได้อย่างครบถ้วนเนี่ยนะบอกว่าปุเพนิวาสยานยานที่ระลึกถึงขันที่เคยอยู่ในการก่อนในการก่อนของพระทศพลเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์จริงๆส่วนมีคำถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องระลึกชาติได้ไ น, นะ ผู้ที่ระลึกชาติได้เนี่ยท่านแบ่งออกเป็นห้ากลุ่มคือตั้งคําถามว่าใครมั่งที่ระลึกชาติได้ใครมั่งที่ระลึกไม่ได้อาระลึกแบบแบบมีฌานอภินญารองรับะนะไม่ใช่สัตว์แต่ว่าจําชาติกําเนิดได้แค่ชาติสองชาติไอประเภทแบบแบบเนี้ยไม่ไม่ประสงค์เอา คือพวกที่ระลึกชาติได้ชาติหนึ่งชาติสองชาติแบบธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะบางบางกลุ่มที่บอกว่าอดีตชาติตัวเองไปเป็นใครอยู่ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยนะไอ้ท่าธรรมดาแค่เนี่ยแค่หนึ่งชาติสองชาติไม่จําเป็นต้องเอามากล่าวณที่นี้อันนี้เน้นพิเศษพวกที่ระลึกชาติได้เป็นหลายๆกลับเนี่ยนะระลึกได้เป็นแสนแสนชาติบอกว่าผู้ที่ระลึกชาติได้นั้นคือหนึ่งพวกเดียร์ีนักบวชนอกศาสนาเขาก็ระลึกชาติได้ 2. องพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็ระลึกชาติได้อย่างที่สามพระประเจกพระพุทธเจ้าก็สา ม, มารถระลึกชาติได้โดยที่สุดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ระลึกชาติได้นี้ตั้งคำถามว่านักบวชนอกาศาสนาที่เรียกว่าเดรธีไม่ได้อยู่ในพระพุทธศาสนาเขาเหล่านั้นน่ะพวกไหนระลึกชาติได้บอกว่าพวกเดรธีหรือศีนอาศาสนาที่ระลึกชาติได้นั้น ผู้นั้นจะต้องเป็นคนดีที่เรียกว่ากรรมวาทีเป็นนักบวชที่มีกรรมสกตารู้กรรมรู้ผลของกรรมเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกล่าวทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและผลอย่างเช่นบางชาติเนะี่ยรือศรีพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพระโพธิสัตว์ท่านก็สมัยที่ไม่มีพุทธศาสนาท่านก็ระลึกชาติได้เนี่ยน ะ, นะะลักษณะเนี่ยตอนที่ไม่มีพุทธศาสนาในช่วงนั้นน่ะที่ท่านบวชนะั้นก็เรียกว่าเป็นกลุ่ม เดรีเพราะเดรธีก็คือไม่ไม่นับเนื่องในพระพุทธศาสนาผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามถ้ายังไม่อยู่ในขอบข่ายพระพุทธศาสนาบุคคล น, นั้นก็เรียกว่าเดรธีเพราะฉะนั้นพวกเดรธีเนี่ยระลึกชาติได้สี่สิบกับคือพวกนี้รู้อดีตได้สี่สิบกับรู้อนาคตได้สี่สิบกับระลึกเกินกว่านั้นไม่ได้ระลึกได้ไม่เกินสี่สิบกับ ส่วนพระษาวกทั่วไปโดยมากระลึกได้แสนกับเช่นพระอนนท์เป็นต้นเนี่ยท่านระลึกได้ประมาณแสนกับพระอัคราสาวก ค, คือภาษารีบทพระโมคคัลลานะเป็นต้นเนี่ยนะท่านทั้งสองนั้นระลึกได้หนึ่งอสงไขยกับอีกแสนกับส่วนพระปเจกับพระพุทธเจ้าระลึกได้สองอสงไขยแสนกับพระปเจกนั้นระลึกได้เยอะนะสองอสงไขยแสนกับแสดงว่า ระลึกได้เริ่มตั้งแต่ตั้งความปรารถนาเช่นตั้งท่านตั้งความปรารถนาที่จะสําเร็จเป็นพระปเจกพุทธเจ้ า, าได้นั้นต้องใช้เวลาสองอสงไขยแสนกับมันท่านก็ระลึกได้จวบจนจุดเริ่มต้นในการตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระปเจกพพุทธเจ้ า, าของท่านส่วนพระพุทธเจ้ า, าทั้งหลายระลึกชาติได้ไม่มีกําหนดว่าจะต้องเท่านั้นต้องเท่านี้ระลึกได้ไม่มีที่ สิ้นสุดสุดแท้แต่พระองค์ประสงค์แปลว่าเนื่องด้วยอาวัชชนะพระองค์จะระลึกเท่าไหร่เมื่อไหร่แค่ไหนก็ก็ได้สมประสงค์ทุกประการทําไมล่ะเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญเนี่ยนะเป็นผู้ที่สั่งสมบารมีส่วนวิธีการระลึกนะวิธีการระลึกนั้นพวกนักบวชนอกาศาสนาทั้งหลายพวกกลุ่มเดรธีทั้งหลายที่ระลึกชาติได้พวกนี้ระลึกตามลําดับเท่านั้น นะพวกนี้จะค่อยๆระลึกแบบอะไรนะค่อยๆนั่งนึกถอยหลังไปเรื่อยๆค่อยๆนึกค่อยๆนึกค่อยๆนึกไปเรื่อยๆถ้าหาว่าเกิดไปสับลําดับเข้าไม่ได้หมายคขาว่าสมมติว่ามันมีสมมติระลึกไปถอยไปอดีตร้อยชาติเนี่ยนะก็ต้องระลึกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่อยๆไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตามลำดับถ้าไประลึกว่าเอ๊อยากจะรู้แค่เมื่อสิบชาติที่แล้วอเป็นอะไรเมื่อร้อยชาติที่แล้วอ่ะเป็นอะไร เมื่อหมื่นชาติที่แล้วเนี่ยทําอะไรเมื่อแสนชาติที่แล้วเนี่ยไปทําอะไรมาวัดไปอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องค่อยๆแบบอะไรนะประเภทแบบต้องถอยโดยลําดับนะต้องค่อยๆมาเท่าไหร่ก็ต้องถอยค่อยๆถอ ย, อ ย, อ ย, อยพวกเนี้ยเดยรัจฉีเนี่ยมีความสามารถเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกเดรัจฉีเนี่ยนะถ้าหากว่าระลึกไปจนถึงว่าอดีตเคยเป็นอสัญญาสัตว์พวกนี้เงียบเลยระลึกต่อไปอีกไม่ได้เนี่ยนะจบเลย นะก็ระลึกเลยไปกว่านั้นไม่ได้เส้นเพราะอสัญญาสัตว์นั้นจะต้องอยู่ในนั้นประมาณห้าร้อยมหากรัปนะพวกอสัญญาสัตว์เนี่ยไม่มีจิตเจตสิกไม่มีความรู้สึกนึกคิด ป, ประมาณห้าร้อยมหากัปพวกนี้ก็ระลึกไปถึงว่าเอออดีตนี่มันสูนเนียมันกออ็อย่างเช่นพวกเราที่มันเกิดเกิดจากความว่างว่างชนิดหนึ่งมาจากความว่างว่างชนิดหนึ่งจึงทาให้เกิด เพราะฉะนั้นพวกนี้ท่านบอกว่าไม่เห็นความเป็นไปของขันเหมือนตกเหมือนนกเนี่ยตกลงไปในตะข่ายเหมือนคนพิการตกไปในหลุมคือ น, นึกอะไรต่อไปไม่ได้เนี่ยนะคนพิการเนี่ยเอาาคลานคลานคลานคลานค า, นคานไปตกหลุมเข้าเป็นหลุมใหญ่ขึ้นไม่ได้จบเลยพวกนี้เดรัธีบางพวกก็เป็นเช่นนั้นไม่สามารถระลึกข้ามลําดับได้ขาค่อยระลึกระลึกระลึกระลึกพอระลึกไปเนี่ยนะมันเหมือนอะไร ถ้าเปรียบเหมือนเทปคาสเซ็ตเนี่ยนะไอ้พวกนี้กรอกลับมันต้องค่อยคกรอถอยๆอยถอถอยพอไปเจอช่วงไหนว่างที่ไม่ได้บันทึกนะก็เลยเงียบเลยก็นึกว่าจบแล้วหมดแล้วก็นึกว่าเริ่มต้นณนะจุดตรงนั้นอะ่ะมันก็เหมือนกับว่าใส่ใส่ไม่ได้บันทึกอะไรแต่ถ้าระลึกไปอีกมันก็มีเรื่องถอยไปอีกแต่จะระลึกก็เรียกว่าข้ามลําดับเนี่ยนะเรียกว่าข้ามแท็กเป็นต้นเนี่ยถ้าเล่นเล่นอะไรนะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเอ็มพีซีดีพวกนี้ก็บอกกระโดดข้ามแท็กไม่ได้ต้องค่อยๆยถอย แล้วก็แบบแม้แต่ไปแบบช้าๆด้วยนะเหมือนคนตาบอดใช้ไม้เท้านำหน้าพอไปได้นะระลึกได้จำได้อะไรได้แต่ว่าไอจะระชัดเจนแจ่มใสอะไรมากมายไม่ได้เพราะฉะนั้นการระลึกถึงปุเพนิวาสคือการระลึกชาติได้ของพวกเกยรฐีเป็นเหมือนกับคนตาบอดที่เดินไปด้วยปลายไม้เท้านะก็เดินไปได้ระลึกป๊กปกปัก ป, ป, ปไปได้ เปรียบเหมือนอะไรเหมือนธรรมดาคนตาบอดเมื่อยังมีคนถือปลายไม้เท้าอยู่ก็ย่อมเดินไปได้เมื่อไม่มีก็นั่งอยู่ที่นั้นนั่นเองพวกเดรธีก็ฉะนั้นเหมือนกันแลเพราะฉะนั้นสามารถจะระลึกได้ตามลําดับเว้นลําดับเสร็จแล้วไม่สามารถจะระลึกได้ค่อยๆถอยไปหนึ่งชาติสองชาติสามชาติสิบชาติค่อยๆถอยไปเนี่ยนมันจะไปกระโดดข้ามอ่ะนะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนกระโดดพับๆไปเลยไม่ได้ ต้องค่อยๆถอยไปเนี่ยนะสำหรับภาษาวกทั้งหลายก็ระลึกตามลำดับขันได้ทั้นถึงความเป็นผู้ไม่มีความรู้สึกก็ไม่สามารถเห็นความเป็นไปของขันของตัวเองได้โดยปกตินั้นภาษาวกทั่วๆไปเนี่ยก็ระลึกได้เยอะล่ะแต่ถ้าไประลึกถึงตอนที่เป็นอสัญญาสัตร์ในภพชาติที่ไ ม, ม่มีจิตเจตสิกเนี่ยนะตอนนั้นก็ระลึกต่อไปอีกไม่ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นชื่อว่าการอันไม่มีแห่งขันทั้งหลายของสัตว์ผู้ท่องเที่ยวไปสู่วัฏฏะเหล่านั้นย่อมไม่มีแต่อาศันอาันจะพบย่อมเป็นไปห้าร้อยกับเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายก้าวล่วงการประมาณเท่านี้ตั้งอยู่ในคําแนะนําอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงประทานแล้วย่อมระลึกถึงข้างหน้าได้เหมือนท่านพระโสดพิตะฉะนั้นพระโสดพิตะนั้นเป็นเอตทคขะในเรื่องการระลึกชาติ มันก็ระลึกระลึกไปเรื่อยๆระลึกได้เยอะมากเลยเมื่อระลึกไปเนี่ยอดีตท่านเคยเป็นอสัญญาสัตว์อยู่ห้าร้อยกับพอระลึกไปถึงอสัญญสัตว์ท่านก็ระลึกไปได้เป็นกลับๆไปแล้วเอ๊ะทําไมมันยังศูนย์อยู่เหมือนกับศูนย์อยู่แบบนี้พระพุทธเจ้าบอกกระลึกต่อลึกต่อระลึกต่อแล้วท่านระลึกทะลุห้าร้อยกับนั้นออกไปห้าร้อยกับที่ไม่มีจิตเจตสิกนั้นแล้วระลึกถอยต่อไปอีกได้อันนี้พระโสดพิตะจึงเป็นเอตทัคคะในเรื่องการระลึกชาติ พันไอการระลึกชาติเนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฐิได้อย่างบางพวกเนี่ยระลึกถึงไปถึงอสัญญาสัตว์ที่มันไม่มีจิตเจตสิกก็เหมือนว่าสัตว์พึ่งผุดขึ้นพึ่งอุบัติขึ้นจากไม่มีเลยนะศูนย์ศูนแล้วมามีขึ้นเขาเรียกว่าอาทิตย์จะสมุปปนะทิฐิถ้าสําหรับผู้ที่ไม่ศึกษาคําสอนให้ดีๆเดี๋ยนะพวกนี้จะเป็นอาทิตย์จะสมุปปนะทิฐิขณะระลึกชาติได้เพราะระลึกได้สมมุติว่าเมือม่อเมือ่อลายชาติที่แล้วเนี่ยเป็นอสัญญสัตว์ พอระลึกไปถึงประมาณล้านชาติไปแล้วหลังจากนั้นไปก็ระลึกอะไรไม่ได้แล้วก็บอกโอ้ยสัตว์ที่พวกเรานะเพิ่งเกิดครั้งแรกเมื่อล้านล้านชาติที่แล้วอย่างเงี้ยอันนี้นี่กลุ่มหนึ่งไอ้พวกพวกนักเดาก็มีพวกนักเดาก็เอา้าชาติที่แล้วจําได้ไหมละ่ะเมื่อชาติที่แล้วจําไม่ได้มันก็ต้องไม่มีเมื่อไม่มีเราพวกเราก็เพิ่งเกิดนะพวกเราก็เพิ่งมีพวกนี้พวกนี้ไม่เชื่อเรื่องอดีตชาติอะไรทั้งนั้นกลุ่มนี้ก็เรียกว่ากลุ่มอธิตจัสมุ ป, ปันาทิฐินั่นเอง แต่ว่าสำหรับภาษาวกทั้งหลายผู้ที่ผ่านการอบรมพิจารณาโดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะเข้าใจกรรมวัฏวิปากวัิกิเลสวัส์รู้เห็นความเป็นไปแห่งจุติและปฏิสนธิพวกนี้จะระลึกชาติรู้กรรมรู้ผลของกรรมความเชื่อมโยงพวกนี้จะไม่เป็นมิจฉาทิฐิเน่ น, นะเพราะอยู่บนพื้นฐานของยถาภูตยานทัศนะเพื่อสัจจานุโลมิกยาน นะเพื่อนี้จึงรู้วัตตะรู้อ่วัตตะรู้นิวัตตะรู้ปวัตตะรู้อัปปวัตตะรู้ความเป็นไปแห่งสังสารวัตรู้ความดับแห่งสังสารวัตรเนนะพันภาษาวกทั้งหลายนั้นท่านก็ระลึกชาติได้แต่ก็อยู่ในวิสัยของท่านโดยทั่วไปโดยมากระลึกได้ประมาณแสนกับเนี่ยนะระลึกได้แสนกับโอ้แสนกับนี่ก็เก่งแล้วเนี่ยนะ ของเราเนี่ยขนาดว่าอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้ววางแล้วก็ลืมเลยเมั้งเงินอ่านหน้าแค่ <c oughs> ว่าไม่ต้องไปแสนกลับอะไรที่ไหนหรอกเนี่ยอ่านหน้าหลังไอ้หน้าก่อนเนี่ยลืมไปหมดแล้วรู้นว่าอะไรบ้างมไม่ทราบจําไม่ได้แล้วพันย่าว่าระลึกชาติอะไรเลยเนี่ยนะตกปากรับคาใครก็ไปก็ลืมเลยเนะพูดเสร็จไอีตอนนั่งนึกได้ลุกแล้วก็ลุกเลยยังไงนะลืมไปหมดเลยเนี่ยลักษณะเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกบุกคคลทั่วๆไปอะไระลึกอะไรไม่ค่อยได้ทรงจําอะไรไม่ค่อยได้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 เียว่าเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดที่ที่ตัวเองผ่านมานนะนั่นแหละเรียกว่าลักษณะการระลึกชาติได้ไม่ใช่เหมือนกันนั่งดูทีวีนะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นเหมือ น, นเปิดวิดีโอดูว่าเออเหตุการณ์ภาพเป็นภาพเป็นสีเป็นเสียงอะ่ะไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าระลึกได้ทรงจาไว้ได้ไม่เบลอไม่เละไม่เลือนนั่นเองเรียกว่าระลึกชาติได้สาหรับพระอัราสาวกทั้งสองพระประเจ ก, กับผูเจ้า ท่านตรวจดูจุติและปฏิสนธิแล้วระลึกชาติได้อะนะท่านสํารวจว่าเมื่อจุติจากจุดนั้นเนี่ยปฏิสนธิต่อที่ไหนและเชื่อมโยงอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านไข้ครวญโดยจุติและปฏิสนธิเครียกว่าเริ่มสมมติว่าท่านระลึกข้ามชาติได้แต่ว่าแต่ละชาติต้องเปิดมูลตอนต้นคือเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิณชาตินั้นอ่ะเช่นว่าเมื่อแสนชาติที่แล้วเนี่ย ท่านปฏิสนธิเป็นอะไรแล้วจากปฏิสนธิไปจนถึงจุติมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคริดว่าต้องเริ่มจากปฏิสนธิไปหาจุติเคริดว่าจะต้องแบบเหมือนว่าอะไรนะมันล่วงเอาแต่เฉพาะรายละเอียดไม่ได้นะมันจะต้องเริ่มต้นเนี่ยนะอันนะั้นจะต้องเริ่มต้นค่อยๆฟังมาเรื่อยๆอะ่ะเหมือนอะไรเหมือนว่าคิดง่ายๆว่าพวกเราเนี่ยพวกที่เปิดเอพเนี่ยนะโดยธรรมดาโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ย ถ้าแท็กสัก30ินาทีเนี่ยนะเราจะล้วงเอาฟังแค่นาทีที่ยี่สิบไม่ได้จะต้องฟังตั้งแต่นาทีที่หนึ่งสองสามสี่ไล่ไปจริงๆอะอยากรู้แค่นาทีที่2ี่เท่านั้นแหะแต่จะต้องเปิดตั้งแต่นาทีที่หนึ่งไปจนถึงนาทีที่ยี่สิจึงจะรู้ว่าไอ้นาทีที่20ี่สิบะมันคืออะไรล้วงล้วงเอาเฉพาะตรงจุดไม่ได้หรือเหมือนหนังสือเนี่ยนะ สมมติเราอยากจะรู้แค่หน้าสามสิบเท่านั้นแหละจะต้องเปิดตั้งแต่นหน้าหนึ่งอ่านแต่หน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสาหน้าสี่หน้าห้าจนถึงหน้าสามสิบอ๋อที่อยากรู้อาจจะรู้จุดนี้เท่านี้แหละแล้วจะต้องอ่านต่อไปอีกเนี่ยนะแค่เราว่าอ่านทั้งเล่มบางท่านเถอะจึงจะรู้พวกนี้ก็เรียกว่าต้องไข ค, ครววตั้งแต่เริ่มเชื่อมต่อในพบหนึ่งอ่ะมาอย่างไรที่สุดของพบนั้นเป็นยังไงต้องรู้รายละเอียดพวกนี้นก็ถือว่าปัญญานั้นไม่ได้ละเอียดพอไม่ละเอียดพอที่จะเจาะ อ, อะไรแล้วก็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 พระองค์ประสงค์จะเห็นฐานะใดๆก็เห็นฐานะนั้นทันทีเอาแค่ความคิดแวดบหนึ่งตรงนั้นมาก็ได้หมายความว่าดึงจากข้อความจากตรงไหนก็ได้ในสมมติว่าเสี้ยวชีวิตตั้งแต่อดีตไปเมื่อหลายๆแสนกับหลายๆล้านกับหลายอาสงไข่กับหยิบเอาเฉพาะบางเรื่องมาเล่าก็ได้อย่างเช่นเนี่ยเกี่ยวกับพุทธวงศ์เนี่เห็นชัดพระองค์ยิบมาเออในสมัยนั้นนะพระพุทธเจ้า ตันหังทีปังกรเมือ่อเสียอสงขขยแล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าไอระหว่างนั้นหนึ่งสงไข่คืออะไรแล้วหยิบรายละเอียดเมื่ออสงไขยถัดมาที่มีพระพุทธเจ้าโกนธัญญะแล้วก็ถัดมาอีกไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปสนใจที่เหลือเอามาถัดเอาในกลับที่มีอสงไขยที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสีองค์พระพุทธเจ้ามังคละโสพิตะเป็นต้นแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจอีกแสน อ, อีกหนึ่งสงขขยแล้วมาล่วงเอาตอนที่พระพุทธเจ้า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 พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, านะเพราะฉะนั้นเปรียบอุปมาว่าการระลึกชาติได้ของพวกเกรลอทีนี่นะมันสว่างเหมือนแสงหิ่งห้อยมันก็พอเห็นอะไรได้นิดๆหน่อยๆแต่ก็เหมือนใช้แสงหิ่งห้อยอนะพูดไปแล้วยิ้มเลยนะขำเลยโอ้ยแสงหิ่งห้อยพวกเราบอดเนิตนนะหิ่งห้อยกับบอดเน็ตเนี่นยไหนดีกักนพูดเหมือนว่ า, อาโอ้ยแห ม, มนะ ทำไมสว่างน้อยจังเลยอะไรเงี้ยนะไหนได้เราบอดติดไปกันแล้วนะลึกอะไรก็ไม่ได้นะเมื่อสามปีที่แล้วเวลาเดียวกันนี่เราทําอะไรที่ไหนมันคิดยากกันนะนะแล้วเมื่อสิบปีที่แล้ววันเวลาเดียวกันเนี่ยทําอะไรที่ไหนเมื่ อ, อไรอย่างไรโอ้นี่เรื่องมันยาวเลยนะต้องไปเปิดปฏิทินดูต้องไปลําดับเหตุการณ์อเรื่องยาวเลยแหละนะใช้เวลาให้ทบทวนสามวันไม่รู้จะนึกออกหรือเปล่าไม่ทราบ ต้องให้แผนกสอบสวนเขามาค่อยถามให้นะถ้าแผนกสอบสวนนะเขาวิธีเขามีมีทีให้ระลึกเนี่ยบอกผมจําไม่ได้เอาไม่ได้เป็นไรเขค่อยตอบตามคําถามที่ถามกันแล้วกันเขาจะเขาค่อยฟอกคําถามถามถามไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆเดี๋ยวพวกนั้นมันก็จําได้หมดละเขามีวิธีถามมาเงินถามให้ระลึกได้แั้วพระพุทธเจ้าเนี่ยขอไปพวกเดียร์ทีเนี่ยระลึกได้เหมือนกระแสงหงห้อย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 หมายถึงว่าไม่มีสะเทือนบบโอ้ยเนี่ยภาวะกดดันพระองค์ป่วยแล้วลึกไม่ได้หรอกลืมไปหมดแล้วตอนนี้ไข้ขึ้นตอนนี้อาพาธอะไรอย่างเงี้ไม่มีเมื่อไรที่ไหนอย่างไรก็ไม่ติดไม่ขัดอันนัน้นเรียกว่าอนนาวรณญาณทั้งทุกอย่างของพระพุทธเจ้าจะไม่มีติดขัดทั้งหมดอันนั้นเป็นอนนาวรณญาณเป็นความสามาเฉพาะพระพุทธเจ้ า, านะทุกอย่างประสงค์จะรู้อะไรรู้ได้โดยที่ไม่ ติดขัด พ, พระองค์จะประสงค์จะรู้ทุกก็รู้โดยไม่ติดขัดประสงค์จะรู้สมุทยัยนิโรธมัตไม่มีติดขัดประสงค์จะรู้อัฏถธรรมนิรุตติปฏิพานปฏิสัมพิทาก็ไม่ติดขัดประสงค์จะรู้อาสาธ ร, รณะยญาณทั้งหกก็ไม่ติดขัดเนี่ยนะประสงค์จะรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็อาวัชนะแล้วก็ถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดพลาดเนี่ยนะสุดแท้แต่พระองค์ประสงค์เพราะฉะนั้น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 หรือพระประเจกขอพระพุทธเจ้าเราเลือกได้สองอสงไขยแสนกับสําหรับพระพุทธเจ้าไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะสิ่งที่ควรรู้มีประมาณเท่าใดพระญาณของพระพุทธเจ้าก็รู้สิ่งที่ควรรู้มีประมาณเท่านั้นเนี่ยนะแต่อย่าลืมว่าโดยมากพระองค์ไม่เล่าเพราะอะไรสิ่งที่พระองค์เล่าก็คือสิ่งที่เกื้อกูลต่อวิปัสสนาอริยมรรยผลนิพพานเท่านั้นแหละเนี่ยนะ ไม่งั้นเนี่ยก็เอาให้คนที่จบด็อกเตอร์มีประสบะการณ์ชีวิตจนถึงอายุเจ็ดสิบเนี่ยนะเล่าทุกอย่างให้เด็กเพิ่งคลอดได้สองเดือนเนี่ยฟังทุกเรื่องเลยนะเล่าให้ฟังหมดเลยไหมอุ้ ย, ยในฐานะคุณปู่ผู้มีประสบะการณ์ชีวิตเป็นด็อกเตอร์ตั้งแต่ยังหนุ่มบัดนี้อายุเจ็ดสิบแล้วมีอะไรทั้งหมดจะถ่ายทอดให้คุณหลานอายุสองเดือนฟังทุกชนิดทุกประเภททุกอย่างในอะไรจะเกิดขึ้นถ้าระวังระวังหลานกับปู่ใครนะสงสาร ปูนีน่าสงสารว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันใดพระพุทธเจ้าจะเล่าเฉพาะสิ่งที่มีสาระสิ่งที่มีประโยชน์อะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขและเหมาะสมแก่คนนั้นด้วยพระองค์นั้นเวลาสอนธรรมองศ์เช่นนั้นไม่ใช่ว่าอ๊ยเล่าไปโมทุกเรื่องจนเรียกว่าขยะเต็มไปหมดหรือว่าไม่เหมาะกับบุคคล น, นั้นบอกไม่มีนั้นพระองค์นี่จะใช้พุทธพจน์เหมาะสม เพราะฉะนั้นพระองค์แสดงธรรมนั้นหมู่สักทั้งหลายจึงได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่แต่สําหรับในสูตรนี้พระพิสูจน์ทั้งหลายนั่งสนทนากันในเรื่องของอดีตว่าอดีตนั้นเป็นอย่างไรแต่ถ้าในพุทธวงศ์นั้นภาษารีบุตรเห็นความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าภาษารีบุตรก็เลยคิดว่าโหพุทธานุภาพยิ่งใหญ่ขนาดนี้ะนะทั้งพุทธลักษณะพุทธสรีระพุทธคุณต่างๆเนี่ย พระองค์ยิ่งใหญ่เหลือเกินเนยนะพระองค์ตั้งความปรารถนาที่จะมาเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไรน้อพระองค์นั้นบําเพ็ญบารมีอย่างไรจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วใช้เวลาขนาดไหนจึงได้เป็นพระพุทธเจ้านั่นจะเป็นคําถามของภาษาริบุตรภาษาริบุตรจะถามแบบเจาะลึกะนะเรียกว่าสดๆเลยว่า ง, งั้นเถอะแต่ถ้าเป็นบุคพระพิสุทั้งหลายท่านก็จะสนทนาในขอบเขตทั่วๆไป เพราะฉะน้พระพุทธเจ้าจะเอาตรัสเล่าเฉพาะเมื่อเก้าสิบเอ็ดกัปที่แล้วจะไม่เล่ายาวในลักษณะคล้ายๆกับพุทธวงศ์จะไม่เล่าขนาดนั้นแต่เนื้อหาก็คล้ายๆกับพุทธวงศ์หลังจากที่พระพิสุทั้งหลายท่านสนทนาว่าชาติที่แล้วเนี่ยที่เคยอยู่เป็นอย่างนี้ชาติที่แล้วที่เคยอยู่เป็นเช่นนี้ก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับการระลึกชาติะนะพระพิสุก็นั่งสนทนากันคือ ในพระไตรปิฎกจะหยิบเอาแต่สาระของการสนทนาเท่านั้นว่าหัวข้อที่สนทนาคืออะไรจะไม่ลงรายละเอียดทั้งหมดเพราะถ้าลงรายละเอียดทั้งหมดไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะมันก็เลยเอาเฉพาะรายละเอียดที่สนทนากันตอนที่พระพิสุสนทนากันอยู่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สดับถ้อยคําเจรจาทั้งหมดนี้ของพิสุเหล่านั้นด้วยทิพโสตาธาตุอันบริสุทธิ์ล่วงโสตาธาตุของมนุษย์เนี่ยนะ ก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับ ว, ว่ามีหูพิเศษรับคลื่นเสียงได้ทุกคลื่นจะอยู่ไกลอยู่ใกล้นอกฝานอกกำแพงนอกภูเขานอกจักรวาล น, นอกคนละคลชาติก็ได้เครียกว่าพระองค์เนี่ยมีหูหูพิเศษที่เรียกว่าสําเร็จโดยทิพย์เนี่ยนะด้วยด้วยเกิดจากอภินญาเป็นบาตร ท, ทาให้พระองค์เนี่ยสามารถที่จะว่าประสงค์จะได้ยินอะไรจะได้ยินทันทีนไะก็มีความสามารถขนาดนั้นนะ ก็เหมือนกับถ้าแบบอะไรนะเป็นสมัยโบราณฟังแล้วโอ้เกินไปถ้าสมัยนีย้อยากคุยกับใครก็กดโทรศัพท์ไม่กี่ปุ่มมันนะก็คุยกันได้เหมือนกันนั่งอยู่ต่อต่อหน้าไม่ได้ยากละเย็นอะไรเลยเนี่ยนะจะอยู่คนละประเทศก็ได้เอานะนะคุยยังก็ว่าอยู่กันต่อหน้าต่อตานี่แหละธรรมดามันตือเป็นเรื่องปกติไปเรียบร้อยแล้วยิ่งสมัยใหม่นั่งคุยแบบเห็นหน้ากันด้วยเนี่ยนะแทบจะนั่งดูหน้าคุยกันอยู่นั่นแหละนะก็แทบจะว่าถึงขนาดนั้นกันแล้วเนี่ยนะ พันฉะอันนะั้ถ้าแบบอะไรนะถ้าเป็นเมื่อก่อนบอกอพระพุทธเจ้าจะทําได้หรืออะไรหรืออาจจะสงสยัยแต่สมัยนี้ก็ไม่น่าสงสัยอะไรเนี่ยนะไม่น่าสงสัยอะไรเพรันธ์ใช้เรพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่รอบรู้สรรพสิ่งพระองค์เป็นพระสัพพันย์อยู่แต่อย่าลืมว่าพระองค์ไม่ได้เน้นสั่งสอนไอ้สิ่งที่อะไรน่าอาัศจรรย์เป็นไปเพื่อพิศวงงงงวยหรือเป็นไปเพื่อ อ, อกุศลกําเริบยิ่งขึ้นบอกไม่ นะสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อพ้นจากทุกข์นั่นแหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จลุกจากอาสนะเสด็จเข้าไปยังโรงกลมใกล้ไม้กลุ่มน้ําประทับนั่งบนอาสนะที่พิกษุทั้งหลายปูราดเอาไว้ปกตินั้นสมัยพุทธกาลพระพิสุทั้งหลายจะนั่งสนทนากันในที่ใดเมื่อไหร่หรือจะอยู่คนเดียวเงี ย, งยบๆก็าตามจะต้องทําพุทธอาฏไว้ที่หนึ่ง แต่งตั้งพุทธอาสนะแต่งตั้งที่นั่งสําหรับพระพุทธเจ้าเอาไว้ถวายพระพุทธเจ้าเพราะไม่งั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องคอยเสียเวลาว่าโอ้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอปูที่นั่งก่อนพระเจ้าข้าจัดที่นั่งก่อนบอกไม่ต้องเขาจะปูอาสนะไว้หนึ่งที่เลยตลอดเลยนะเตรียมพร้อมไว้เลยว่าพระองค์มาก็นิมนต์นั่งได้เลยเนี่ยนนิมนต์ประทับนั่งได้เลย พระองค์ก็ประทับนั่งแล้วก็ถามพิสูทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชมสนทนากันอะไรอะไรกันเนี่ยคุยอะไรกันอยู่แม้เพราะเหตุนี้เรื่องอะไรที่พวกเธอพูดทางเอาไว้เนี่ยเธอพูดอะไรค้า้งอยู่พอดีเหมือนกับเรามาขัดจังหวะนะมีเรื่องอะไรที่จะคุยกันต่อหรือเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้แล้วพิสูจเหล่านั้นก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เนี่ยนะในเวลาหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วกลับมาจากบินทบาทแล้วได้นั่งประชุมกันในโรงกลมใกล้ไม้กลุ่มน้ำระหว่างนั้นก็เกิดข้อสนทนาธรรมะการขึ้นเกี่ยวกับด้วยปุเพนิวาาการระลึกชาติได้ ว่าอาการระลึกชาติได้เนี่ยเป็นอย่างนี้การระลึกชาติได้เป็นเพราะเหตุแม้นี้ดังนี้ข่าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องนี้แลที่พวกข่าพระองค์พูดค้างเอาไว้พอดีพระองค์ก็เสด็จมาถึงเรียกว่าค้างเอาไว้อยู่เพียงนี้เนี่ ย, ยพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนพี่สูทั้งหลายพวกเธอปรารถนาหรือไม่ที่จะฟังทำมีกระถาเกี่ยวกับด้วยปุเพนิว่า อยากจะฟังรายละเอียดให้มันพิสดารไหมล่ะเกี่ยวกับเรื่องระลึกชาติเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องระลึกชาติต้องการจะรู้แบบพิสดารไหมในหน้าเจ็ดสิบสองอัตถกาถาบอกว่าถ้าเป็นพรหมชาลสูตรพระองค์ได้ฟังพิสูจ์โดยสัพพัญยุตยานนะแต่ในสูตรนี้รู้ด้วยทิพยโสด เอในพระสูตรนี้เนี่ยนะที่บอกว่าพระองค์ดำรีว่าภิกษุเหล่านี้เนี่ยนะสันเสริญคุณสันเสริญพระพุทธคุณเนี่ยปราลบปุพเพในวาสยานของเราคือพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยกิจกรรมอันหนึ่งของท่านก็คือการสรนเสริญคุณพระรัตนตรยัยก็เหมือนกับพวกเราเนี่แหละได้มาเรียนแบบอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะก็ระลึกได้แต่ก็อย่างว่าโบราณภาสวดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะ่ะซิกแซกมากไม่ได้แล้วเห็นไหม ท่านก็แต่ว่าพระพิสุตสมัยก่อนเนี่ยท่านก็ระลึกเออเนี่ยนะพระพุทธเจ้าที่บอกว่าพระองค์มีพระยานเนี่ยเนะช่นวิชาจารณะสัมปันโนล่วงเอามาบทเดียววิชาคืออะไรวิชาสามและวิชาแปดวิชาสามก็เช่นปุเพนิวาสานุสติยานจูตูปปาตยานอาสวะขยายานก็หยิบเฉพาะเอาปุเพนิวาสานุสติยานมาสนทนากันว่าปุเพนิวาสานุสติยานการระลึกชาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นอย่างไรทีนี้ พระพิสูจ์เหล่านั้นเนี่ยนะท่านไม่รู้ความสำเร็จแห่งปุเพนิวาสานุสิยานของพระพุทธเจ้าคือคือท่านก็สนทนากันไปอ่ะนะคือสนทนาในเรื่องที่แต่ละคนไม่มีใครรู้จริงในเรื่องนั้นอย่างเต็มที่ก็คุยกันไปอ่ะนะก็คุยเท่าที่รู้อ่ะนะก็นั่งสนทนากันไปช่างเถอะเราจะ กล่าวถึงความสำเร็จแห่งปุเพนิวาสานุสติยานนั้นแล้วก็แสดงแก่พวกเธอเดี๋ยวจะชี้แจงเล่ารายละเอียดให้ฟังทั้งหมดเหมือนกันเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จมาประทับณพุทธาฏอันประเสริฐตามตกปกติที่ตั้งเอาไว้สำหรับให้พระพุทธเจ้านั่งแสดงธรรมซึ่งขณะนั้นพิสูนทั้งหลายก็ปูละถวายเอาไว้พระองค์ก็มีพุทธประสงค์จะแสดงธรรมเกี่ยวกับปุเพนิวาสยานหรือว่าปุเพนิวาสานุสติยาน ยานที่กล่าวถึงการระลึกชาติได้ในอดีตแก่ภิกษุเหล่านั้นหลังจากที่พระองค์ถามบอกว่าการถามของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะด้วยเหตุผลหลักๆสองประการเหตุผลหลักที่พระพุทธเจ้าถามอาศัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะได้บัญญัติพระวินยัยอันนี้อย่างหนึ่งอย่างที่สองก็เพื่อที่จะแสดงธรรมเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเป็นกาลันยูบุคคล รู้เลยว่าเวลาไหนควรจะบัญญัติวินัยเวลาไหนควรจะแสดงพระธรรมเนี่ยนะเวลาไหนอินทรีย์ของผู้ใดแกกล่าคู่ควรที่จะตรัสรู้ธรรมได้แล้วเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยถามว่าพวกเธอเนี่ยนะปรารถนาจะฟังเกี่ยวกับเรื่องปุเพนิวาสานุสติยานไหมพิสุเหล่านั้นก็เรียบกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นการสมควรแล้วเป็นกาละอันสมควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะพึงทรงกระรรทำทำมีกรถาเกี่ยวกับด้วยปุเพนิวาดขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนข้าแต่พระสุคตเป็นกาละสมควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะพึงทรงกระรทำทำมีกถาเกี่ยวด้วยปุเพนิวาตภิกษุทั้งหลาย ได้ฟังพระพุทธนามรัตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจะได้ทรงจาเอาไว้เพราะฉะนั้นอ่านะอาศัยความอนุเคราะห์แสดงเธอเนี่ยนะจะเดี๋ยวจะช่วยช่วยกันจำจะกำหนดจดจำตามที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพิสุท์ทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเธอจงใส่ใจให้ดีเธอเราจะกล่าวคือพระองค์นั้น ชักชวนให้พิสูจนเหล่านั้นเนี่ยเงี่ยหูฟังแล้วก็ตั้งใจฟังด้วยดีด้วยพระดํารัสว่ า, าถ้าอย่างนั้นพวกเธอทั้งหลายจงฟังซึ่งพระองค์เนี่ยประสงค์จะประกาศการระลึกชาติซึ่งเป็นทางอันตัดขาดแล้วคือมีความหมายว่าเรื่องในอดีตเนี่ยนะมันเหมือนกับเรื่องอยู่ในอากาศอนะไรอย่างอย่างสมมุติว่ า, าวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยนะ ถ้าใครเป็นนักศึกษาประวัติศาสตร์นิดหนึงไปยืนอยู่นักเมืองเก่าแห่งหนึ่งที่มีอิฐกองอยู่กองเดียวเล็กๆอ่ะถ้าเป็นนักประวัติศาสตร์จะเล่าเล่าให้ฟังเลยเมืองนี้นะเมื่อปีเท่านั้นพอศเท่านี้มีพระราชาพระองค์นี้ปกครองมีประชาชนอยู่ประมาณเท่านี้โอ้เล่าเป็นเรื่องเป็นราวก่อนั้นอากาศทั้งนั้นแหละนะั่นนะแต่ก็เล่าเหมือนกับมีเรื่องมีราวอยู่ตรงนั้นทั้งการเล่าเรื่องราวในอดีต ก็เหมือนกับชี้ทางที่ไม่มีอยู่ในอากาศ น, นะะนั้นคนที่เล่าเนี่ยนะถ้าวัตถุประสงค์ไม่ดีเนี่ยนะมันถือว่าเสียงมากมาเลยแต่ถ้าสําหรับพระพุทธเจ้าสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ตรัสสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยนะฟังพระองค์ก็ตรัสเล่าอาศัยเรื่องราวที่เคยมีในอดีตแต่บัดนี้ไม่มีแล้วเหมือนกับอากาศที่มันว่างๆอยู่ขนาดนี้นี่แหละแล้วก็เล่าให้ฟัง แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น่างนนเนี่ยนะซึ่งพระองค์ก็ค่อยๆตรัสเล่าตามลําดับซึ่งพระองค์ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายนับแต่นี้ไปเก้าสิบเอ็ดกับพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกไม่น่าเชื่อเลยนะบอกว่าหยิบเอาหยิบเอามาเล่ายังก็ว่านั่งดูอยู่นะเคิดว่าถ้าเป็นปดผลปกติธรรมดาเนี่ยสับสนทันทีเลยนะ เมื่อเก้าสิบเอ็ดกลับเมื่อสามสิบเอ็ดกลับอย่างเงี้ยค่อยเรียกว่าแล้วในกลับนี้ซึ่งแต่ละอย่างนั้นเหตุการณ์นี่มันนานมากเลยนะพาในอดีตนั้น่ะพระพุทธเจ้าวิปัสสีเกิดขึ้นเมื่อเก้าสิบเอ็ดกลับถ้าหากว่าถอยหลังจากกลับไปนี้ไปสามสิบเอ็ดกลับมีพระผู้มีพระภาคอรหันตาสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีได้อุบัติขึ้นในโลกในกลับที่สามสิบเอ็ดนั่นเอง พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกดูก่อนพิสุทั้งหลายในพัทธกับกับอันเจริญ น, นี่นี่แหละมีพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากเวสัภูได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกในพัทธกับนี่แหละพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมาณะได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก ในพัทธกับนี่แหละพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะได้เสด็จอุบัติแล้วขึ้นแล้วในโลกในพัทธกับนี่แหละเราผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกเนี่ยนะก็เล่าเอานะล่วงเอาอะพระพุทธเจ้าองค์ที่นะนับทั่วไปเนี่ยนะในสูตรเนี่ยพูดถึงพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์เท่านั้นเป็นหลัก น, นะเนี อย่างที่เรียกว่าขอน้อมน้อมแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์เนี่ยนะเ็ดพระองค์ก็คืออะไรพิปสัสสีสิขีเวสภูกะกูสันทโกูนาคมมนะและพระพุทธเจ้ากัสสะจนถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยรวมเป็นเจ็ดองค์มันก็จะเรียกว่าหยิบเอาเหตุการณ์ซึ่งมันห่างกันมากเอามาเล่าเหมือนกับอยู่ติดติดติดกันนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วห่างกันมากๆเลยแหละเนั้นอันนี้เป็นลักษณะความชํานาญของ ความคล่องแคล่วของปุเพนิวาสานุสติยานของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยปุเพนิวาสานุสติยานของพระองค์นั้นไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะติดขัดจริงๆอนะนะนอกสุดแท่แต่ประสงค์จะรู้รู้เมื่อไหร่ก็รู้ได้ทันทีโดยไม่ติดไม่ขัดไม่สับสนและก็ไม่เบลอเนี่ยนะอันนี้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับกับก่อนนะก็ทีจริงก็เล่าหลักๆอยู่สามกับก็คือเมื่อเก้าสิบเอ็ดกับเมื่อสามสิบเอ็ดกับและ ในกลับนี้ก็ถือว่าย่อๆก็คือเมื่ออดีตเกี่ยวกับเรื่องกลับทีนี้รายละเอียดในหน้าเจ็สิบสามบอกว่าในพัทธกับก็คือกลับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นห้าพระองค์อธิบายเพิ่มเติมว่าตั้งแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายเนี่ยบำเพ็ญอภินิหารตั้งความปรารถนาเพื่อได้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าและพระองค์ได้รับพยากร ย่อมไม่มีแม้กับเดียวในระหว่างนั้นหมายคะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะว่างเป็นอสงไขยอสงไขยเ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วมามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในกับนั้นเนี่ยนะเมื่อในระหว่างถอยหลังจริงๆนะจากวันนี้ถอยหลังไปสี่อสงไขยก็ไม่เคยมีอสงไขยไหนไม่มีกับไหนในกับเดียวกันเนี่ยที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นถึง ห้าองค์ถ้าเทียบกับกับนี้นะกับนี้เรือเรียกว่าพัทธกับกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นห้าพระองค์ก่อนหน้านั้นก่อนที่อภินิหารก่อนที่จะรวบรวมธรรมะอันประกอบไปด้วยองค์แปดของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยนะในชาตินั้นนะชาติก่อนพระธีปังกรก็มีพระพุทธเจ้าเกิดสี่องค์ก่อนหน้านี้ก็คือตันหังกรณ์เมทางกรสารนางกรและธีปังกรเพราะในกับนั้นเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น ในกับเดียวกันสี่องค์ที่เหลือเหนือขึ้นจากพระพุทธเจ้าเหล่านั้นไปโลกก็ว่างจากพระพุทธศาสนาเป็นอสงไข์นะก่อนหน้านั้นอ่ะไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเป็นอสงไขยแล้วก็ทีนี้ถ้าถอยหลังว่าจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรเนี่ยนะโลกก็ว่างจากพระพุทธศาสนาเป็นอสงไขยจึงมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญยะพระองค์เดียวเท่านั้นอุบัติขึ้นในกับเดียว เพราะทั้งอสงไขยมีพระพุทธเจ้ามาเกิดขึ้นเพียงพระองค์เดียวยแล้วก็โลกว่างเป็นอสงไขยอีกต่อไปโลกว่างจากพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งอสงไข่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผ่านไปอีกหนึ่งอสงไขยจึงได้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่องค์ในกัปเดียวกันคือพระพุทธเจ้าสุมังาละสุมนณะเรวตะและโสพิตรในกัปเดียวกันแล้วก็ว่างจากพระพุทธศาสนาอีก หนึ่งอสงไข่ว่างเฉยเฉยเนี่ยหนึ่งอสงไข่กับเนี่ยนะแล้วก็ต่อมาอีกจึงมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสามพระองค์นะสามพระองค์คือพระพุทธเจ้าอนมาุมัตสีปฐุมะและนารทะเกิดขึ้นในกลับหนึ่งแล้วหลังจากนั้นโลกก็ว่างจากพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งอสงไข่ท่านพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ถ้าทุกวันเนี่ยนะคนไม่ศึกษาเราไม่แปลกใจเพราะปกติก็ไม่มี พระพุทธศาสนาอยู่แล้วปกติเขาก็ไม่ศึกษาอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะปกติหมู่สัตว์ทั้งหลายจึงไม่ได้พิจารณาอริยสัจเพื่อแทงตลอดทำเป็นที่พ้นทุกขอันนี้เป็นปกติของชาวโลกเนี่ยนะสะรุปว่าเมื่อหนึ่งอสงอะนะถ้าถ้านับตั้งแต่วันนี้ไปถอยหลังไปนะเมื่ออ อ, อ, อสงไข้ที่ ที่หนึ่งนะนับจากนี้ไปอสงไขยที่หนึ่งมีพระพุทธเจ้าสามองค์อสงไขยที่สองมีพระพุทธเจ้าสี่องค์อสงไขยที่สามนับจากนี้ไปอ่ะนะก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวอสงไขยที่สี่นับถอยหลังจากนี้ไปมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่องค์อนะสี่พระองค์พันธ์พายในเสียอสงไข่มีพระพุทธเจ้ากี่องค์เสียอสงไข่นะช่วงนะช่วงช่วงเสอสงไขยสี่ห้า 5้าเก้าสิบสิบอดสิบสองทั้งหมดมีสิบสองพระองค์สี่อสงไขยมีพระพุทธเจ้าเพียงสิบสองพระองค์เองเ น, นะนะถวันน้อยมากเลยนะเมื่อไหร่จะมีขึ้นสักองค์หนึ่งนอโลกก็ว่างเปล่าจากพระพุทธศาสนาแต่ก็พอมาศึกษาแบบนี้เข้าก็จะเข้าสู่ภาวะปกติอีกแล้วนะเนี่ยปกติที่ไม่มีคำสอนเนี่ยนะไม่มีพระตัตนะตรยัย ปกติที่คนไม่รู้จักคุณพระรัตนตรัยปกติที่ไม่มีคําสอนนี่ถ้านับจากวันนี้ถอยหลังไปเมื่อแสนกับที่แล้วก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าปทุมุตระถ้าถอยหลังจากนี้ไปอีกสามหมื่นกับก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองพระองค์ก็คือพระพุทธเจ้าสุเมทะกับพระพุทธเจ้าสุชาตเกิดขึ้นในโลก แต่ถ้านับจากนี้ไปถอยหลังไปอีกหนึ่งหมันกัปก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสามองค์คือพระพุทธเจ้าปิยทัศนีอัฏฐทัศนีธรรมทัศนีอุบัติขึ้นสามองค์แล้วก็ถ้าเมื่อเก้าสบสี่กัปที่แล้วก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระองค์เดียวคือพระสิทธะพุทธเจ้าถ้าถอยหลังไปเก้าสิบสองกัปมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์ติดสัปุทสะถ้าถอยหลังออกไป เก้าสิเอ็ดกับมีพระพุทธเจ้าวิปัสสีเกิดขึ้นองค์เดียวถ้าถอยหลังไปสามสิบเอ็ดกับมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองพระองค์คือสิกขีกับเวสภูถ้าในกลับเดียวกันนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นห้าพระองค์นะเฉพาะในกลับนี้คือพระพุทธเจ้ากักุสันทก k a มาณะกัสปะพระพุทธเจ้าของเราและพระสอริยะเมตไตหรือพระเมตไตรจะอุบัติขึ้นในภายหลัง เพราะฉะนั้นพระองค์เรียกกับนี้ว่าเป็นสุนทรกับเป็นกับที่เป็นสาระมากเป็นกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นห้าพระองค์นะจำง่ายๆว่าในภายในกลับนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นห้าพระองค์ถ้าถอยหลังเมื่อสามสิบเอ็ดกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสามสิบเอ็ดกับที่แล้วสองพระองค์สองพระองค์เมื่อเก้าสิบเอ็ดกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น องค์เดียวคือวิปสัสสีถ้าเก้าสิบสองกับที่แล้วสององคือติตสากับพุทสะเก้าสิบสี่กับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวสิท ธ, ธะถ้าเมื่อหนึ่งหมืดพันกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าสามองค์ น, นะคือปิยทัศีอัฏฐทัศีธรรมทศีสามองค์เมื่อสามหมื่นกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองพระองค์เมื่อหนึ่งอสงไขที่แล้วมีองค์เดียวเมื่อหนึ่งอสงไขที่แล้ว มีพระพุทธเจ้าสามพระองค์เมื่อสองอสงไขยถอยหลังจากนี้ไปมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่พระองค์เมื่อสามอสงไขยก่อนหน้านี้ถอยหลังมีองค์เดียวเมื่อสี่อสงไขยถอยหลังไปมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่พระองค์เนี่ยนะอันพระพุทธศาสนาเ น, านี่ยนะแล้วใครที่ระว่างเนี่ยเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วได้สั่งสมบุญบารมีที่จะรู้เห็นอริยศาสตร์นี่ไหมไม่ง่า ย, ยนะนะ ไม่น่าไม่น่าล่ะถ้าถ้าจะกล่าวไปแล้วว่าทําไมพระพุทธเจ้าตอนเช้ามาพราะองค์จะต้องตรวจดูว่ามีใครพอมีอุปนิสัยสั่งสมบุญอะไรจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาพอที่จะมีบุญวาสนาได้ตรัสรู้บ้างไหมพระพุทธเจ้าไม่ใช่เห็นหน้าใครละเทศไปหมดเลยนะเดินนั่งะหัวซอยยันท้ายซอยคุยซ้ายคุยขวาคุยซ้ายคุยขว า, า, ขวาไปจนพ้นซอยพระองค์ไม่ใช่คนกลุ่มนั้นเลยเนียนะกนะ็ว่าแต่ละอย่างที่สนทนากับผู้ใดจะต้องบรรลุทันทีเลยนะ ไม่ใช่ว่าคุยไปเรื่อยเลยนะสภากาเฟอะไรเป็นต้นไม่ใช่แบบนั้นหรอกท่า น, นทุกอย่างที่พระองค์ทำจึงมีมีประโยชน์หมดเลยแล้วพระองค์ต้องตรวจดูก่อนว่าเขาสั่งสมบุญมาไหมเขามีอุปนิสัยไหมที่จะบรรลุอันนี้พวกกลุ่มที่จะบรรลุนะเพราะผู้ที่ไม่ได้สั่งสมบุญมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อ น, อนๆเอาไว้เลยเนี่ยต่อให้เบื่อในวัตะให้ตายก็ไม่บรรลุให้เกลียดชิงชังวัตะแค่ไหนก็ มันลุกไม่ได้เหมือนกับคนที่เกลียดความจนแต่ตกงานให้เกลียดให้ตายคุณก็ไม่รวยขึ้นเขาทําไมบอกคุณไม่มีงานทําอะไรสักอย่างจะเอาอะไรมามีฐานะเป็นต้นนั้นก็ลักษณะเดียวกันทีนี้ตั้งคําถามว่าข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นน่ะมีประมาณเท่านั้นอุบัติขึ้นแล้วก็ดีหรือว่าต่อไปนะ่าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเท่านั้นเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยปรากฏเฉพาะกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นหรือหรือว่า ใครม้างอะที่สามารถรู้ได้ว่าในกัปนั้นอาจจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นด้วยะนะนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นหรือพยากรณ์ได้หรือมีบางท่านที่พอจะรู้ได้ว่ากัปนั้นเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นไหมต่อว่านี้เนี่ยนะไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่รู้เท้ามหาพรหมชั้นสุดทาวาสก็รู้สุดทาวาสพรหมเขาก็รู้วิธีคิด อวิธีที่บอกรู้ว่าในกัปนั้นจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเท้าสุดทาวาสเนี่ยนะหรือพรมชั้นสุดทาวาสเนี่ยปกติเข า, าอายุเป็นหลายๆร้อยกัปเนี่ยนะบางทีอายุตั้งเป็นหมื่นกัปเนี่ยนะพวกนี้มีอายุเป็นหมื่นกัปเนี่ยนะเมื่ออายุเขามากขนาดนั้นเขาเห็นตั้งกัปเกิดขึ้นกัปตั้งอยู่กัปแตกทําลายเนี่ยนะเหมือนกับคนที่มีอายุยืนเขนาบอว่าถ้าเป็นโบราณเลยนะ ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาให้ความสําคัญกับคนที่อายุยืนผ่านมาแล้วหลายรัชกาลครับว่างั้นเรียกว่าเห็นการปกครองแผ่นดินมาแล้วหลายๆรัชกาลด้วยกันแต่คนที่อายุยืนขนาดนั้นเช่นคนที่อายุร้อยยี่สปีไงนะจะเห็นการปกครองมาแล้วหลายรัชกาลถ้าเป็นแบบสมัยใหม่ก็คืออายุมากเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงเท้าหมหาพรหมเหมือนกันอ่าสุทาวาตพรหมเหมือนกันเขาเห็นความเป็นไปทิ้งหลายสิบกับเนี่ยนะ เห็นเหตุการณ์ขึ้นบัญกับแต่ละกลับที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะสังเกต ด, ดูว่ากลับแน่จะมีพุทธศาสนาเกิดขึ้นไหมอ่ามาดูวิธีสังเกตรู้ได้ยังไงว่ากับอ่ากับนั้นจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่จริงอยู่ในการที่ดํารงอยู่แห่งกับเมื่อโลกสันนิวาดํารงอยู่ตลอดอสงไขยหนึ่งฝนก็เริ่มตกเพื่อให้โลกดํารงอยู่ย่อมเป็นเหมือนกระหิมะตกในสุดแขวนแต่ต้นเทียว จากนั้นก็มีรำข้าวประมาณ1 ง, งาประมาณ1ข้าวสารประมาณ1นึนะถั่วถั่วเขียวประมาณ1ถั่วทองประมาณ1พุทรามะขามป้อมฝักเหลืองฝักเขียวน้ำเต้าประมาณ1ก็เป็นสายน้ำํำงอกงามขึ้นโดยลําดับอุษาะสองอุษาะคาวุธเก่งคาวุฒิโยด1นสองโยด3โยด10โยดตลอดร้อยพันแ0นโยดเป็นประมาณตั้งอยู่บริเวณตั้งอยู่อย่างบริบูรณ์ในระหว่าง แสนโกดจั ก, กรวาลจนถึงอัปนิ้แต่พรมโลกเนี่ยนะเรียกว่าแสนโกดไล่สูงสุดนี่ยแหละลำดับนั้นน้ํานั้นก็ตกเลยลําดับเมื่อน้ําตกเนี่ยนะเทวโลกทั้งหลายก็ปรากฏอยู่ตามในที่ที่ของเทวโลกตั้งอยู่โดยปกติก็คือปกติของโลกควรจะอยู่ในส่วนไหนเทวดาควรจะอยู่ในส่วนไหนพรมโลกจะควรจะอยู่ในส่วนไหนมันก็จะมีการตกแต่งคือผู้ศาสนาจะกล่าวถึงลักษณะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะ มันเคยมีแล้วก็มาแตกทําลายเมื่อมันแตกทําลายในที่สุดก็เริ่มมีใหม่ขึ้นเมื่อมีใหม่ขึ้นไปถึงระดับหนึ่งมันก็แตกทําลายเมื่อแตกทําลายก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาใหม่เดี๋ยวนะก็ในที่สุดก็ในที่สุดก็แตกทํำลายก็จะเหตุการณ์เหล่าเนี้มันก็ซ้ําๆอ่ะนะแต่ว่ามันนานมากอ่ะมันนานจนถึงขนาดเรียกว่าจนคนเนี่ยเมาหมดแล้วลืมหมดแล้วเนีะก็มันก็เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยแหละจริงๆก็เกิดจากจากเกิดไปหาตายมันก็ไม่ได้ มันก็แค่นี้แหละแต่ว่าแม้เอาไปเอามาใช้ชีวิตเสมาหมดลืมตายไปเลยยังไงเนะีเผลอตัวเอารู้ตัวอีกทีเอาเกือบตายไปแล้วนี่ยังไงนะจนกระทั่งหมดสภาพไปแล้วจึงรู้ว่าเออใกล้เกือบตายนี่ก็เหมือนกันนะนะนะเกี่ยวกับเรื่องของโลกเกี่ยวกับเรื่องอะไรสิ่งเหล่านี้ก็คือเกิดขึ้นและดำรงอยู่ชั่วระยะหนึ่งระยะหนึ่งนะถ้าเทียบกับการเวลาอันไม่มีที่สิ้นสุดกลับหนึ่งก็ไม่ได้นานอะไรอสังขัยหนึ่งก็ไม่มากถ้ากล่าวถึงการเวลาถอยหลังไม่มี สิ้นสุดอนาคตที่ผันแปรต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นถ้ามองจากองค์รวมระดับอสงไขยระดับหลายๆร้อยหลายหมื่นอสงไขยอายุของเราเนี่ยแม้มแมลงวีกระพีปีกก็หมดแล้วเนี่ยนะจุติแล้วเนี่ยนะอายุมันสั้นนิดเดียวจริงๆเลยนะมันก็มีอยู่เท่า น, นี้นี่พูดถึงว่าตอนที่โลกเกิดการรวมตัวขึ้นเนี่ยนะ ท่านบอกว่าการรวมตัวของโลกเทวโลกมันปรากฏขึ้นเนี่ยท่านบอกว่าอธิบายไว้แล้วในวิสุทธิมรรคไปดูเอาส่วนฐานะของมนุษยโลกเนี่ยนะเหมือนเมื่อ น, น้ำเข้าไปแล้วก็ปิดปากทํามกรกเสียน้ำนั้นก็อยู่ได้ด้วยฐานะของลมคือลมเนี่ยมาอุ้มน้ำน้ำเนี่ยตั้งแผ่นดินเนี่ยตั้งอยู่บนน้ำอีกทีหนึ่งก็ถามว่าโลกนี้นะโลกนีร้อยเอร์เ ถ้ามนุษย์าโลกทั้งโลกนี่ร้อยเปอร์เซ็นตน้ำเจ็ดิบห้าเปอร์เซ็นแผ่นดินกี่กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณยี่สิบห้าเปอร์ซ็นตท่านั้นเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถามว่าน้ําอดินตั้งอยู่บนน้าหรือว่าน้ําตั้งอยู่บนดินกันแน่เพราะฉะนั้นถือว่านาดินเนี่ยตั้งอยู่บนน้ําแล้วลมเนี่ยอุ้มน้ําอีกครั้งหนึ่งนะลมเนี่ยอุ้มน้าเพราะฉะนั้นมันไม่มีการกระจายออกไปเมันน่าจะตกนะมันน่าจะไหลรั่วออกไปใช่ไหม แต่ทําไมน้ําเนี่ยนะถ้ามองจากดาวเทียมออกมาเนี่ยนะแม่น้ํามันน่าจะหกออกไปนะไม่ยอมหกทําไมมันไม่หกนะถ้ามองจากดาวเทียมหรือมองมาจากดวงจันทร์สองมาดูโลกเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าอยู่ที่ดวงจันทร์มองดูโลกก็เหมือนกับดูเม็ดอะไรเม็ดทับทิมหรือเม็ดอะไรใหญ่ๆลูกนึ่งกันนะทีนี้มันเอ๊ะมันมองเห็นมันน่าจะทะลักไหลออกไปข้างนอกบอกนั่นะอากลมหรืออากาศนี่แหละมันอุ้มน้ําน้ำอ่าน้ํานี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งแผ่นดินอยงั้น มันแผ่นดินตั้งอยู่บนน้ําได้เหมือนอะไรเหมือนใบบัวอยู่หลังน้ําก็เห็นใบบัวไหมใบบัวอยู่หลังน้ําฉันใดดินก็ตั้งอยู่บนน้ําฉันนั้นเนี่ยนะทีนี้ถ้าบอกว่าสถานที่ที่แผ่นดินตั้งขึ้นเนี่ยถ้าบอกว่าตัวที่แผ่นดินตั้งขึ้นตั้งขึ้นที่ไหนก่อนมหาโพธิบาลังแผ่นดินเนี่ยถ้าจะตั้งขึ้นไหนจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยที่เป็นดินเนี่ยนะโพธิบาลังตั้งก่อนเพื่อนเมื่อโลกจะพินาศแตกทาลายภายหลังเนี่ยนะเออ โพธิบัลังบริเวณตรงจุดโพธิบาลังนั่นแหละจะแตกทาลายทีหลังเกิดก่อนแล้วแตกทาลายทีหลังเหมือนอะไรบอกว่าถ้าเปรียบเหมือนร่างกายของเรานะตาหูจมูกลิ้นกายใจใจเกิดก่อนแล้วก็เสียหายทีหลังถ้าเทียบกับตาหูจมูกลิ้นกายส่วนต่างๆเกิดทีหลังแต่แตกทาลายไปก่อนฉันไดเนี่ย น, นะตรงจุดโพธิบาลังก็เหมือนใจนั่นแหละ ค, คล้ายๆแบบนั้นน่ะ เรียว่าเหมือนกับใจกลางของโลกเรียว่าใจกลางของโลกแกนกลางของโลกเป็นสถานที่มั่นคงรองรับพุทธคุณทั้งหลายได้รองรับพุทธยานทั้งหลายได้รองรับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ณนะโคที่บาลังนั้นเนี่ยนะมันมีโกบูอ่ะโกบัวอยู่กอหนึ่งโกบัว น, นี้เนี่ยเป็นตัวที่เป็นบุพภนิมิต ท, ที่จะบอกว่ากลับนั้นเนี่ย เป็นจะมีอจะเป็นที่ตั้งแห่งโพธิที่บาลังให้มีผู้มาต ร, ารัสโรหรือไม่ตรงบริเวณนั้นะเหมือนมีกอบัวอยู่ก้อนหนึ่งเป็นนิมิต ท, ที่รู้ได้เฉพาะคนมีบุญเนี่ยนะเป็นเครื่องหมายบอกเลยว่าอานะเนี่ยมีกอบัวนะถ้าหากว่าบัวกอบัวเหล่านี้ถ้ามีดอกแปลว่ามีพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีดอกไม่มีพระพุทธเจ้าอธิบายว่าถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าจักอุบัติขึ้น ดอกบัวก็เกิดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีดอกบัวเมื่อดอกบัวเกิดหนึ่งดอกแปลว่าพระพุทธเจ้าเกิดองค์เดียวถ้ามีดอกบัวบานอยู่สองดอกหรือมีดอกบัวอยู่สองดอกก็แปลว่าพระพุทธเจ้ามีในกลับนั้นอ่ะสององค์ถ้าจุดตรงนั้นเนี่ยนะมีดอกบัวอยู่สามดอกกับนั้นมีพระพุทธเจ้าสามองค์ถ้าตรงบริเวณนั้นอ่ะดอกบัวมีอยู่สดอกพระพุทธเจ้าสี่องค์ถ้าบริเวณตรงนั้นมีดอกบัวอยู่ห้าดอก พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกห้าองค์นันะคือตรงบริเวณโพธิบาลังมีโกบัวเป็นเครื่องหมายบอกแต่ว่าใครเห็นบอกว่าพรมเท้าสุดทาวาสพรมพรมชั้นสุดทาวาจะมองเห็นว่าเออเนี่ยกับนี้มีพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะกับนี้สององค์กับนี้สามองค์กับนี้สี่องค์เขาจะมาดูกันมาดูเครื่องหมายอันนั้นขึ้น บริเวณนั้นเนี่ยนะเท้าสุดทาวาสพรหมก็จะชวนกันว่าท่านผู้นิรุตุกทั้งหลายเคยชวนเทวดามาดูกันมาไปกันเถอะเราจะเห็นบุปพานิมิตแล้วก็พามาณบริเวณโพธิบาลังสถานสถานที่ที่ ท, ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในกับใดที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่อุบัติกับนั้นก็ไม่มีดอกบัวเพราะฉะนั้นเทวดาชั้นกามาวจรทั่วไปเนี่ยนะพอเห็น กบัวกบัวมีแต่ไม่มีดอกก็เสียใจเนี่ยนะคล้ายๆอะไรคล้ายๆคนที่เขากําลังจะไปเก็บเอาดอกบัวไปบูชาพระไปเห็นแต่กบัวไม่มีดอกสักดอกเลยเนี่ยนะก็เสียใจว่าพ่อคุณเอ้ยโลกนี่จักมืดมนแล้วเนาะสัตว์ทั้งหลายถูกความมืดครอบงําแล้วก็จักเต็มอบายการคนเนี่ยนะถ้าไม่รู้ความจริงไม่รู้ดีรู้ชั่วถามว่าจะทําบุญนี้จะทํำบาปเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้อะไร เหตุแห่งความเสื่อมเหตุอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญก็ชวนกันทําบาปเมื่อทําบาปอะไรเต็มอาบายก็เต็มมดปลวกเป็นต้นนะนะเปรตอสุรกายเดรฉ า, านก็เต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นเทวโลกสวรรค์หกชั้นพรหมโลกว่างแน่เนี่ยนะว่างเปล่าแน่แครับว่าคือเหมือนกับว่างอ่ะมันน้อยมากพอเห็นดอกบัวบัวบานนะนะสมุทรตะก o นั้นนะ่มะนะมีดอกบัวบานอยู่ก็ดีใจ ดีใจว่าเมื่อพระโพเเมื่อพระสัพพัญยูโพธิสัตว์ผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก้าวลงสู่พระคันพระพุทธมารดาก็ดีใจโอดีใจแม้กระทั่งว่าตอนที่พระองค์ยังลงสู่คันพุทธมารดาตอนที่พระองค์ประสูติก็ดีใจตอนที่พระองค์ตรัสรู้ก็ดีใจพระองค์ประกาศพระธรรมจักรยังพระธรรมจักรให้เป็นไปก็ดีใจตอนที่พระองค์ทำยมกาปาฏิหารก็ดีใจตอนที่พระองค์เสด็จลงจาก เทวโลกก็ดีใจตอนที่พระองค์งมาอายุสังขาร<ม>ก็สังเวทใจแต่ก็ทําบุญก็ปีติในเรื่องกับพุทธคุณตอนที่พระองค์ดับขันท ป, ประินิพานพวกเราก็จะเห็นปาฏิหาริย์แล้วก็แต่ละอย่างที่กล่าวไปแล้วนี่นะยังลงสู่พระคันประสูตรตรัสรู้ยังธรรมจักทำรรยมกะปาฏิหาริย์ลงจากเทวโลกปรงอายุสังขารดับขันท ป, ประริณิพานหมื่นจักรวาลก็หวั่นไหวเพราะฉะนั้นอบายทั้งสก็เหมือนกับเสื่อมโทรม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 ตอนเช้าก็เห็นโอ้ยเห็นบานหลายดอกตอนเย็นก็เฉาไปหมดเนี่ยนะนะเพราะอะไรตอนเช้าเขาก็เอาดอกบัวมาเป็นเยอะแยะมาบูชากันเนี่ยนะนะตอนเย็นเฉาเขาก็เอาไปทิ้งหมดแล้วน่ยนะมานะถึงเย็นแล้วสองชั่วโมงก็เฉาเลยนะก็มีแต่บัวอะไรนะบัวอะไรบัวสายอ่ะนะนะแถวนั้นเขามีแต่บัวสายนะบัวหลวงแบบบ้านเรามันหายากยังไม่เห็นนี่ยนะนะเห็นแต่บัวสายสายบัวนะบัวแกงส้มอ่นะฮัสซีรูปีฮัสซีรูปี เดินไปใกล้ต้นโพอสี่สิบรูปีเามาเนี่ใกล้ไปอีกสามสิบรูปีใกล้ๆเข้าอีกยี่สิบรูปีเนี่ยนะบอกว่าโนรูปีก็เลยเรียบร้อยเลยนะเดินกลับเลยคนนี้นี่ก็นี่ต่อไปบอกว่าในกลับเดียวกันคือกลับของเราตอนนี้นะกลับนี้ดอกบัวห้าดอกเกิดขึ้นแล้วในกลับนี้กลับของเราเนี่ยนะมันเท้าสุดทาวาสพรหมทั้งหลายเห็นดอกบัวเหล่านั้นก็รู้ว่า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 อันนี้คือรายละเอียดว่าพุทธญาณของพระพุทธเจ้าบทเพลงนิวาสานสุสติญาณของพระพุทธเจ้ารู้ทั้งเรื่องของตัวเองอย่างละเอียดรู้ทั้งเรื่องของผู้อื่นอย่างละเอียดสุดแท้ว่าประสงค์จะเอาเรื่องของใครมาเล่าอย่างเนี้เล่านะเมื่อกี้บอกว่าโอ้เล่าเกี่ยวกับเรื่องกับเมื่อเก้าสกับสาสบอดกับภายในกับนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่ารู้แค่รู้ว่าเออเมื่อเก้าสบเดกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อสาอดกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น กับนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระองค์เจาะรายละเอียดลงไปอีกว่าพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั้นเป็นกษัตริย์โดยชาติอุบัติในขัตยสกุลพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีเป็นกษัตริย์โดยพระชาติเกิดในขัตยสกุลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าเวสภูได้เป็นกษัตริย์โดยพระชาติอุบัติในขัติยสกุลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวกากุสันถาได้เป็นพราหมณ์โดยพระชาติอุบัติใน พ r a h m a n a s k พระผู้มีพระภาคอรหันต Caitlin สัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมาณะได้เป็นพราหมณโดยพระชาติทรงอุบัติใน b ราหมณสกุลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะได้เป็นพราหมณ์โดยพระชาติทรงอุ บ, บัตินมมนนตใน Brahmanaskul ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ได้เป็นกษัตริย์โดยชาติอุบัติในขติยสกุล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 นะว่าพระองค์พระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยนะมีพระนามอย่างไรมีพระโคดอย่างไรอุบัติในสกุลเหล่าใดเนี่ยนะเดี๋ยวต่อไปเล่าโคดให้ฟังเลยนามสกุลให้ฟังได้ว่ า, าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันต์สัส ม, มาสามพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเป็นโกนทัญญะโดยโคตเดี๋วบอกนามสกุลได้หมดนะนี แม่เขาบอกเออรู้จักคนนั้นไหมแม่เล่าชื่อนามสกุลบอกแม่วันเดือนปีเกิดพร้อมทั้งอาชีพการงานมีบุตรภรรยากินข้าวที่ไหนเรียนจบที่ไหนอะไรยังไง ร, รับราชการเป็นยังไงแม่ท่านเล่าได้ขนาดนั้นนี่ไงเห็นหน้าปับอ๋อคนนั้นอะไรแล้เล่าปื้ดอย่างงี้เลยนะโอ้เก่งมากนะแต่บางคนมันเล่าได้แค่อะไรนะว่าวงศาขนาดาตัวเองคนใกล้ชิดเท่านั้นแหละคนนอกนั้นก็ไม่เท่าไรนะแต่พระพุทธเจ้านี่แม่เล่าเรื่องที่เหมือนว่าเล่าเรื่องในอากาศให้ฟังอ่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะ อย่างสมมุติว่าถ้าเปรียบแบบเป็นรูปธรรมนะบอกว่าไปนั่งชมอะไระชมอากาศบอกอากาศนะเมื่อสามปีที่แล้วนะโอหฝนตกฟ้าแลบนะสว่างมากเลยนะแล้วก็ฟ้านะมันออกเป็นช่อชอแบบนี้แบบนี้แบบนี้เมื่อสิบปีที่แล้วนะโอหฟ้าแลบปั๊บแล้วมันมีช่อแบบนี้โอ้โสวยมากเลยแล้วก็เล่าเล่าเล่าเ ล, าเลาอย่างเงี้ยดูอากาศธรรมดาเนี่ยนะเล่าให้ฟังในขนาดนั้นก็ถือว่าคนที่จําแม่นเห็นเหตุการณ์เล่าเหตุการณ์นั้นก็ไม่ ไม่ธรรมดาจริงๆฉันใดพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งกว่า น, นั้นเยอะเนี่ย น, นะยิ่งกว่า น, นั้นเยอะเล่าให้ฟังแล้วนามสกลุลอะไรเช่นพระวิปัสสีนะนามสกลุลโกนธัญโตดพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกีก็โกนธัญโตดเหมือนกันเวสภูก็โกนธัญโขดส่วนกะกูสันทะโกนาคมาณะกัสปะเนี่ยเป็นกล่มกัสปะโคดของพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นโคตมะโคตเนี่นะ เรานามสกุลให้ฟังเลยนะว่าโคดไหนก็มีอยู่สามโคตนะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่สามโคตใหญ่โกณทัญยะโคตสามสามพระองค์กัสปะโคตสามพระองค์โคตมะโคตหนึ่งพระองค์โกณทัญยะโคตทั้งสามพระองค์นั้นเป็นเป็นอะไรเป็นกษัตริย์กัสปะโคตนั้นเป็นพราหมณ์โคตมะโคตก็เป็นกษัตริย์นะนะจำง่ายๆแบบนี้ก็ได้กัสปะโคตเป็นพราหมณ์ โกนธัญย์โคตโกตมะโคตเป็นกษัตริย์นี่รายละเอียดเนี่ยนะบอกว่าแม้บอกชื่อได้บอกนามสกุลได้บอกอะไรได้เนี่ยก็ถือว่าน่าทึ่งอ่ะนะนี่นี่ไม่ใช่แค่นั้นนะบอกอายุด้วยรายละเอียดว่ามีอายุเท่าไหร่ดูก่อนพิสูจทั้งหลายพระผู้พระชนมาายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีมีประมาณแปดหมื่นปี พระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีประมาณเจ็ดหมื่นปีพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูประมาณหกหมื่นปีพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะประมาณสี่หมื่นปีพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมมนะ ประมาณสามหมื่นปีพระชนมายุ ข, ของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปปในประมาณสองหมื่นปีดูก่อนพิษุททั้งหลายพระชนมายุ ข, ของเราในบัดนี้มีประมาณน้อยคือไม่มากนิดหน่อยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีชีวิตอยู่นานอย่างนานก็เพียงร้อยปีบางทีก็น้อยกว่าบางทีบางและบางบางสัก น, า น, านั้นนะสักทีจะมีเกินร้อยเนี่ยนะ ใครวันเลาคำว่าอายุเนี่ยมาว่าประชาชนโดยรวมในยุคนั้นไม่ใช่หมายถึงพระพุทธเจ้าเพราะอะไรพระพระองค์จะดำรงอยู่สี่ส่วนห้าของของของอายุเนี่ยนะอยู่สี่ส่วนห้าขาบอกว่าเกี่ยวรายละเอียดเกี่ยวกับอายุว่าทำไมมนุษย์อายุในยุคพวกเราจึงอายุสั้ น, นเนะยนะ ที่บอกว่าบางทีก็เช่นอายุเกินร้อยปีก็มีเอ่ออายุเกินร้อยปีมีน้อยโดยมากก็ไม่ถึงร้อยปีใช่ไหมบางทีก็ยี่สิบสาสิบี่สิบห้าสิบปีมันตายได้ทุกปีนั่นแหละในโลกเนี่ยตายนาทีละกี่ทุกวินาทีเนี่ยนะตายทุกวินาทีใช่ไหมคุณหมอจุติทุกวินาทีแล้วก็เกิดทุกวินาทีมันกันทั่วโลกเลยนะทั้งโลกเนี่ย น, นะมันเราหายใจเข้าหนึ่งครั้งเนี่ยตายไปแล้วหลายคนนะ หายใจออกพ่นลมออกเลนะินก็ตายอีกหลายคนหายใจเข้าก็ตายทงจุติด ต, ตายจริงๆเลยนะนะแล้วบางทีเนี่ยขณะหายใจหึดเดียวตายเป็นร้อยก็มีอันนี้ไม่พูดถึงเดราชาณ น, นะเดราชานบอกชั่วเราหายใจหนึ่งครั้งนี่มันตายเท่าไหร่เลยนะถ้าไล่ไนถึงนรกเปรตอสุรกายโลกพร้อมทั้งเทวโลกจุติปฏิสนธิมันวุ่นจริงๆเลยนะ วุ่นวายเหมือนเกิดจาราชนขึ้นเนี่ยนะจาราจนเนี่ยมันวุ่นจุติปฏิสนธิเนี่ยนะยังกันมายังกันไปเนี่ยนะไม่รู้ใครจะไปไหนเกิดที่ไหนโอ้ยไปอย่างนี้แหละแต่ที่น่ถ้าเป็นยุคของเราเนี่ยจุติปฏิสนธิเนี่ยนะอายุคนที่เกิดมาเนี่ยจากปฏิสนธิไปหาโจเตยก็บางคนก็ร้อยปียมีน้อยบางทีก็ยี่สิบสามสิบสี่สบเขาบอกว่าสิบปดถึงยีสิบห้าเนี่ยตายโดยบาดเหตุมากกับเพื่อนถามว่าเหตุผลก็บอกว่าคนกลุ่มเนี้เมามาก อันนี้คุณหมอบางท่านพูดเล่าให้ฟังนะว่าเนี่ยคนกลุ่มเนี่ยเมาแล้วก็ขับรถสิ่งก็เลยตายประาณนั้นมันก็ก็เหตุที่เขาบอกว่าถ้าจะไม่ออกใบขับขี่ให้ก็ให้พวกนี้ก่อนนะปราณนั้นเพราะมขี้เมาแล้วเกินขับแล้วชนกันตายปิงเยอะประาณนั้นสงครามบางทีนะทั้งตีก็ไม่ได้ตายถ้าอุบัติเหตุได้ซ้ําไปะเสียหายปิงเป็นแสนล้านปราณนั้นทนก็จากอุบัติเหตุเนี่ยนะอุบัติเหตุก็ตายเยอะแล้วก็ไม่อุบัติเหตุอนะ อย่างเช่นถ้าเราศึกษายุคแต่ละยุคแต่ละยุคเนี่ยนะเช่นตายเพราะโรคระบาดมั่งตายเพราะสงครามมั่งตายเพราะแต่ละคือคือสรุปว่าตายทีละจํานวนมากๆเนี่ยนะตายจํานวนเยอะเนี่ยนะสมัยไหนที่โลกร่มเย็นหน่อยก็ทยอยตายเพราะอะไรเพราะฆ่าก็ตายไม่ฆ่าก็ตายอ้อนวอนขอร้องก็ยังตายเลยบ่างั้นนาะอันนั้นจะขอร้องอยู่ต่ออีกหน่อยเธอก็ตายเพราะอะไรชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรอบสุดรอบเนี่ยนะเพราะ คนอายุยืนเนี่ยนะหาได้ยากนะแต่ถ้ามีอายุเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยไหมใครก็อยากจะไปเห็นเนี่ยนะเช่นบรรดาคนที่อายุยืนสมัยพุทธกาลนะนางวิสาขาวุบาสิกาอยู่ได้ร้อยี่สิบปีแม้กระทั่งพราหมณ์ปกคราสาติก็ร้อยี่สิบปีพร ม, มายุพราหมณ์ก็ร้อยี่สิบปีเซลพราหมณ์ก็ร้อยี่สิบปีภาวรีพราหมณ์ ก็อายุร้อยสิบปีพระนนก็อายุร้อยยสบปีพระหากสปะก็อายุร้อยี่สิบปีวันที่ขึ้นเขาขี้จิกูดเป็นไงหอบบ้างไหมพระหมากสปะเดินขึ้นตอนอายุร้อยี่สบปีเนี่ยนะร้อยสิบปีท่านลงมาบินธบ่าแล้วกลับไปฉันบนนั้นได้อะ่ะสบายๆเลยนะไม่ต้องใช้ริ้ด้วยนะปกติแข็งแรงมาก น, นะแต่ก็อายุร้อยี่สิบปีนะส่วนพระอนุรุทธาเนี่ยมีบุญอยู่ได้ร้อยห้าสิบปีอายุยืน พระพากุลเนี่ยนะอายุร้อยหกสิบปีถึงผู้เมียอายุยืนกว่าทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดเลยนะที่ได้ยินในในยุคตั้งแต่พุทธกาลจวนปัจจุบันคือพระพากุลอายุร้อยหกสิบปีแต่ก็ไม่มีใครถึงสองร้อยปีตายหมดแล้วนะไม่เหลือเลยให้เหลือตายหมดอหละทีนี้ถามว่าพระโพธิสัตว์ทั้งปวงเนี่ยนะโดยเฉพาะพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายทั้งหมดเช่น วิปัสสีโพธิสัตว์สิกีเวสภูโพธิสัตว์ ก, กัคูสันทโกนาคัามณนะนัคส ป, ปะโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าของเราตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ปฏิสนธิในในชาติสุดท้ายเนี่ยนะปฏิสนธิในพระคันของพระพุทธมารดาา น, นั้นนะ่ะปฏิสนธิด้วยมหาวิบากรดวงที่หนึ่งเป็นอสังขาริกเพราะอะไรเพราะบุญที่ทำเนี่ยเป็นบุญประเภทอะสังขาริกและประกอบด้วยโสมนัส ดีใจมากอะนะเป็นเป็นคนที่เรียกว่ายิ้มโดยที่เรียกว่าหลับไปยิ้มเหมือนกันเถอะบอกว่าคนประเภทโสมนัสหรือโทมนัสดูจากอะไรไหมดูจากขนาดถ้าหลับถ้าเขาหลับแล้วก็ตื่นเข้ามาสดชื่นนะยิ้มแย้มแจ่มใสแม้กระทั่งแรศหลับก็หลั บ, ลบยังหน้ายิ้มยิ้อยู่นั่นแหละถ้าประเภทเนี้โดยมากโสมนัสแต่ถ้าบอกว่าพอหลับปั๊บเครียดแล้วเนี่ยนะตื่นข้าวขึ้นมายิ่งหงุดหงิดเลยถ้าพวกนี้ก็ประเภทอุเบกขาประเภทอุเบกขา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 ถ้าเลขศูนยรอยออตัวเดียวก็เลขสิบปีใช่ไหมถ้าสองตัวก็ร้อยปีสามตัวก็พันปีอันเนี้ยท่านสามารถดํารงอยู่ได้หนึ่งอสองไขยปีเช่นเช่นอะไรพระราชาพระนามว่าพระเจ้ามันธาตุราชเนี่ยอายุเป็นอสองไขยปีเลยนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้เป็นอสองไขยปีถามว่าเพราะเหตุไรท่านเหล่านั้นจึงไม่ตั้งอยู่จนถึงอสองไขยปีเพราะวิบัติแห่งฤดูและโภชนะ พระอุตุมันวิบัติเหลือเกินและอาหารก็วิบัติอาหารไม่มีคุณภาพอุตุก็แปรปลวนอย่างอย่างสําหรับกลุ่มประเทศที่อายุสั้นเลยนี่คืออะไรกลางวันร้อนระอุกลางคืนหนาวเน็บอันนัพนซร้อนเยน็นร้อนเย็นร้อนเย็ น, น, น, นพวกนี้กลุ่มนี้อายุสั้นมากอย่างกลุ่มคนงานที่ทํางานตากแดดตากแค่วันเดียวกลางคืนก็เย็นอย่าเยือกกลางวันก็ร้อนระอุกลางคืนเย็นอย่าเยือกพวกนี้อายุไม่ยืนอนนอายุสั้น หรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่บริโภคเข้าไปด้วยอันถ้าอากาศแปรบ่อยอาหารไม่มีคุณภาพอายุสั้นเอาจะรู้ได้ยังไงว่าอุตุแปรเปลี่ยนได้บ่อยโภชนะไม่มีคุณภาพดูจากอะไรก็ก็เขาไล่ทั้งแต่ผู้ปกครองมาเลยเมื่อใดพระราชาทั้งหลายคําว่าพระราชาก็คือผู้นําผู้นําหมู่ประชุมชนผู้นําชาวโลกเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้นําไม่เป็นผู้ประกอบด้วยธรรม หมายคําว่ามีอัธยาสัยล่วงอ ก, กุศลกรรมบทสิบเรียกว่าไม่ดำรงอยู่ในธรรมหรือไม่ประกอบด้วยธรรมหมายคาะว่าหนึ่งเป็นผู้นำที่กระหายการฆ่าเป็นผู้นำกระหายทรัพย์สินของผู้อื่นที่มุ่งที่จะริบเอาของผู้อื่นได้อย่างไรเป็นผู้นำที่มักมากในกามเป็นผู้นำที่มีปกติพูดไม่มีประโยชน์อะไรเลยเป็นผู้นำที่ยินดีในน้าเมา น, นะมากด้วยอภิชาพยาบาทไม่มีกรรมสกตาเป็นผู้นําในการทำอกุศลกรรมบททั้งหลายถ้าผู้นําเป็นอย่างนี้คนใกล้ๆเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอุปราชก็จะเป็นไม่ประกอบโดยธรรมเพรา ะ, ะถ้าหากว่าผู้นําไม่อยู่ในกุศลผู้นําเป็นผู้ที่มากด้วยอกุศลผู้ตามก็เป็นพวกกลุ่มอกุศลมันอุปราชเสนาบดีเศรษฐีสกลนครชาวเมืองทั้งหมด ชาวรัฐชาวแว่นแขวนทั้งหมดประชาชนโดยองค์รวมก็ไม่มีธรรมเหมือนกันนะถ้าผู้นําไม่ใฝ่ธรรมเขาบอกว่าผู้นําจะมีธรรมหรือไม่มีธรรมเนี่ยเราดูจากเออเขบอกว่าดูจากใครรู้ไหมดูจากบริวารถ้าบริวารเป็นยังไงนั่นประกาศถึงว่าหัวหน้าเป็นอย่างนั้นมันเป็นกระจกอย่างหนึ่งเหมือนกันผู้ตามเนี่ยคือกระจกของผู้นําหรือผู้นําเนี่ยเขเป็นตัวกระจกบอกว่าผู้ตามเนี่ยเป็นรสนิยม ลมไหนเพราะสัตว์ทั้งหลายมันรวมกันตามธาตุก็ว่าแล้วแต่ธาตุมันเสมอกันด้วยธาตุรวมกันเป็นธ า, าตุไปนั้นถ้าผู้นําไม่มีคุณธรรมไม่ประพฤติธรรมผู้ตามก็ไม่ประพฤติธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนมากไปด้วยอกุศลกรรมบททุกคนมากด้วยการประพฤติอะธรรมอารักเทวดาคือทุกคนโดยมากจะมีเทวดาดูแลประจําตัว ถามว่าเทวดาเหล่าไหนก็เช่นเทวดาพวกบรรพบุรุษพวกอะไรพวกคอยห่วงลูกห่วงหลานนะ่ะนะห่วงลูกห่วงหลานตายคิดถึงลูกคิดถึงหลานก็เป็นผีคอยดูแลลูกหลานไปอะไรไปนะ่ะนะมันก็ติดหลานมากก็เป็นผีดูแลหลานไปนะต่อไปพวกนี้จะคอยปกปักตามัวดูคอยห่วงลูกห่วงหลานห่วงญาติห่วงอะไรเป็นต้นนะ่ะนะคนนี้ก็จะคอยดูแลลูกหลานพวกเทวดาเหล่านี้เนี่ยนะเป็นเพื่อนกับพวกภุมิมะเทวดาเพราะฉะนั้นถ้าอารักเทวดาม ไม่มีคุณธรรมนะเชื่อไหมโรคระบาดนี่มันติดกันง่ายโรคเร็วๆเนี่ยติดกันไม่ยากเพราะฉะนั้นพวกมนุษย์อธรรมเทวดาพวกนี้ก็เลยพลอยอาธรรมไปด้วยคล้ายมนุษย์ขี้เมาเนี่ยนะเทวดาดูแลก็ขี้เล่าเหมือนกันนั่นแหละว่างั้นพอขี้เล่าไปอยู่ตรงไหนเนี่ยก็อกินไปกินมาเนี่ยเอาลองหน่อยนะชิมหน่อยมันก็เริ่มระบาดระบาดระบาดไปเรื่อยก็ดื่มกันทั้งบ้านทั้งเมืองนัอะไรว่างั้นน่ย เพราะฉะนั้นพวกพระราชาขี้เมาบริวารก็ขี้เมาเทวดาก็เลยขี้เมาด้วยเทวดาขี้เมาก็ชวนขี้เมาชวนเทวดาชั้นสูงเมาเมาเมาไปเรื่อยๆเพราฝันท้าหมู่พระราชาเป็นมิจฉาทิฏฐิไอ้บริวารทั้งหลายก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเทวดาก็พลอยมิจฉาทิฏฐิมันก็บอกว่าเทวดาชั้นภูมิมาเทวดาก็มิจฉาทิฏฐิเทวดาก็มิจฉาทิฏฐิอากาศเทวดา เทวดารอเกี่ยวกับเทวดาดูแลเรื่องความร้อนเทวดาเรื่องฝนเรื่องความเย็ น, นนะเทวดาทั้งหลายก็กลายเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิเพราะฉันสุดแทแต่ว่าผู้นำเป็นอย่างไรนะั้นมันเป็นหน้าต่างบอกบริวารบอกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจนถึงจาตุมดาวดึงยามาดุสิตจนถึงพรหมโลกกลายเป็นพวกอาธรรมไมหมดเลยพวกนี้สรรเสริญอาธรรม สรนเสริญการทําปานาติบาตสรนเสริญการทำมาทินนาทานสันเสริญการทาาํากาเมสุมิฉาจารสรนเสริญ ก, ก, ก, การพูดมุสาว่าสรนเสริญการปิสุนาวาจาพุทสวาจาสรรเสริญสัมผัสปลาปากพราเทวดากลายเป็นว่าเทวดาต้องให้คนมาร้องเพลงให้ฟังอย่างเงี้ยนะแต่ชอบมากเทวดาเขาเอาเล่ามาเส้นเทวดาต้องอุ้ยแต่ละอย่างที่เ ท, ทวดาชอบเนี่ยมันมันสับประรดอะไรบ้างกราไม่ทราบนเนี่ยนะเทวดาบางกลุ่มนี่ก็จะเป็นลักษณะนั้นเพราะนั้นกลายเป็นว่า ทุกคนก็ไม่ยินดีในการประพฤติธรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมนุษย์ขี้เหล้าก็จะเอาเหล้านี่แหละไปไปเส้นเพราะฉะนั้นลูกหลานที่เมานะเชื่อไหมลูกหลานเนี่ยกรวดเหล้านะไปให้คุณวันพระบุรุษนะเอา่านไม่รู้นะคนในเมืองอาจจะไม่เป็นนะนะแต่ตามชนบทเนี่ยโอ้ยงานศพนี่แหละงานศพเนี่ยนะก็พอพอพระฉันเสร็จใช่ไหมกรวดกรวดน้ําอ่า แต่ถ้าตอนกลางวันตอนเย็นเนี่ยนะเขาก็ยกอาหารมาให้แล้วก็กรวดเหล้าเพราะฉะนั้นเรียกว่าเช้ากรวดน้ําหรือว่าเที่ยงกรวดเหล้าเย็นกรวดเหล้าเนี่ยนะโอ้ยมันอยู่อย่างนี้แหละอย่าคิดว่าไม่มีจริงนะไปเที่ยวดไูไปให้มันทั่วเราจะเห็นหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นลูกร้านก็กรวดเหล้าไปให้แล้วผีมันจะเมาไปขนาดไหนก็ไม่ทราบนะก็ชวนชวนกันเมาไปหมด เลยเมาทั้งมนุษย์เมาทั้งผีเมาทั้งอามนุษย์เมาทั้งเทวดาเนี่ยนะชวนเอาไปเอามาเขโน่นแหะไปเป็นแมลงเมามเนี่ยนะตกไปถึงไหนก็ไม่ทราบมันก็เป็นอย่างเงี้ยพันโดยมากเนี่ยเว้นอริยาสาวกพรหมบริษัทก็ประกอบด้วยอาธรรมอีกพรหมเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เป็นนะอย่างเช่นประกาพรหมเป็นต้นยังเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาคิดว่าเขาเป็นผู้สร้างเขาเป็นเทพเจ้าพวกนี้ยังดีไม่ดีแทบจะสรรเสริญว่าเออฆ่าเพื่อบูชาเราเป็นต้น วันนี้ก็เริ่มสันเสริญเพราะฉะนั้นน้อมไปเพื่อทำอกุศลโดยประการต่างๆเพราะฉะั้นลัทธิทั้งหลายเนี่ยจึงระบาดเกิดขึ้นในโลกมากมายมหาศาลจริงๆจุดเริ่มต้นจากอะไรผู้นำไม่เป็นไม่ประกอบด้วยธรรมแต่ผู้นำที่ไม่ประกอบด้วยธรรมมันก็เกิดจากคนสนิทของผู้นานั่นแหละไม่มีธรรมเพราะฉะนั้นผู้นำก็เลย มันก็มันคือโรคพวกนี้มันโรคระบาดนะปานาติบาศก็โรคระบาดชนิดหนึ่งอธินนาทานก็โรคระบาดชนิดหนึ่งกาเมสุมิชชาจานก็โรคระบาดมูสาวาทก็โรคระบาดพุทธวจาก็ระบาดปิสุณาวาจาก็เป็นโรคระบาดเดิมสุรามีไยเป็นต้นก็เป็นกลุ่มโรคระบาดอภิชาพยาบาทมิจชาทิธิมันก็เป็นโรคระบาดมันระบาดท่วมในหมู่มนุษย์เทวดาทั้งหลายพวกเดรชานไม่จําพูดถึงมันก็ไม่ฉลาดอยู่แล้ว่นะ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 จังหวัดบ้านเกิดอตอมานี่แหละแล้วมันใกล้ๆกันด้วยนะห่างกันแค่ไม่ไม่ถึงสิบกิเออห้ากิโลห่างจากบ้านเกิดไปสักห้ากิโล ม, มีรถโดยสารสายหนึ่งอนะไรมันก็ขับรถไปขับด้วยความเร็วเนี่ยสูงเสร็จ แ, แล้วไอ้พวกคนขับเนี่ยนะพวกคนขับกับเด็กรถเนี่ยมันนึกอยากจะเปลี่ยนคนขับขึ้นมาเปลี่ยนตรงไหนรู้ไหมก็เปลี่ยนขณะที่รถมันวิ่งเร็วๆนั่นแหละนะก็เปลี่ยนคนขับนะเปลี่ยนคนขับ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 ระบบหลายๆเรื่องก็เปลี่ยนไปหมดสมมติถ้าทุกคนขี้เมาเลยนะบ้านเมืองจะเป็นยังไงเอ่ะนะระบบทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะจะเป็นยังไงหมดคำว่าเมาตั้งแต่ประชาชนระดับล่างจนถึงข้าราชการผู้ใหญ่เมากันแอบไปหมดเลยนะสักสามปีติดติดกันเนี่ยนะปร ะ, ประเทศชาติประชาชนจะเป็นยังไงบอโอ้ยเสร็จบ้านเมืองอื่นก็ไปตั้งนานแล้วว่างอนันเพรา ะ, ะนั้นท่านก็บอกว่าเนี่ยเมื่อทุกคนไม่อยู่โดยธรรมเทวดาเป็นต้นไม่อยู่โดยธรรมลมก็ไม่พัดไปตามทางลม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 วิมานพวกอกลมอากาศเทวดาก็สะเทือนเมื त, ่อวิมานสะเทือนเทวดาก็ไม่มีกระจิตกระใจจะเล่นนะไม่ไม่เล่นแเพลิดเพลินละเมื่อเทวดาไม่มีกระจิตกระใจเนี่ยนะฤดูก็เปลี่ยนแปลงไปฤดูกาลก็ไม่เปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเช่นฤดูก็ไม่เปลี่ยนไปตามฤดูฝนก็ไม่ตกในนามยามหน้าฝนมันไปตกในหน้าเกี่ยวข้าวเวลาดำนานะฝนไม่ตกไปตกเวลาเกี่ยวข้าวเวลาเกี่ยวข้าว น, นะมันก็ตกบั่งไม่ตกมั่งอีกข้างหนึ่งตกอีกข้างหนึ่งไม่ตกอย่างเงี้นะมันมันวิบาิมากเลยปีก่อนเนี่ยนะเมษาน้ําท่วมพฤษภามมิถุนาหน้าธันาแล้งเมษาน้าําท่วมเนี่ยนะไอจังหวัดภาคอีสานมันจะเป็นไปได้ยังไงโอ้กันเกินไปนะไม่เห็นมากกับตาแทบไม่เชื่อเลยแหละ น, นะพอหน้านา น, านี่มันแห้งแลง้งไอตอนที่ก็เรียกําลังหวานกําลังปักกําลังดําเนี่ยนะ แล้งฝุนตลบไปหมดตอนที่เรียกว่าน า, เ, าเริ่มจะเกี่ยวข้าวน้ําท่วมพัดเอาไปหมดเนี่ยนะแล้วก็ปีนี้เนี่ยขาวว่าอ้าวเป็นยังไงบ้างปีนี้ข้าวปลาอาหารเนีเยอะไหมโอ๊ยคนนั้นนะเขาได้เยอะมากได้สี่กระสอบปุ๋ยสี่กระสอบปุ๋ยก็กระสอบปุ๋ยละสี่สิบกิโลสี 4, 4, 5, 4, ่สี่ห้าคูณสี่ก็ปีนี้ทาํานายี่สิบก็ะไรได้ข้าวเกือบสองรอยกิโลเหมือนั้นดีกว่าคนนั้นคนนั้นได้โอ้ยได้ไม่ได้ไดมเมล็ดพันธุ์คืนเลยนะ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 เพราะฉะนั้นเมื่อตกก็ตกขณะหวานมั่งตกขณะแตกหนอ่อมั่งนึกอยากตกอะไรนะตอนที่ข้าวกำลังออกสวยแง้งข้าวทำท่าจะตายแล้วฝนก็ตกมาให้ฟื้นออกมาข้าวนั้นก็กลายเป็นข้าวที่ไม่มีคุณภาพสรุปว่าฝนไม่เป็นอุปการะต่อข้าวกล้าเลยบางทีก็แรงไปนานบางทีก็ท่วมติดกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอ่า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 ข้าวมันแช่น้ําถามว่าทํำยังไงบอกว่าวิธีการก็ทําอย่างนี้ก็เอาข้าวเนี่ยรีบขายให้มันเร็วที่สุดถามไอเพราะถ้าเก็บเอาไว้นะถ้าเก็บเอาไว้ข้าวมันจะผุมันไม่ขึ้นราธรรมดาเนี่ยข้าวมันจะผุเวลาเอาไปหุงเนี่ยนะเขาบอกว่าเวลาหงเนี่ยเก็บไปเฉยๆแล้วมันกลายเป็นข้าวเละไปเฉยๆแบบข้าวแบบกระแห่ข้าวหมักที่มันเละไปเลยอ่ะมันแบบกินไม่ได้เป็นกาวเป็นข้าวเปื่อยไปเลยอ่ะ ต้องหุงเสร็จต้องรีดทานอะ่ะรีทานถ้าเก็บเอาไว้เดี๋ยวกลายเป็นข้าวเสียไปเลยบอกทำไมอะ่ะบอกนั่นแ่ะเป็นข้าวแช่น้ำข้าวที่มันสุกแช่น้ำก็มันก็มีมีให้เห็นอย่างปีก่อนน่ะปีเกาะปีก่อนโน้อนอะ่ะไปน้ำท่วมปีหลังเนี่ยไปแล้งจนแทบไม่มีข้าวจะกินกันละมันทุกอย่างไม่เป็นอุปการะแกนี่เลยแต่เชื่อไหมบริเวณแถบนั้นทั้งหมดไม่ชอบฟังธรรมเลย อันนี้คือไม่ชอบฟังธรรมไม่สนใจฟังธรรมตำหนิการฟังธรรมโหวันี้อากุศลกรรมบทระบาดมากเนี่ยนะอากุศลกรรมบทเฟื่องฟูมากที่เล่าเมายากาเมียเนี่ยโอ้ยถือเป็นเรื่องปกติอกุศลกรรมบทเนี่ยระบาดมากเลยโอ้ยเนี่ยฝนแรงเนี่ยทำไงดีเอาช่วนกันไปรักษาศีลสิเอาอ่ะอันนั น, นบอกจัดกินเลี้ยงสิเงี้ยนะโอ้ยระดมทุนออกมาเถอะเดี๋ยวช่วยๆกันบริจาคแล้วก็ได้โต๊เลี้ยงอ่ะนะ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 เดดร้อนมากเชื่อไหมข้าวมาไม่เห็นมากระตาไม่เล่าให้ฟังเลาะหนยนะแล้วบางทีเป็นญาติซะด้วยสิ <c oughs> นะเนี่ยเั้นข้าวเนี่ยนะข้าวแต่ละหม้อที่หงุงไปแล้วมันก็กลายเป็นข้าวที่เรียกว่าเคยเห็นไหมหม้อเดียวกันที่หนึ่งก็ดิบอีกที่หนึ่งก็แฉอีกที่หนึ่งก็ไหมแต่ข้าวประเภทนี้ก็มีนะเวลาหุงเนี่ยนะหุงสุกมั่งไม่สุกมั่งสลับคลาดเ้ากันไป ท่า น, นพานี่ยเคยดินธบาฉันแบบประเภทอันนี้ดิบนะอันนี้สุกอันนี้ครึ่งสุกครึ่งดิบนะ น, นี้ดิบข้างสุก ข, ข้างเนี่นะก็เราก็เห็นนะเพราะฉะนั้นเวลาบริโภคเข้าไปเนี่ยท้องเนี่ยคิดดูนะมีทั้งข้าวดิบข้าวครึ่งดิบครึ่งสุกแล้วก็ข้าวสุกแล้วก็ข้าวไหมข้าวแฉะข้าวแข็งเนี่ยนะแลมารวมกันอยู่ในท้องเนี่ยนะยังว่าท้องจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นโรคก็เลยมากขึ้นเนี่ยนะโรคมากพอโรคมากขึ้นอายุมันก็ สั้นลงเลยนะจะตายอยู่แล้วใช่ไหมได้เหตุอันสมควรนิดๆหน่อยๆก็ชวนให้ตายกันเร็วเกินเ่ยนะเพราะฉะนั้นคือเราอะมนุษย์ทั้งหลายที่อายุเสื่อมก็เพราะอุตุและโผชนะเนี่ยนะระบบเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนระอุเพลียสแล้วก็เย็นอย่าเยือกจนต้องผิงไฟเนี่ยนะเสร็แล้วก็ร้อนระอุขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นจะไปไหนไม่เชื่อเดี๋ยวก็อะไรเนี่ย สมมติเราไปไหว้สังเวชนียสถานนี่เห็นชัดพอลงไปไว่าเนี่ยอ๊ยเงือกแตกพลักพ ล, กพ ล, กขลกเข้ามาในแอร์เย็นเรืงผมผ้าแล้วก็ลงไปอีกเงือท่วมแล้วก็ขึ้นมาอีกเนี่ยนะ่โอ้ยทําแม่อายุสั้นจะไปไหนเนี่ยนะอายุสั้นแน่นอนและอากาศในขนาดไหนใช่ไหมโ้ยสูดฝุ่นเข้าไปหมดเลยแหละแล้วฝุ่นในจํานวนฝุ่นเหล่านั้นมีอะไรอยู่ในฝุ่นม้างนะโอ้ยสรารพัดอย่างเนี่ยนะ่มันเข้ามาเนี่ยกลับมาที่ราเนี่ยโอ้อักเสบเนี่ยถือว่าปกติ บอเอ้าวไปครั้งนี้ไม่อักเสบบอกจะอักเสบได้ยังไงเขาฉันยาตั้งแต่ไปแล้วอยู่นั่นก็ฉันยาตลอดมันกลับมาก็เลยสบายเลยที่ไหนได้เป็นมาแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยจาไม่ได้เลยว่าครั้งไหนที่ไปแล้วไม่กลับมาป่วยหายากมากมันก็เป็นทุกครั้งนั่นแหละว่างั้นห้าครั้งก็ป่วยมาห้าทีพอดีเลยเพราะอะไรเพราะอากาศทั้งอากาศทั้งอุตุทั้งทุกอย่างวิบัติแปรปรวนไปหมดนั่นเ อันนี้ก็คือเพราะอะไรเพราะผู้นําไม่มีธรรมเมื่อผู้ปกครองไม่มีธรรมเนี่ยนะสันเสริญเรื่องอกุศลกรรมบดเพราะฉะนั้นอย่างยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่สรนเสริญอกุศลกรรมบทมากอันนั้อย่างสมมติว่าประชาชนโดยองค์รวมเนี่ยนะเอาถามว่าถ้าเคยเห็นภาพยนตร์ปล่อยนกปล่อยปลาไหมยังเคยเห็นไหมอันนัภาพยนตร์ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยนักโทษปล่อยให้ทุกคนเป็นอิสระเสรีบอกไม่ โอ้ยทั้งเข็นทั้งฆ่าทั้งเปลวไฟเนีลุกไหม้ท่วมอ น, นะครับยิ่งกับไฟเอเวจีบอกแนตะ่มีพระเอกคนเดียวเดินออกมาจากไฟนะรกได้งไงก็นึกว่าตัวเองจะเป็นคนกลุ่มนั้นใช่ไหมนะนะเรื่องอธินาทานเคยเห็นดูหนังโอ้ยมหาเศรษฐีหรือว่าคนนั้นใจบุญทุกคนมีแต่ช่วยกันให้แจกันแบ่งปันกันและกันมีไหมยากมีแต่การคดมีแต่การโกงนะหยิบได้หยิบเฉวยได้เฉวยแล้วก็เป็นโอ้ยนะประเภทเที่เรียกว่าทุกคนนะ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 พวกบริวารทั้งหลายก็ตามประคดไปด้วยฉันใดในหมู่มนุษย์คนที่สมมุติถูกว่าเป็นผู้นําย่งมัสมมติอย่างหัวหน้าครอบครัวที่เมาเนี่ยนะแล้วบริวคนในบ้านทั้งหมดจะเป็นยังไงอันนไล่ไล่ทุกๆองค์กรถ้าหัวหน้ามีปัญหาลูกน้องมันมีปัญหาไปหมดเลยเพราะฉะนั้นผู้นํานั้นจึงเป็นสัพูุที่สําคัญมากนะนะอย่าลืมว่าสัตว์ทั้งหลายพร้อมที่จะตามมากกว่าที่พร้อมจะ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 ประกอบด้วยธรรมเทวดาทั้งหลายก็ประกอบด้วยธรรมเมื่อเราทวยเทพทั้งหลายประกอบด้วยธรรมพระจันทรย์พระาทิตย์ระบบของคือจิตใจเนี่ยนะจิตใจของประชาชนเนี่ยมีผลต่อต่อโลกไหมมีผลต่อโลกอยู่แล้วพันการระบบ ก, การโคจรการหมุนเวียนของโลกเนี่ยนะก็เนื่องจากกลุ่มกลมหมู่ชนกลุ่มประชุมชนกลุ่มสัพพสัตว์ทั้งหลายแม้กระทั่งลมอ่านะถ้าทุกคนโดยมากประพฤติ ธ, ธรรมลมก็เป็นไปตามทิศทางของ ลมเนี่ยนะเมื่อลมเป็นไปตามทิศทางของลมวิมานทั้งหลายก็ไม่สะเทือนเป็นต้นเมื่อวิมานไม่สะเทือนเทวดาก็มีกระจิตกระาจจะเล่นนะฤดูก็ย่อมเป็นไปตามการฝนก็ตกต้องตามฤดูการเกลือกูนต่อข้าวกล้าแล้วนะที่หวานไปแล้วเนี่ยนะก็ตกต้องตามฤดูการเวลาไหนควรแรงควรตกก็เป็นไปตามนั้นทุกอย่าง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 ก็บางที่บางแห่งเนี่ยพระท้องเสียเป็นเรื่องปกติเพราะอะไรเพราะข้าวที่เขาใส่บาตมาไม่ใช่ข้าวคนกินเหมอนกันเด้อมันก็หลายๆแห่งก็เป็นอย่างนั้นถามว่าทํำยังไงท่านก็ช่วยเหลือตัวเองหุงต้มเองเองอะไรเองเพราะอะไรเพราะว่าอาหารที่ที่ฉันเนี่ยมันไม่มีคุณภาพเมื่ออาหารที่ฉันไม่มีคุณภาพสุขภาพก็ไม่ดีอุปัญหามันก็เลยเต็มไปหมดเ็ได้ว่าจริงๆแล้วนะในโลกเนี่ยคิดเรื่องตรงไหนตรงนั้นอะ มีปัญหาหมดอุปทวะโตหมดอุปสักขโตหมดมันมีปัญหามีอุปสรรคไปทุกจุดจริงๆอ่ะนะเอาที น, น, นี้เอาย้อนกลับมาหาใจเราก็ไล่ดูมีศรัทธาแค่ไหนก็มีอุปสรรคอีกเหมือนกันนะย้อนโลกเนี่ยมันจริงเต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งหมดมันถ้ากุศลธรรมเราไม่เจริญเนี่ยนะจริงๆแล้วทุกคนก็น่าเป็นห่วงแม้กระทั่งใจของเราเองก็น่าเป็นห่วงจะกล่าวไปยายถึงภายนอก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 ในวัยเดียวกันเนี่ยใครที่ที่เหลือกับที่ไปเนี่ยไหนมากกว่ากัน mm hmm. สถิติเนี่ยนะสมมุติว่าอ่าคนที่เกิดในปีเดียวกันเนี่ยนะเอาเอ า, เอาทั้งโลกเลยนะที่ตายกับที่อยู่ไหนมากกว่ากันมออ่านะสมมุติว่าเอาเกิดปีสมมุติเอาไล่ปไปเลยนั้งอ่าเอาปีสองอะไรนะก่อนปีสองพันหรือว่าปีพศ เ, เช่นพศห้าร้อยไล่ขึ้นมานะี่ยปีพศห้าร้อยตายกับอยู่ไหนมากกว่ากัน ห้าร้อยหนึ่งตายก็อยู่ไหนมากกว่ากันห้าร้อยสองห้าร้อยสามไล่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะเะเอาคร่าวๆเอาตั้งแต่ปีเกิดไล่มาอย่างเงี้ยโดยมวลรวมของโลกเลยนะถามว่าอยู่กับตายไหนมากกว่ากันเนี่ยนะเพราะนั้นแต่ทีนี้เนื่องจากว่าประชากรปริมาณที่เกิดขึ้นมาทีหนึ่งมันจํานวนมากเนะีแม่พันก็มากก็เลยดูเหมือนกับว่าตายน้อยลงแต่จริงๆแล้วระหว่างปีที่เกิดมาเนี่ยก็ค่อยๆทยอยตายทะลักตาย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 เพราะศาตว์โลกไม่ได้ต้องการพ้นจากความแก่และความตายเมื่อสัตว์โลกต้องการพ้นจากความแก่และความตายนั่นแหละเมื่อนั้นแหละอะไรนะียพระพุทธเจ้าจึงจึงมีขึ้นในโลกและคําสอนของพระองค์จึงแพร่หลายในโลกเนี่ยนะสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนข้อความในมหาประธานสูตรต่อจากครั้งที่แล้ว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 ประมาณหกหมื่นปีพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัปูสันทะประมาณสี่หมื่นปีพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมันะประมาณสามหมื่นปีพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะประมาณสองหมื่นปีลูกราบพี่โสทั้งหลาย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 มีพระผู้มีพระภาคะนะแปดหมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นแล้วก็สี่หมื่นสามหมื่นสองหมื่นะนะแล้วก็ร้อยปีแหมรถพวกมากเลยน ะ, ะรถะน่าตกใจเลยนะเธ<ม>อถ้ามีคำถามว่าเหมือนกับว่าพอถึงช่วงมนุษย์อายุแปดหมื่นปีพระพุทธเจ้าวิปัสสีเกิดขึ้นมนุษย์ก็อายุโลดมาเรื่อยๆจนถึงอายุเจ็ดหมื่นปีพลัส สิขีเกิดขึ้นลดมาเหลือหกหมื่นปีพระเวสสภูเกิดขึ้นลดมาเหลือสี่หมื่นปีพระพุทธเจ้ากับกุสันธาเกิดขึ้นเหมือนเหมือนอย่างว่าลดมาถึงสามหมื่นปีพระพุทธเจ้านะกับอโกนาคามนะเกิดขึ้นลดมาเหลือสองหมื่นปีพระพุทธเจ้ากัสปะเกิดขึ้นเหมือนกับลดลงมาเหลือร้อยปีแล้วพระพุทธเจ้าโกนาโคตมะพระพุทธเจ้าของเราเกิดขึ้น เหมือนว่าในกลับเดียวกันนะฟังดูเหมือนเรื่องราวอยู่ในกลับเดียวกันแต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั้นเมื่อเก้าสิบเอ็ดกับที่แล้วพระองค์เกิดในยุคมนุษย์อายุแปดหมื่นปีพระพุทธเจ้าสิกขีกับเวสภูนั้นเมื่อสามสิบเอ็ดกับพันเก้าสิบเอ็ดลดหักออกสามสิบเอ็ดนี้ก็ว่างตั้งห้าสิบเก้ากับระหว่างช่วงนั้นห้าสิบเก้ากับเต็มๆเลยไม่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น นนก็มีระหว่างหัวระหว่างท้ายเท่านั้นพุทธศาสนาว่างอันนั้นห้าสิบเก้ากับเต็มๆเลยนนะในห้าสิบเก้ากับไม่มีไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ในกลับเดียวกันเนี่ยนะในกับที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีกับเวสภูเนี่ยนะหมายความว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีนั้นมนุษย์อายุประมาณเจ็ดหมื่นปีแล้วก็ลดลดลดลดลด จนถึงเท่าไรลดเหลือสิบปีแล้วขึ้นไปจนถึงอสงไขยปีแล้วลดมาจนถึงประมาณหกหมื่นปีพระพุทธเจ้าพะนามว่าเวสภูนั้นจึงเกิดขึ้นล้่ก็กลับเหล่านั้นก็หมดไปโลกว่างจากพระพุทธศาสนาเต็มๆ เ, เลยสประมาณยี่สิบเก้าถึงสามสิบกลับไม่มีพุทธศาสนาเลยมันมาถึงกลับนี้ก็มีพระผู้มีพระภาคเจ้าพานามว่า กุศลธาตุเกิดขึ้นนะนะก็คือมนุษย์ต้นกลับแล้วก็โลดมาจนถึงมนุษย์อายุประมาณสี่หมื่นปีพระพุทธเจ้ากุศสันตุเกิดขึ้นท่านบอกว่ากําหนดอายุของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเอาไว้ห้าส่วนหมายว่าสี่หมื่นปีนี่ก็หารห้าพระองค์นั้นดํารงอยู่สี่ส่วนเมื่อถึงส่วนที่ห้าก็จะปรินิพานย่างเข้าส่วนที่ห้าก็จะปรินิพานเพราะฉะ น, นั้นสะี่หมื่นปีเนี่ยนะหารห้าได้เท่าไหร่ห้าสี่ ก็พระองค์ก็จะอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็ยยจริงๆพระองค์ก็อยู่ประมาณสามหมื่นกว่าปีท่านเองนะนะ่ประมาณสามหมื่นหกพันปีเอ่ 35, อสามหมื่นห้าพันปีสามหมื่นสองพันปีนะประมาณนั้นแนหะก็อยู่อยู่ไม่ไม่ประมาณน่ะนสามหมื่น 30, กว่าปีานะไม่ถึงสี่หมื่นปีเต็มทีนี้พอมาถึงกับเดียวกันก็คือกลับของเราทั้งหลาย ตอนที่พระพุทธเจ้าพระนาว่ากาบกุสันทอุบัติขึ้นนั้นสัตว์ทั้งหลายในยุคนั้นหรือมนุษย์ในยุคนั้นมีอายุสี่หมื่นปีพอครบสี่อ่ะนะช่วงนั้นพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นหลังจากหมดพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ากาบกุสันทะมนุษย์ทั้งหลายก็าอายุลดน้อยถอยลงโดยลําดับนนมนุษย์ก็อายุลดน้อยถอยลงโดยลําดับจนถึงประมาณเท่าไหร่ สิบปีสิบปีก็ขึ้นไปจนถึงอสองไขยปีแล้วก็ลดลงมาเหลือสามหมื่นปีจึงมีพระพุทธเจ้าโกนาคนามณะเกิดขึ้นเสร็จแล้วมนุษย์ก็อายุลดมาจนถึงสิบปีแล้วขึ้นไปใหม่จนถึงอสองไขยปีแล้วลดลงมาถึงประมาณสองหมื่นปีพระพุทธเจ้าพระนามว่ากสัส ป, ปะจึงเกิดขึ้นแล้วก็ลดลงมาจนถึงสิบปีแล้วขึ้นใหม่จนถึงอสงไขยปีแล้วลดลงมาถึงประมาณร้อยปีพระพุทธเจ้าของเราจึงเกิดขึ้น นด้มาขึ้นมหาประธานสูตรข้อต่อไปเลยต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับตรัสรู้ข้อห้าพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีตรัสรู้ที่ควงไม้แครฝฟล์คำว่าตรัสรู้เนี่ยตรัสรูท้ที่สถานสถานที่ตรัสรู้เนี่ยนะที่บอกว่าพระองค์ตรัสรูท้ที่ต้นแคฟล เขาบอกว่าต้นแคฝอยต้นนั้นเนี่ยนะสูงถึงร้อยศอกในวันนั้นลําต้นเนี่ยพุ่งขึ้นขึ้นไปข้างบนในี่ห้าสิบศอกกิ่งก็แตกขยายสูงขึ้นไปอีกห้าสิบศอกอันหนึง่งต้นแคฝอยนั้นในวันนั้นน่ะมีดอกดุดติดช่อปกกลุมเป็นอันเดียวกันตั้งแต่โคนต้นกลิ่นทิพย์ก็ฟุ้งไปเนี่ยนะ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 มีบัวในหมื่นจักรวาลเนี่ยนะได้มีกลุ่มดอกดอกไม้เนี่ยคล้ายง่งเกลือนกลาดไปด้วยพวงดอกไม้เนื่องแก่กันและกันเนื่องแก่กั น, นนะกองดอกไม้นะที่ร่วงนะที่นั้นนั้นแพร่พายพราวไปด้วยดอกไม้สีต่างๆเช่นเดียวกับสวนนันทวันสวนจิรดาวันมิศกวันปารุ ศ, ศกวันก็คือสวนสวรรค์นในชั้นดาวดึงนั่นเอง เปรียบเหมือนยกธงขึ้ น, น, น, น, ออ น, นหนนะ้ริมขอบจักรวาลด้านทิศตะวันออกจอดริมขอบจักรวาลด้านทิศตะวันตกดุดธงยกขึ้นหน้ริมขอบจักรวาลด้านทิศตะวันตกที่ใต้ที่เหนือจอดริมขอบจักรวาลด้านที่ใต้ได้เป็นจักรวาลอันสมบูรณ์ด้วยสิริของกันและกันอย่างนี้นะมีแต่ความงดงามทั้งหมดเลยที่เป็นอย่างนี้ถามาเพราะอะไรเพราะว่าระหว่างการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เนี่ย พระองค์เอาดอกไม้ทาเป็นพุทธบูชาเป็นต้นบูชาผู้ที่ควรแก่การบูชาโดยใช้ดอกไม้ของหอมเป็นเครื่องบูชาเนี่ยตลอดระยะเวลาสี่อสงไขแสนกับหรือแปดอสงไข่แสนกับชีวอสงไข่แสนกับปริมาณดอกไม้ที่พระองค์ทำพุทธบูชากีดก่ดอกเพราะฉะนั้นผลแห่งบุญเหล่านั้นก็ตามผลผลให้ให้พระองค์ได้ประสบพบเห็น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 หมายหมายถึงการแทงตลอดคุณความเจริญเสด็จอันเป็นพุทธะคือแทงตลอดความเป็นพระพุทธเจ้าคุณคือพระพุทธเจ้าความเจริญอันเป็นของพระพุทธเจ้าเสด็จอันเป็นของพระพุทธเจ้าก็คือการตรัสรู้ยิ่งซึ่งอริยสัจสีพระพุทธเจ้าประทับนั่งณโคนต้นไม้ใดแล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต้นไม้นั้นเรียกว่าต้นโพเช่นพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั้น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 ฉะ น, นั้นเต็มไปด้วยผลิตดอกออกผลเต็มไปหมดเลยอันนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีตรัสรู้ที่ต้นมะม่วงส่วนพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูตรัสรู้ที่กวงไม้สาระนะไม้สาระก็คล้ายๆกับนะอย่างไปรู้ว่าสาระพันอินเดียหรือพันไทยนะหรือว่าพันศรีลังกา แต่โดยทั่วๆไปนั้นพันธุ์พันธอินเดียที่บริเวณที่พระพุทธเจ้าปรินิพานเนี่ยนะมันก็เป็นเหมือนกับต้นไม้จิกไม้รังเราธรรมดานี่แหละส่วนพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ก, กะกุสันทตรัสรู้ที่ควงไม้ศึกเนี่ยนะไม้ศึกส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากโกนาคมณะตรัสรู้ที่ควงไม้มมเดือ พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะตรัสสรูที่ควงไม้ใสดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราพูดอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ตรัสรูที่ควงไม้อสัตถพฤกอัสัตถพฤกก็คือโพใบหรือที่เราเรียกกันว่าต้นโพก็แปลมาตรงตัวเลยก็คือพระองค์ตรัสสรูที่ต้นโพบัลังของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยเป็นอย่างเดียวกันสถานที่ตั้งบาลังเนี่ยนะ ไม่ต่างกันแต่ต้นไม้เนี่ยแตกต่างกันอย่างโพธิบาลังที่พระพุทธเจ้ากักุสันทโกนาขมณะกัสสะพระพุทธเจ้าเมตยะที่ตัตสรู้ในอนาคตบริเวณโพธิบาลังเนี่ยนะคือตำแหน่งจุดเดียวกันแต่ต้นไม้ที่อาศัยร่มเงานั่งประทับตรัสรู้แตกต่างกันเพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะจักรู้แจ้ง การตรัสรู้คือมัคคยานสี่นักวงไม้ใดวงไม้นั้นก็เรียกว่าต้นโพทาไมเขาจึงเรียกว่าต้นโพเพราะว่าตรงนั้นพระองค์ประทับนั่งแล้วตรัสรู้อริยสัจด้วยมัคคยานสี่อย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยได้ยินอริยสัจนะไม่ได้แปลว่าตรัสรู้อริยสัจเรารู้ด้วยสุตตะมายญาญยญานาเดียวแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ด้วยภาวนามายญาญ และมัคคานมัคคา น, นนั้นต้องประชุมอารยมรคอันประกอบไปด้วยองแปดและตรัสรู้โดยลําพังของพระองค์เองไม่เหมือนกับสาวกที่ฟังแล้วจึงตรัสรู้ได้ของพระองค์เนี่ยประชุมโพธิปักขยธรรมประชุมอัศติประธานสมมารประธานอิทิบาทอินทรีย์พะละโพชงและองค์มร์เนี่ยนะระดับโสดาปฏิมร์กาหนดรู้ทุกละสมุทยัยทำนิโรธให้แจ้งด้วยโสดาปฏิมร์ พระองค์ก็ประชุมโพธิปัจจัยธรรมขึ้นอีกนะสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินทรีย์พล ะ, ระโพชงและองค์มรเพื่อกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งด้วยอนุภาพของสกทาคามีมรพระองค์ก็รวบรวมโพธิปัจจัยธรรมนะนะรวบรวมสติปทานสัมมาปทา น, มมทานอิทิบาทอินทรีย์พล ะ, ระโพชงและองค์มรคืออารยมรอันประกอบเปด้วองค์แปด เพื่อกําหนดรู้ทุกละสมุทัยธรรมนิโรธให้แจ้งด้วยอนุภาพของอนาคามิมักแต่พระองค์ก็รวบรวมโพธิปักจยธรรมอีกเพิจารณาสังขารทั้งหลายเพิ่มพูนโพธิปัจจะธรรมเพื่อกําหนดรู้ทุกละสมุทัยธรรมนิโรธให้แจ้งด้วยอนุภาพของอรหัตตมักผนตัวมัคคายานที่ประชุมโพธิปักจยธรรมเแต่เน้นพิเศษคืออารยมักอันประกอบไปด้วยองแปลดพระองค์ประทับนั่งนะ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 พิจารณาอะไรบ้างเนี่ยนะหมายจะลงรายละเอียดขนาดนั้นเนี่ยยากถ้าไม่ใช่วิสัยของพระสัพพัญยูพุทธเจ้าที่เก่งขนาดนี้เนี่ยน ะ, นะการที่เราเรียนมหาประธานสูตรให้รู้เท่าว่าเท่ากับเรียนบทเพนิวาสานุสติยานของพระพุทธเจ้ายานที่อย่างรู้อดีตของพระองค์ว่าพระองค์นั้นรอบรู้ในสิ่งที่เป็นอดีตทั้งสังคตะและอสังคตะโดยไม่มีส่วนเหลือจริง แต่ยกเอาเฉพาะสังคตะที่มีประโยชน์อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะไม่ตรัสในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นสิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์อย่างเดียวเช่นตรัสเรื่องอะไรเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเป็นต้นเนี่ยนะมันอะไรก็ได้ที่เกื้อกูลต่อการตรัสรูม้มรรคผลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็จะเอามาแสดงเนี่ยนะเพราะว่าเอาประโยชน์อย่างยิ่งของสรรพสัตว์เป็น ที่ตั้งถ้าไม่ได้ประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์โลกหน้าก็ยังดีไม่ได้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์โลกนี้ไม่เดือดร้อนก็ยังดีนะเพระพระองค์ก็เป็นผู้ที่เล็งถึงประโยชน์เป็นเป็นผู้ที่ระลึกถึงศาสตะสัมปชัญญะระลึกถึงประโยชน์เป็นเป็นหลักเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะพันพฤติกรรมทุกอย่างของพระองค์นั้นสําเร็จด้วยสัมปชัญญะพันการที่พระองค์หยิบยืมหยิบเอาเรื่องในอดีตเนี่ยนะมาแสดง ลงถึงรายละเอียดก็ทำให้เราเนี่ยเห็นเห็นพระพุทธญาณของพระองค์ญาณที่ยังรู้อดีตโดยไม่ติดขัดก็มีชื่อยานหมวดสามอีกอันหนึ่งนะาบอกว่าญาณที่ยังรู้อดีตโดยไม่ติดขัดญาณที่ยังรู้อนาคตทั้งหมดโดยไม่ติดขัดญาณที่ยังรู้เหตุการณ์ในปัจจุบันในทั้งหมดเลยนะอย่าว่าหมื่นโลกธาตุแสนโลกธาตุยิ่งกว่านั้นก็รอ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 ความรอบรู้นี้ถ้าคุณธรรมโดยเฉพาะยานหมวดส่อหมวด3ของพระพุทธเจ้าก็คือยานไม่ติดขัดในอดีตยานไม่ติดขัดในอนาคตยานไม่ติดขัดในปัจจุบันยานถ้าเป็นยานหมวด2ก็ไม่ติดขัดในสังฆตะและอสังฆตาถ้ายานหมวด4ี่ก็คือยานที่กําหนดกาเนิด4ี่ยานหมวด5ก็คือกําหนดคติ5และเหตุให้ถึงกติ5้ายานหมวด6ก็คืออาสาธรรมะยาน6กยานหมวด7ก็คือยานที่แจ่มแจ้งใน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 เราก็จะได้รับประโยชน์โลกนี้คือได้เจริญคุณธรรมเพิ่มพูนคุณธรรมเพิ่มพูนอริยทรัพย์ขึ้นและปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นอันตรายต่อพวกขทรัพย์และกะ็ผู้ที่ไม่ประมาทก็สามารถที่จะหาโภกขทรัพย์ได้ประโยชน์โลกนี้ก็ได้ถ้าไม่ตรัสรูม้มรรคผลเป็นผ้ า, าหาันนะถ้าบรรลุมรรคชั้นล่างระดับไปก็เกื้อกูลต่อประโยชน์ โลกหน้าเพราะไม่ไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตในที่สุดก็แทงตลอดอริยสัจเป็นพระอรหันในระดับสูงอย่างแน่นอนทันการที่เราเข้าใจในพระพุทธคุณเท่าใดเรารอบรู้ในพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเท่าใดจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราโดยส่วนเดียวทันการที่เราเรียนพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราก็ดีพระพุทธเจ้าทั้ง7พระองค์เลยนะ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 ใช้สัพพัญยุตยานที่เรียกว่าสมันตะจักสุใช้พุทธจักสุอินดียะโปรปริยตยานเป็นต้นตรวจสอบดูว่าเขาเป็นผู้สังสมบุญบารมีคู่ควรที่จะได้ตรัสรู้พระองค์ก็อาศัยพระปัญญาและพระมหากรุณากระตุ้นเตือนพระองค์ก็จะมาส่งเคราะห์เราช่วยพวกเราให้พ้นจากวัตทุกเนี่ยนะพันขอให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นทั้งบุญเป็นทั้งวาสนาเป็นทั้ง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 พิโยสะและพระอุตระเป็นคู่อักระสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัสมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะมีพระติดสะและพระภารทวัชะเป็นคู่อักระสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราบัดนี้มีสารีบุตรและโมฆลานาเป็นคู่อักรส า, าวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญเนี่ยนี่ก็กล่าวถึงเกี่ยวกับพระอริยะ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 ส่วนพระสัมภวะสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีนั้นที่สุดแห่งสมาธิบารมีส่วนพระโสนุตระเนี่ยนะก็โสนะบวกอุตระในพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูพระโสนะเนี่ยนะเลิกทางปัญญาพระอุตระเลิกทางสมาธิเนี่ยนะพระโสนะเนี่ยนะโสนะเนี่ยมีปัญญามากพระอุตระนี่มีสมาธิเน้นแต่ทางสมาธิคล้ายๆกับพระมหาโมคลานะ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 เพราะฉะนั้นก็นึกว่าท่านตายเรียบร้อยแล้วก็เลยช่วยกันเผาท่านานะตอนท่านก็นั่งโน่นอ่ะตอนเช้ามาท่านก็อุ้มบาตรไปบินทบาทานะนะก็เรียกว่าหฮมจีวรไปบินทบาทคนก็เลยเรียกท่านว่าท่านสันชีวะส่วนพระวิทูระวิทูระองค์นี้แหละที่พยามาเข้าสิงเด็กแล้วก็อะนะพญามาคือโมฆคลานะทูทูสีมานเนี่ยนะทูสีมานที่สิงเด็กแล้วก็เอาก้อนหินปาศีษะท่านแตกะนะก็คือพระวิทูระนี่แหละ ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโกนาคมณนะเชว่าโสอพิโยสะเนี่ยนะพิโยสะกับพระอุตระพระพิโยสะนั้นเป็นผู้เลิกทางปัญญาพระอุตระเลิกทางสมาธิส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะนั้นสาวกของพระองค์ข้างขวาชื่อว่าติสสะข้างซ้ายภาระทวชะ เดสะนั้นเลิ่ทางปัญญาภาระทวาชะเลิศทางสมาธิส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราคือสารีปุตตะโมกขลานังพระสารีบุตรและพระโมกขลานะพระสารีบุตรนั้นเป็นผู้เลิ่ทางปัญญาท่านพระมหาโมกขลานะเป็นผู้เลิ่ทางสมาธนินี่ก็รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงโอวาทปาติโม นะโอวาตปาติโมกเนี่ยนะนะประชุมสาวกสันนิบาตเพื่อประกาศโอวาตปาติโมกจริงๆเลวพระพุทธเจ้าให้โอวาตปาติโมกเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่า ว, วิปัสสีเนี่ยพระองค์ให้โอวาตปาติโมกทุกหกปีอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยให้โอวาตปาติโมกทุกสิบห้าวันที่นี้คําถามว่าทําไมจึงใช้คําว่าสาวกสันนิบาตก็คือเน้นว่า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 เอหิพิขุอุปสัมปทาอย่างที่สองท่านเหล่านั้นทั้งหมดมาแบบไม่ได้นัดหมายกันอย่างที่สามวันที่ประกาศนั้นจะต้องเป็นวันอุโบสถขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามนะวันสิบห้าค่ำเดือนสามนะฝันพระาศาสดาก็ประทับนั่งจับพัดยังพิสุให้ลงอุโบสถนะอันนั้นก็คือพระองค์แสดงยกโอวาทปาติโมกขึ้นแสดงก็เรียกว่าสาวกสันนิบาต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 อ, นนอีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมการจํานวนภิกษุแสนรูปอีกครั้งหนึ่งมีภิกษุสาวกประชุมกันเป็นจํานวนแปดหมื่นรูปสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสามมาสามพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีซึ่งได้ประชุมกันทั้งสามครั้งนี้เนี่ยล้วนแต่เป็นพระขีนาศกทั้งสิ้นนะแต่ต้องเป็นพระอรหันต์นะที่มาประชุมกันดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การประชุมการแห่งพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีนั้นมีสามครั้งครั้งหนึ่งมีครั้งที่หนึ่งนะมีพระสาวกประชุมกันเป็นภิกษุจํานวนหนึ่งแสรูปอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองมีพระสาวกประชุมกันเป็นภิกษุจํานวนแ 0,000 ืรูปอีกครั้งที่สมเนี่ยนะมีสาวกประชุมกันเป็นจํานวนภิกษุเจ็ดหมื่นรูป ดูก่อนพิสูจทั้งหลายพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีซึ่งได้ประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ล้วนเป็นพระขีณาศพทั้งสิน้นประชุมแบบไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยนะประชุมทีแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่ไม่ต้องเอามานับเนี่ยนะเอานับเฉพาะแต่สันนิบาตการประชุมพระอรหันต์อย่างเดียวอย่างสมัยปรินิพานที่พระพุทธเจ้าปรินิพานเนี่ยนะพระพิสูุประชุมกันเนี่ยอย่างน้อยเจ็ดแสนรูป พระพุทธเจ้าของเราหนะ้าวันปรินิพานนะพระพระพิสุท์ประชุมกันอย่างน้อยเจ็ดแ 0,000 น 7, 000, รูปจะกล่าวไปยายถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถามว่ามนุษย์เนี่ยนะมาเท่าไหร่ประชาชนเนี่ยติดตามมาเท่าไหร่คงติดตามมามากเพราะข่าวการปรินิพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามเดือนพระองค์ปรงมาายุสังขารก่อนปรินิพานประมาณสามเดือนท่านก่อนหน้านั้นเนี่ยนะโหผู้ที่เขาติดตาม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 ครั้งหนึ่งมีครั้งที่หนึ่งอ่ะนะมีการประชุมสาวกจํานวนพิกษุน์แปดหมืนรูปครั้งที่สองมีพระสาวกประชุมกันเป็นพิสูจน์จนวนเจ็ดหมืนรูปครั้งที่สามมีพระสาวกประชุมกันเป็นพิกสูจํานวนหกหมืนรูปดูก่อนพิสูุทั้งหลาย พระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูซึ่งได้ประชมกันทั้งสามครั้งนี้รู้ว่แต่เป็นพระขี่นาศบทั้งสิ้นนะโอ้ยผู้ใดที่มีบุญมากนะได้พบเห็นท่านเหล่านั้นได้กราบได้ว่ายได้ถวายทานได้ฟังธรรมจากท่านเหล่านั้นก็ถือว่าท่านเหล่านั้นก็มีอนุตริยะเนี่ยนะใครที่ได้พบได้เห็นก็เป็นลาภานุตริยะเอ่อได้ทัศนานุตริยะใครที่ได้ฟังคําสอนท่านเหล่านั้นก็เป็น สวานานุตริยะผู้ใดได้ตามระลึกถึงท่านก็เป็นอะไรนะอนุสตานุตริยะได้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนก็เป็นศกขานุตริยะแต่ถ้าหากว่าได้บำรุงรับใช้ปรนิบัติท่านเหล่านั้นก็เป็นปาริจาริยานุตริยะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งมีพระผู้มีพระภาคอารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขผู้ใดได้ปรนิบัติรับใช้ได้บำรุงได้อุปถากท่านเหล่านั้นเป็นต้นก็นับว่าได้ อนุต p a r i y ไม่ใช่น้อยต่อไปพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปดูก่อนพิสูุนทั้งหลายการประชุมการแห่งพระสาวกพระผู้ของพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัปกุสันทะได้มีครั้งเดียวมีจํานวนภิกษุน์สี่มืนรูปดูก่อนพิสูจทั้งหลายพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัปุสันทะซึ่งได้ประชุมกันครั้งเดียวนี้ล้วนเป็นพระ ขีณาศพทั้งสิ้นดูก่อนพิสูจนทั้งหลายการประชุมกันแห่งพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอาหันต์ต่สัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะได้มีครั้งเดียวนะก็มีพิกษุจํานวนสามหมืนรูปดูก่อนพิสูุทั้งหลายสาวกของพระผู้มีพระภาคอาหันต่อสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะซึ่งได้ประชุมกันครั้งเดียวนี้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 ดูก่อนพิสูุทั้งหลายการประชุมการแห่งสาวกของเราในบัดนี้ก็ได้มีครั้งเดียวมีมีจานวนพิกูุน์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปดูก่อนพิสูจทั้งหลายสาวกของเราซึ่งได้ประชุมกันครั้งเดียวนี้ล้วนแต่เป็นพระขี่นาศพทั้งสิ้นก็ล้วนแต่เป็นผ้าหันทั้งหมดเลยเนี่ยนะ ถามว่าสาวกของพระพุทธเจ้าที่มาประชุมกัน 1,250 รูปคือใครอันนัอัฏเตระสารนิพิขุสตานิความว่าภิกษุ 1,250 รูปก็คือปุราณชดิน 1,000 พรูปคืออดีตเมื่อก่อนท่านเคยเป็นชดินก็คือชดินสามพี่น้องพร้อมทั้งบริวารที่บวช ด, ด้วยอเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นพระอรหันต์ตอนที่จบอาทิตะเปรยสูตร และภาษารีบุตรพระโมคขาลานะพร้อมทั้งบริวารอีกสองร้อยห้าสิบรูปเนี่ยนะหนึ่งพันบวกกับสองร้อยห้าสิบรูปก็เป็นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปบรรดาพิสุเหล่านั้นควรจะกล่าวถึงเรื่องการตั้งความปรารถนาของพระอัคารสาวกทั้งสองท่านบอกว่าถ้าถ้าจะกล่าวให้ถูกต้องรายละเอียดตรงนี้จะต้องพูดตั้งแต่โน้นสมัยที่ภาษารีบุตรพระโมกขาลานะตั้งความปรารถนาเป็น พราอัคระสาวกตั้งแต่เมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกับสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนมมัทศีมาแล้วแล้วก็เล่ามาโดยลำดับนะแต่ว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกกันนะนี่ก็เลยยกตัวอย่างมาให้ฟังคร่าวๆเล่ากันว่าตั้งแต่ภาษาริบุตรบรรลุเป็ น, เ ป, นเป็นพระโสดาบานันเมื่อฟังธรรมจากใครจากพระอสชิพระโลกพระโมคคัลลานะบรรลุเป็นพระโสดาบานันเพราะฟังธรรมจากระษาราบุตร คือพรภาษาบุตรฟังจากพระอัศวิชย์บรรลุเป็นพระโสดาบันภาษาบุตรไปแสดงให้พระโมคขลานะฟังก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนกันหลังจากนั้นท่านเหล่านั้นก็ไปเจริญกรรมฐานพระมหาโมคขลานะก็บรรลุมาโดยลําดับวันที่เจคือหมายความว่าบวชได้เจ็ดวันก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ส่วนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงเวทนาปริคหาสูตรสูตรว่าด้วยการกําหนดเวทนา ะก็คือทีฆะนักข่ขสูตรในมัชฌิมนิกายมัชฌิมาปัญนาเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตอบปัญหาของอแสะดงธรรมให้เหมาะกับอัธยาศัยของหลานหลานภาษาลีบุตรนั่นแหละคือเนื่องจากว่าเอหลานของภาษาลีบุตรไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ภาษารีบุตรมาบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเขาก็จะมาหาเรื่องจะมาหามามทำเนี่ยนะจริงๆก็จะมาชวนลุงชวนอะไรกลับนี่แหละ กอไปถึงก็ไปกล่าวว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าพระองค์ก็บอกว่าไอความเมียนอันนั้นก็ไม่ควรแก่ท่านเหมือนกันเสร็จแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังแสดงธรรมให้จบพระสารีบุตรก็สเสด็จส่งญาณคล้อยตามพระธรรมก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ฝ่ายลานของเขาก็บรรลุเป็นพระโสดาบันณถ้ำสุกระขาตาถ้ำกลางภูเขาพิชกุตถ้ำนี้อยู่กลางเขาพิชกูตในวันที่สิบห้า ะระหว่างที่ส่งกระแสจิตตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนที่นี้มีบางท่านก็บอกว่าพร ะ, ะพระพุทธเจ้าแสดงให้คนอื่นแสดงเจาะจงต่อผู้ใดผู้นั้นตั้งใจเท่านั้นจึงจะบรรลุถ้าใครเข้าใจแบบนี้ไม่ถูกต้องหมายคำว่าอาหารเนี่ยนะสมมติถ้าถ้าเปรียบเหมือนอย่างอาหารการตรัสรู้ของพระสารีบุตรเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าคดข้าวใส่จานยื่นไปให้หลานคือทีขัขะปริภาชก ภาษารีบุตรก็นั่งทานไปด้วยเขาคัดให้อีกคนหนึ่งนะแต่อีกคนหนึ่งก็ไม่ได้ห้ามทานที่ไหนเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าแสดงพระสูตรให้แก่ผู้ใดก็ตามานะถ้าผู้หนึ่งตั้งอกตั้งใจที่จะฟังธรรมผู้นั้นเหล่านั้นก็บรุลด้วยบรรลุได้โดยที่ไม่ต้องแบบแม้ต้องปรารบเราเท่านั้นจึงจะแสดงธรรมแล้วจึงจะบรรลุต้องเอ่ยชื่อเราแล้วจึงจะบรรลุบอกไม่จําเป็นว่างั้นขอให้ใส่ใจโยนิโมสมนัิการ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 พระองค์เนี่ยนะจำนวนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปทว่าสาวกสันนิบาตนะนะสาวกสันนิบาตนั้นวันพระสาริบุตรบรรลุวันไหนบอกบรรลุวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกและวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกเดียวกันนี่แหละเป็นวันที่พระองค์ปรองพระชนมายุสังขารนะนะปรงมายุสังขารเพราะว่าหลังจากนั้นสามเดือนก็จะเป็นวันเพ็ญเดือนหกใช่ไหมเพราะว่าเดือนสามอันนะ เดือนสามไปถึงเดือนหกก็ประมาณสามึสามเดือนเนี่ยนะสังเกตง่ายๆอย่างนั้นอ่ะทีนี้ต่อไปก็พุทธอุปถากทั้งหลายในข้อแปดพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายภิกษุผู้อุปถากของพระผู้อุปถากชื่อว่าอาโศกะพระอโศกเนี่ยนะชื่อว่าอโศกอโศกกะก็คือพระอโศกอ่แะแปลว่าพระที่ไม่โศกไม่เสียใจเป็นอัคราอุปถากของพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีดูก่อนพิสูุทั้งหลายภิกษุผู้อุปถากชื่อว่าเขมังกระเป็นอัคราอุปถากของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีดูก่อนพิสูจทั้งหลายภิกษุผู้อุปถากชื่อว่าอุปสันตะเป็นอัคราอุปถากของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภู ดูก่อนพิสูุทั้งหลายพิกษุผู้อุปถาชื่อว่าวุฒิชะเป็นอัคระอุปถาของพระผู้มีพระภาคอรหันตแต่สัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัุสันทะดูก่อนพิสูุทั้งหลายพิกูุผู้อุปถาชื่อว่าโสติชะเป็นอัคระอุปถาของพระผู้มีพระภาคอรหันต์แสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ ดูก่อนพิสูุทั้งหลายภิกษุผู้อุปถากชื่อว่าสัพพมิตรเป็นอักขระอุปถากของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัสมพุทธเจ้า พ, พระนามว่ากัสสปะดูก่อนพิสูุทั้งหลายภิกษุผู้อุปถากชื่อว่าอานนท์ได้เป็นอักขระอุปถาคของเราในบัด น, นี้นะก็มาถึงท้าอานนท์ผู้เป็นพุทธอุปถากรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธอุปถากเนี่ยนะ ท่านบอกว่าช่วงยี่สิบปีแรกประถมโพ ธ, ธิการหมายว่าช่วงยีสิบปีแรกพระผู้มีพระภาคนั้นดำรงพระชนอยู่ในฐานะพระพุทธเจ้าสี่สิบห้าปียี่สิบปีแรกนั้นไม่มีอุปถากระจำนะยี่สิบปีแรกเพราะอะไรเพราะบางคราวท่านพระนาคาสมาละถือบาทและจีวรตามเสด็จบางคราวพระนาคิตะเป็นอุปถากบางคราวพระอุปวานะอุปถากบางครั้ง ส, สุนักขะตะลิชวีบุทอุปถาบางครั้งพระจุนทะสมุเทศน้องชายพระสารีบทอุปถาบางครั้งพระสาขะตะอุปถาบางครั้งพระเมคียะอุปถาก็มีอุปถาที่ไม่ประจำสมัยโพธิการนะนะประถมโพธิการคือช่วงหลังจากตรัสรู้จนถึงตอนที่พระองค์ได้ยี่สิบพรรษานะยี่สปีแรกนั้นอุปถาไม่ประจา ยกตัวอย่างท่านท่านนาคาสมาลเป็นตัวอย่างว่าท่านเหล่านั้นไม่คืออุปถัมภ์พระพุทธเจ้าดีจริงล่ะแต่ว่าก็ไม่ดีพอไม่คู่ควรที่จะเป็นอัครอุปถัมภ์นะคอยที่คอยปรนิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะ อ, อ, อย่างเช่นบางคราวพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จทางไกลไปพร้อมกับท่านท่า น, นาคาสมาลก็เดินทางไปถึงทางสามแยกสองแพร่งก็คือข้างหน้าเนี่ยแยกซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ พระเทระก็หลีกออกจากทางเสร็จแล้วก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์จะไปตามทางนี้ทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับพระนาคสมาละนั้นว่ามานี้ภิกษุเราจะไปทางนี้คือคือพระนาคสมาละเนี่ยก็บอกว่าทางขวาเนี่ยเป็นทางตรงทางซ้ายเป็นทางอ้อมเพราะฉะนั้นไปทางตรงเถอะพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าไปทางอ้อมเถอะเนี่ย ไม่เชื่อพอไม่เชื่อพระเถระนั้นก็บอกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเก้าขอพระองค์ทรงรับบาตรและจีวรของข้าของพระองค์ไปเถิดพระองค์ไม่ไปกับข้าพระองค์ก็ถวายบาตรถวายจีวรพระองค์กันแล้วกันโทษฐานไม่เชื่อลูกศิษย์เนี่ยนะว่าลูกศิษย์ก็ต้องถวายบาตรถวายจีวรอาจารย์อะไ่างเงี้ยในนี้ขณะกับพระพุทธเจ้านะบอกเออพระพุทธเจ้าไม่ไปกับข้าพระองค์ข้าพองค์ก็ถวายบาตรถวายจีวรพระองค์ไปกันแล้วกันเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ก็จะไปตามทางของข้าพระองค์อย่างังี้ย ก็เลยถ้าพระพุทธเจ้าไม่หยิบนะท่านทําท่าจะวางบาทจีวรไว้กับพื้นด้วยนะถือว่ามใจไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยเตรียมวางบาทจีวรลงบนพื้นดินครั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระนาคาสมาคมนั้นว่านํามาเถิดภิกษุเอามาเอามาอจะถึงก็วางอย่างนั้นเลยนะองก็รับมาเนี่ยนะเสร็จแล้วพระนาคาสมาลก็ไปอีกทางหนึ่งก็เดินไปเลยแหละ พวกโจรก็เลยชิงเอาบาดจีวรไปก็ตีศีรษะซะแตกหมดนะอ่ะนะพี่พระนาคาสมาลมก็คิดว่าทางนี้เนี่ยนะบัดนี้พระพุทธเจ้านี่เป็นที่พึ่งของเราเรานี่ไม่มีผู้อื่นที่จะเป็นที่พึ่งได้ลเลยครับก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งที่เลือดไหลคือพระพุทธเจ้าเสด็จไปหน่อยหนึ่งพระองค์ก็ประทับนั่งรอนะพระองค์ก็รู้อยู่แล้วอ่ะแต่ทีนี้มันทำกรรมมาไม่เหมือนกันเนี่ยนะมันพระองค์รู้ไหมรู้ว่าเขาจะต้องไปถูกตีหัวเลือดอาบเนี่ยพระองค์แต่ว่าจะไปห้ามอะไรได้เชื่อ ยากจริงนะเวลาทำมันจะให้ผลจะบอกถึงจะเตือนกันยังไงก็ไม่ใช่ไแบบไม่ฟังนะถึงขนาดจะตั้งใจจะถวายบาจีวรถ้าพระพุทธเจ้าตรัสมากกว่านั้นอีกท่านอาจจะเปื้อนบาปมากกว่านั้นคือโกรธใครก็ช่างเถอะอย่ากโกรธพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพอท่านพระองค์ไม่ทําให้เขาเนี่ยโกรธพระพุทธเจ้าคงจะไม่ทําตัวให้เขาเกลียดพระองค์หรืออะไรไม่มันก็ไปตามทางของเธอก็แล้วกันไปถูกทุบหัวแตกมาก็เออดีก็ถ้ายัางนี้เชื่อพระพุทธเจ้าเลยมา พระองค์ก็ไม่ไม่อะไรนะพระองค์ก็บอกอยากคิดไปเลยภิกษุเราก็ห้ามเธอถึงเหตุนั้นแล้วแล้วก็ปลอบใจนะพูดให้สบายใจอ่นะเสร็จแล้วก็ไปต่ออันนี้เกี่ยวกับกรณีพระนาคาสมาลก็คือยากที่จะมีอุปถัาคที่รู้ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามพุทธประสงค์เถิดพระเจ้าค่าน้อยมากเว้นแต่พระอนนท์นะนะถ้าพูดรวมๆแล้วนะเว้นแต่พระอนนท์ที่บอกว่าทุกอย่างขอให้เป็นไปตามพุทธประสงค์เถิดพราะอนนท์นั้นจึงเป็น อัครอุปทาแต่ถ้าเป็นองค์อื่นๆเนี่ยนะไม่ระว่าไม่รู้อัธยาศัยเรียกว่าคนไม่รู้ใจเพราะั้นพูดถึงกรณีพระเมขิยะบ้างบางคราวพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังชันตุคามในวังสร ะ, ะมฤกทายวันด้า น, านทิศประจีนกับพระเมขิยาเทระณที่นั้นพระเมขิยาไปบิณฑบาตในชันตุคามก็ไปเห็นสวนมะม่วงที่น่ารื่นรมย์ใจใกล้ฝั่งแม่นม้ํา เสร็จแล้วก็มากราบมากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์ทรงรับบาตรและจีวรของพระองค์ไปเถิดส่วนข้าพระองค์จักบำเพ็ญสมณธรรมที่สวนมะม่วงนั้นนะโอนีมนเถอะพระองค์จะเสด็จไปไหนก็ น, นี่มนแต่ข้าพระองค์ขอลีกเร้นเจริญกรรมฐานอยู่ณที่นี้ก่อนเหมือนกันพระพุทธเจ้าหา้าห้ามสามครั้งนะยาเลยเมกียะเธอจงรอให้ภิกษุอื่นมาก่อนเมื่อมีภิกษุอื่นมาก่อนแล้วเธอค่อยไป แล้วท่านก็บอกท่านก็พูดเหน็บนะพระองค์ทํากิจเสร็จแล้วอ่ะข้าพระองค์ยังทํากิจไม่เสร็จเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ก็ต้องไปเอา้าเราจะไปว่าอะไรเธอผู้ที่อ้างว่าจะบําเพ็ญเพียรเ้าก็ไปไปที่ไหนได้ก็ทัวอักุศลวิตกเล่นงานไม่ได้ ก, กรรมฐานอะไรหรอกกราร ม, มาวิตกบั่งพยาบาดวิตกบ้างไปนั่งกิจเป็นอักุศลเสร็จแล้วก็กลับมาทูลเรื่องนั้นให้พระพุทธเจ้าทราบ พ, พระองค์ก็ตรัสไปว่า เรากําหนดรู้เหตุนี้แก่เธอแล้วจึงจึงได้ห้ามเธอเอาไว้แต่ก็ไม่เป็นผลเนี่ยนะคือคนเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะนี่นะขนาดพระพุทธเจ้าสอนนะว่าไม่ใช่ว่าคือคือมันก็อย่างว่ามันเป็นตัวของตัวเองสูงมากเลยนะถามว่าเลื่อมใสพระพุทธเจ้าไหมบอกเลื่อมใสเคารพไหมเคารพทําตามไหมเอาไว้ก่อนเนี่ยนะมันก็ก็ลักษณะนี่แหละจะไปว่าอะไรเนี่ยนะ ทีนี้เกิดจากเช่นยกตัวอย่างเหตุการณ์สองเรื่องใหญ่ๆนี่แหละณนะเมืองสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับนั่งเหนือพุทธาฏอันบวรที่ปูไว้ในบริเวณพระขันธกุติแล้วก็เรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราเป็นผู้แก่แล้วก็คือแก่ตอนนั้นพระองค์ก็มีพระชนมายุประมาณห้าสิบห้าพรรษานะ พระนรนี้อุปถักต์อยู่25ปีคือนับตั้งแต่วันพูดเนี่ยถัดนั้งไป25ปีพระนนไม่เคยห่างดุดเงาติดตามตัวพองค์ก็บอกว่าตอนนั้นพระ อ, องค์อายุพระชนมาายุ50กว่าแล้วผมก็บอกว่าบัดนี้เราเป็นผู้แก่ภิกษุบางรูปเมื่อเราบอกว่าจะไปตามทางนี้กันเถิดก็ได้ลีกไปเสียทางอื่นบางรูปก็วางบาดและจีวรของเราไว้บนพื้น เพราะฉะนั้นพวกเธอเนี่ยจงเลือกภิกษุรูปหนึ่งเป็นอุปถัาประจําของเรานะช่วยกันเลือกนะคัดสรรดูว่าองค์ไหนเหมาะที่จะมาะทําหน้าที่พุทธอุปถัาได้บ้างภิกษุทั้งหลายพอฟังกระธรรมสังเวชไม่น่าเป็นไปได้เลยนะแม้ถึงขนาดว่าหลีกทางจากทางพระพุทธเจ้าไม่ขอเดินตามรอยพระพุทธเจ้าจะเดินตามทางของตัวอีกองค์หนึ่งถึงก็เอาบาจีบรของพระพุทธเจ้าวางไว้บนดิน ทุกคนในสังเวชโดยเฉพาะภาษารีบุตรก็ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเก้าแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ตั้งความปรารถนาเพื่อจะพบพระองค์บำเพ็ญบารมีตลอดหนึ่งอสงไขยยิ่งด้วยแสนกับธรรมดาอุปถากมีปัญญามากเช่นข้าพระองค์สมควรไม่ใช่หรือข้าพระองค์นี้จักอุปถากพระองค์เนี่ยนะ้าพระองค์เนี่ยบำเพ็ญบารมีมาหนึ่งอสงไขยแสนกับก็ามาเพื่อพบพระองค์ น, นะข้าพระองค์นั้นเป็นผู้มากไปด้วยปัญญาเพราะนั้นข้าพระองค์นั้นเหมาะสมที่จะอุปถัมภ์พระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสห้ามว่าห้ามภาษารีบุตรว่าอย่าเลยสาีบุตรเธออยู่ในทิศใดทิศนั้นไม่ว่างเปล่าชีเดียวโอวาทของเธอเหมือนกันกับโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องทําหน้าที่อุปถัมภ์เราเพราะฉะนั้นเธออยู่ที่คือคือภาษาสีบรไปที่ไหนก็เหมือนกับพระพุทธเจ้า ประทับอยู่ที่นั้นอยู่แล้วถ้าหากว่าอควรที่จะกระจายแล้วได้รับประโยชน์มากกว่าก็กลับมารวมกันเพราะฉะนั้นกระจายออกไปเถอจะได้ช่วยสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายทีนี้ภาษาวมหาสาวกหรือที่เรียกว่าอสิติหมหาสาวกแปดสิบรูปที่เหลือตัองงอง้งแต่พะโมกขลานนะก็ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมาขออุปถาพระพุทธเจ้าก็ห้ามสาวกเหล่านั้นทั้งหมดเนี่นะ เหลือแต่พระอนนรูปเดียวเท่านั้นอะที่เป็นพระมหาเถระนั่งอยู่ณนะบริเวณนั้นแล้วไม่ไม่อะไรนะนั่งนิ่งอย่างเดียวไม่พูดพระอนนร์นี่บวชมานานนะพรรษาท่านเนี่ยเกือบยี่สิบพรรษาแล้วเนี่ยนะพราะท่านบวชหลังที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แค่ปีเดียวท่านก็นั่งนิ่งลําดับนั้นภิกษุทั้งหลายกล่าวกับพระอนนรเถระนั้นอย่างนี้ว่าท่านอานน์ หมู่ภิกษุกราบทูลขอตําแหน่งอุปถาคแม้ท่านก็จงกราบทูลขอบ้างทําไมไม่ขออุปถาคพระพุทธเจ้าล่ะพระอา น, นุ์ก็กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายชื่อว่าการอุปถาคที่กราบทูลขอแล้วได้มาจะเป็นเช่นไรแปลว่าตำแหน่งที่ต้องขอแล้วจึงจะได้ในแหมตําแหน่งยังไงเหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นเราหรอกหรือหากพระองค์จักขอประทยัยพระองค์ก็จักบอกว่าอา น, นุ์จงอุปถาเรา ก็คือสุดแท้แต่ความประสงค์เถอะทําไมพระนนยังกล้าพูดแบบนี้คือถ้าไม่มีใครอุปถาคพระนนเนี่ยจะคอยอุปถาคคือตลอดอยู่แล้วคือพระนนรย์จะคอยสังเกตดูถ้ามีใครอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่แล้วท่านก็ออกห่างๆแต่ถ้าไม่มีใครอยู่ท่านก็จะเข้าไปอุปถาคถ้ามีองค์อื่นอยากจะมาอุปถาคอีกท่านก็ถอยให้แล้วก็เปิดโอกาสให้คนอื่นอุปถาคลักษณะนี้มาตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านยังพูดอย่างนี้ว่าพระ อ, องค์ไม่เห็นเราหรอกหรือ เนี่ยนะหมายเขาว่าก็ก็เข<ๆ>้าเข้าเข้าออกออุปถากอยู่แล้วเนี่ยถึงกับต้องขออนุญาตอุปถากอย่างไงมันก็แม้เหมือนกับว่าพราะองค์ไม่เห็นเราอย่างนั้นแหละพระองค์ก็เลยตรัสว่าพิกสุทั้งหลายอานนท์ไม่ควรให้ผู้อื่นส่งเสริมเพราะอะไรเพราะอานนท์จักรู้ด้วยตัวเองแล้วอุปถากเราคือท่านรู้กําลังของท่านท่านรู้ว่ า, าเวลาไหนเหมาะสําหรับท่านเพราะฉะนั้นพิสุทั้งหลายก็กล่าวบอกท่านพระอนนท์ว่าท่านอนนท์ลุกขึ้นเถิดจงกราบทูลขอตําแหน่ง อุปถากกับพระโทษพลคือเนื่องจากคําว่าอานน์เนี่ยผู้ตโพจน์ที่บอกว่าอานน์ไม่ควรให้ผู้อื่นส่งเสริมจากรู้ด้วยตนเองแล้วอุปถากเราก็แปลว่าพระพุทธเจ้าเปิดทางให้แก่พระอานน์แล้วเนี่ยเท่ากับอนุญาตเป็นในในแล้วท่านพิโสท่านเลยก็เลยเตือนพระอานน์พระอานน์ก็ลุกขึ้นกราบทูลขอพรแปดประการขอพรก่อนนะเรียกว่าก่อนที่จะรับเป็นตําแหน่งเป็นเรื่องเป็นราวนี่ก็ต้องคุยกันก่อนเหมืนกันเถอะเสนอเงื่อนไขก่อน ข้อห้ามสี่ข้อแล้วก็ขอร้องอีกสีข้อข้อห้ามสี่ข้อพระนรนก็กราบทูลขอข้อห้ามก่อนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากพระผู้มีพระภาคเจ้าจักไม่ประทานจีวร อ, อันประณีตที่พระองค์ได้มาแก่ข้าพระองค์พระองค์ต้องไม่จักไม่ประทานบินทบาทจักไม่ให้อยู่ในคันธกุตีเดียวกันรับนิมนต์แล้วจักไม่ไปร่วมกันด้วยประการชนี ข้าพระองค์จักอุปถา พ, พระผู้มีพระภาคเจ้าคือเงื่อนไขยเยอะเหมือนกันนะคือท่านบอกว่าหนึ่งพระองค์ต้องไม่ให้จีวรข้าพระองค์นะสองพระองค์ได้อาหารดีๆมาไม่ต้องแบ่งให้สามต้องไม่นอนกุฏิเดียวกันสี่ถ้าพระองค์รับนิมนต์จากผู้ใดพระองค์นิมนต์ไปองค์เดียวข้าพระองค์ไม่ไปด้วยพระพุทธเจ้าก็ถามว่าดูก่อนอนน์ก็เธอเห็นโทษอะไรในข้อนี้ทาไมจึงจึง เห็นจะต้องเห็นโทษสักอย่างหนึ่งแน่นอนนะะจึงถึงขนาดว่าห้ามไม่ให้ตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้พระอนนก็บอกตรงตามตรงข่าแต่พระองค์ผู้เจริญหากข่าพระองค์จักได้สิ่งเหล่านี้หมายคือว่าจีโวนก็ประณีตบินทบาทก็ประณีตกุฏิอยู่ที่เดียวกันไปรับแต่กินนิมนต์กับพระพุทธเจ้าตลอดอนะคนก็บอกคนก็จะกล่าวหาข่าพระองค์ว่าอนนท์เนี่ยใช้จีโวนอันประณีตที่พระทศพลได้แลว้ว ใช้แต่ผ่าพระพุทธเจ้าฉันก็ฉันแต่บินทบ่า ท, ที่เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าบินทบาาเลี้ยงอ่ะนะกุฏิก็อยู่กุฏิเดียวกันไปสู่ที่นิมนต์ร่วมกันถ้าได้ลาบแบบนี้แล้วอะ่ะจึงอุปถาพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่สมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่แบบนี้อุปถามันจะเป็นเรื่องยากอะไรคนก็จะคอรหาแบบนี้คอรหาแบบนี้ความผิดไม่ได้อยู่กับพระนนทอยู่กับคนที่คอรหาท่านก็สงสารคนอื่นอ่ะนะกลัวคนอื่นเขาจะเปื้อนบาป ท่านก็เลยขอขออนุญาตก่อนว่าขอพระองค์จะได้ประทานพรเหล่านี้เลยเสร็จแล้วพระองค์ก็อนุญาตนะนะเสร็จแล้วพระองค์ก็ถามพระนรินถึงข้อขอร้องว่าพระนรินขอขอร้องอีกสี่ข้อพระนรินก็กราบทูลข้อขอร้องนะนะขอขอร้องพระพุทธเจ้าว่าสงเคราะห์ข้าพระองค์สี่ข้อนี้ด้วยเถิดสี่ข้อก็คืออะไรหนึ่ง หากพระผู้มีพระภาคเจ้าจักเสด็จไปสู่ที่นิมนต์ที่ข้าพระองค์รับเอาไว้แล้วคือถ้าพระผู้ดุเจ้ารับกิจนิมนต์ข้าพระองค์ไม่ไปถ้าหากข้าพระองค์รับกิจนิมนต์ขอนิมนต์พระผู้ดุเจ้าไปด้วยอันไหนข้อสองหากข้าพระองค์จับได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะที่บริษัทธมาจากภายนอกแคว้นภายนอกชนบทเพื่อจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ามาถึงแล้วหมายคือว่าถ้าใครมาจากที่ไกลมหาพระอันนนท์ ถ้าอนน์มีสิทธิ์พาคนเหล่านั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเวลาไหนก็ได้ที่พระอนนต้องการแต่ไม่ใช่ว่าพระอนนจะไม่รบกวนพระองค์พระอนนเป็นกาลันยูนะพระอนน์รู้ว่าเวลาไหนจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นแต่ว่าท่านมีมีสิทธิ์ที่ที่จะพากลุ่มภิกษุภิกษุณีหรือใครก็ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสําหรับผู้ที่มาจากที่ไกลข้อที่สามขณะใดความสงสัยเกิดขึ้นแก่ข่าพระองค์ขณะนั้น ข้าพระองค์จักได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสงสัยเมื่อใดต้องเข้าเฝ้าถามได้เลยข้อสี่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมะข้อใดรับหลังข้าพระองค์ครั้นเสด็จกลับมาแล้วพระองค์ก็ขอให้แสดงธรรมะข้อนั้นแก่ข้าพระองค์ถ้าหากว่าได้ข้าพระองค์ขอร้องสี่ข้อนี้ถ้าพระองค์อนุญาตข้าพระองค์ก็จับอุปถาพระผู้มีพระภาคเจ้า พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามท่านพระนนว่าอนนท์เธอเห็นอนนี้สองอะไรในข้อนี้ทําไมจะต้องขอร้องกันทั้งสีข้อวงั้นพระอนนท์ก็ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกุลบุตรทั้งหลายผู้มีศรัทธาในพระาศาสนานี้เขาเหล่านั้นไม่ได้โอกาสของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือเขาเนี่ยเข้าไม่ถึงพระองค์อ่ะนะเขาย่อมกล่าวกับข้าพระองค์ว่า ท่านพระอนนพรุ่งนี้โปรดรับพิกษสาในเรือนของพวกกระผมพร้อมด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้คือคือบางคนเนี่ยเข้าไม่ไม่กล้าเข้าใกล้พระพุทธเจ้าเลยถ้าคุยกับพระผู้อนุ์ก็ยังชั่วหน่อยแต่ต้องไปสนทนากับพระพุทธเจ้านี่ไม่ไหวล่ะคือคือไม่ใช่ไม่เคารพไม่บูชาเคารพจนพูดไม่ออกว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นถ้าคุยกับพระอนุนก็ยังชั่วพอคุยกันได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาเหล่านั้นไม่กล้านิมนต์พระพุทธเจ้าตรงๆก็จะนิมนต์ผ่านพระอนุนอย่างเงี้ย ถ้าหากว่าขอให้พระองค์เนี่ยเสด็จไปเพราะฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจาักไม่เสด็จไปในที่นั้นตามที่นิมนต์ข้าพระพุทธเจ้าจักไม่ได้โอกาสเพื่อจะชี้แจงกะ บ, บริษัทในขณะที่เขาปรารถนาและเพื่อบรรเทาความสงสัยก็คือคืออธิบายให้เขาฟังไม่ได้ชี้แจงก็ไม่ได้อธิบายก็ไม่ได้เหมือนกับว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าไม่สงเคราะห์เลย หรือบางทีเนี่ยก็จะมีคนกล่าวตำหนิอะไรกันอ น, น์พระอ น, นเนี่ยอุปถากพระพุทธเจ้าแม้ขนาดนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทำการสงเคราะห์แก่พระอ น, น์เดี๋ยวเรื่องจะเสียหายลูกลามใหญ่กลายไปถึงพระพุทธเจ้า อันที่จริงเกี่ยวกับเรื่องอุปถากอุปถากบําำรงเนี่ยนะท่านถือว่าเรื่องใหญ่มากเลยนะจะทะเลาะกันจะเห็นด้วยการสามัคคีหรือไม่สามัคคีแตกแยกหรือไม่แตกแย ก, แ ก, แกเกี่ยวกับเรื่องอุปถากเรื่องชันเรื่องเข้าหาเรื่องเข้าใกล้เรื่องออกไกลนี่แหละมันก็มีเรื่องนี้เรื่องราวใหญ่โตเนี่ยนะลูกรามมีปัญหาทุกยุคทุกสมัยท่านพระนนท์เนี่ยท่านฉลาดมากที่จริงแล้วท่านเห็นปัญหามาแล้วยี่สิบปีเนี่ยนะท่านรู้อยู่แล้วว่ายี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างให้พบให้เห็นเพราะฉะนั้้นนท่าจะตอง เรียกว่าเสนอเงื่อนไขอะไรที่เป็นกติกาอะไรขึ้นมาเนี่ยนะจะได้ไม่มีปัญหาจะได้ไม่ต้องยุ่งยากในตอนหลังส่วนอีกข้อหนึ่งที่บอกว่าอันหนึ่งชนทั้งหลายจักถามข่าพระองค์เหตุผลที่บอกว่าเมื่อพระองค์ไปแสดงธรรมที่อื่นแล้วขอได้โปรดพระองค์เนี่ยกลับมาแสดงธรรมให้ฟังเพิ่มอีกหน่อยอ น, นะกลับมาแสดงธรรมให้อีกรอบหนึ่งเพราะอะไรเพราะชนทั้งหลายเขาจักถามข่าพระพุทธเจ้ารับหลัง พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่ท่านพระอนุนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมะอ่แสดงคาถานี้สูตรนี้ชาดกนี้ที่ไหนหนังนี้หากข้าพระองค์จัดชี้แจงข้อนั้นไม่ได้บอกไม่รู้พระพุทธเจ้าแสดงเรื่องนี้ที่ไหนไม่รู้แม้ถ้าพระอ น, นุพูดว่าไม่รู้อย่างนี้นะอุปถาอย่างไงเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่กล่าวว่าแม้เพียงเท่านี้พระอ น, นุก็ยังไม่รู้ พระอะไรเพราะพระนรนไม่เคยจากพระพุทธเจ้าเที่ยวไปติดตามไปเหมือนเงาตลอดกาลรรนานทำไมถามแค่นี้ก็ตอบไม่ได้น่าจะรู้นะงนั้นนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนที่ข้าพระองค์ไม่ได้อยู่ร่วมด้วยขอให้พระองค์กลับมาถึงแล้วก็แสดงธรรมให้ข้าพระองค์อีกครั้งหนึ่งพระองค์ก็อคือพระนรนเนี่ยไม่ใช่บังคับพระพุทธเจ้านะแต่ขอร้องหมายถึงว่าขออนุญาตนะเพราะว่าอะไรมันเป็นการรักษา พระพุทธเจ้าด้วยรักษาตัวท่านด้วยและรักษาศรัทธาของพุทธบริษัทด้วยไม่ใช่เห็นแก่เล่นแก่สนุกแก่เพลิดเพลิน อ, อะไรทั้งนั้นนะทวนอีกครั้งว่าพระนนขอข้อห้ามสี่ข้อขอร้องพระพุทธเจ้าอีกสี่ข้อเพื่อประโยชน์เนี่ยนะให้ชนทั้งหลายศรัทธาในพระพุทธเจ้าต่อไปและท่านเองก็จะได้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งขรหาหมู่ประชาชนทั้งหลายก็จะไม่เสื่อมจาก บุญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลหลายๆอย่างพระนนจึงอข้อข อ, ขอห้ามสี่ข้อเรียกว่ากันตัวเองออกจากลาบสการะก่อนเป็นสี่ข้อแรกก็คือกันตัวเองออกจากลาบสการะสี่ข้อที่เป็นข้อขอร้องก็คืออะไรเป็นสิทธิของว่าผู้ที่มีผู้ที่ทําหน้าที่อุปถัมภ์ควรจะได้รับสิทธิพิเศษบางอย่างเพราะไม่งั้นเนี่ยได้เป็นคนสนิทพระพุทธเจ้าอย่างไรเป็นคนอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอะไร กลับเหมือนกับว่าอะไรนะเหมือนกับแบบาธาตุในเรือนเบี้ยคล้ายๆกับว่าแม่จาเป็นสุดแท้แต่นายไม่ใช่พระุนนทําด้วยศรัท ธ, ธาและพระพุทธเจ้าก็เห็นด้วยซึ่งพระองค์ก็ประทานตามที่พระนนท์ประสงค์ทุกประการเพราะธาตนนก็รับพรแปประการเหล่านั้นก็ได้ทําหน้าที่อุปถาประจําท่านอุปถาอย่างที่เข้าฝ้าว่าท่านเข้าฝ้าวัะปกตินะวันละสิบแปดครั้งกลางวันเก้าครั้งกลางคืนเก้าครั้ง แต่ไม่เท่มไปแล้วว่าต้องไปนั่งคุยกับพระพุทธเจ้านะไม่ท่านไป ด, ไปนะไป ด, ดูความเรียบร้อยถือถ้ากลางคืนเนี่ยถือคดเพลิงเดินรอบพระขันธกุฏีเนี่ยนะประมาณเก้ารอบประมาณเก้ารอบเนี่ยก็แปลว่าทุกๆสิบห้านาทีเออสีหนาทีด้วยซ้ําไปเนี่ยนะสีิบห้านาทีเนี่ยเรไปดูหน่อยละดูความเรียบร้อยแต่ท่านทําด้วยกายกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาต่อพระพุทธเจ้ า, าอ น, นะอุปถากด้วยกายกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตา อ, อุปถาปกด้วย วจีกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาอุปถาด้วยมโนกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังคือเป็นคนที่อวยพรให้พระพุทธเจ้าตลอดให้พระองค์มีพระชนมายุยืนนานเฮ้สุขภาพดีอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความสุขสบายสำหรับพระพุทธเจ้าพระนนท่านทำทุกอย่างนนะขอว่าขอให้พระพุทธเจ้าอยู่ได้สะดวกอย่างเวลาเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้านะวันไหนที่พระพุทธเจ้าปิดประตูเนี่ย ท่านรู้นะว่าแปลว่าอะไรโซนาตอนเช้ามาเนี่ยประตูกุฏิพระพุทธเจ้าปิดแปลว่าไปบินทบาทกันเลยไม่ต้องรอพระพุทธเจ้าแต่ถ้าหากพระพุทธเจ้าแง้มประตูไว้หน่อยหนึ่งแปลว่าอย่าเพิ่งไปบินทบาทกันนะพระองค์จะาพาไปบินทบาทวันนี้หรือว่าคืออันนี้ยกตัวอย่างนะรายละเอียดเรื่องอื่นๆื่นเนี่ยข้านนท์เนี่ยจะรู้อธยาสายพระพุทธเจ้าเรียกว่าแทบว่าแทบไม่ต้องคุยกันเลยมีต้องพูดคุยบ้างอยู่เช่นพระองค์ยิ้มอย่างเงี้ย ยิ้มเสร็จแล้วก็มีพระรสมีลอยขึ้นข้างบนเนี่ยไม่รู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยพระองค์จะพูดเนี่ยอดีตรหรืออนาคตบางทีเนเหตุการณ์พยักตรัสเล่าเรื่องที่เคยมีในอดีตพระพุทธเจ้าจึงยิ้มบางทีพระองค์กําลังจะพยากรณ์เรื่องบางเรื่องที่จะมีต่อไปในอนาคตพระองค์จึงยิ้มเพราะผ้าโนนอย่างนี้ไม่รู้ผ้านนจะถามแต่ถ้าเป็นเรื่องธรรมดาทั่ ว, วไปเนี่ยผ้านน ล, ลืมคำว่าดูพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าใจแล้วว่าพระองค์ประสงค์อะไร เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วพระอ น, นุนเนี่ยอุปถากพระพุทธเจ้าไม่ใช่ชาติเดียวอุปถาก ม, มาหลายแสนชาติแล้วก็ถือว่าเป็นคนสนิทติดตามไปด้วยกันเนี่ยนะหลายชาติมากเนี่ยนะเป็นทั้งเพื่อนกันเป็นทั้งพี่น้องกันเป็นทั้งเพื่อนรักเป็นทั้งบางทีพระโพธรริสัตว์ออกบวชพระอ น, นุนก็เป็นอุปถากอยู่อย่างเงี้ยเรียกว่าอุปถากกันมาหลายแสนชาติแล้วว่างั้นจะผูกพันกันมาหลายแสนชาติแล้วเพราะฉะนั้น พระนรจึงอุปถากพระพุทธเจ้าด้วยกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังท่านจึงมีความสุขในการอุปถากพระพุทธเจ้าอย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกอย่างทำตามที่พระองค์ประสงค์หมดที่เรียกว่าวางบาตรไว้ข้างทางไปกละทางอย่างนี้ไม่มีกรณีแบบนี้ไม่มีเด็ดขาดแล้วั้นเถอะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยออนุญาตให้พระน น, นีึงเป็นอุปถามประจํา พระอน์นั้นบรรลุผลแห่งบารมีที่บำเพ็ญมาแล้วตลอดเท่าไรแสนกลับตั้งความปรารถนามาแสนกลับเพื่อที่จะมาทำหน้าที่พุทธอุปถาคืออดีตชาติเมื่อแสนกลับที่แล้วสมัยพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระอนุ์ในอดีตชาติเมื่อแสนกลับที่แล้วท่านเป็นน้องต่างมารดา ก, กับพระพุทธเจ้าพระทุกมุตระทีนี้ท่านไปกินเมืองอยู่เมืองอื่น ไปกินเมืองอะนะไปเป็นผู้ว่าราชาการจังหวัดไปกินเมืองไปเป็นเจ้า เ, เมืองอยู่เมืองอื่นมีวันหนึ่งท่านก็อยากจะเข้าเฝ้าพระพุทธปิดาเนี่ยนะก็คือพระพุทธเจา้านะพ่อของพระพุทธเจา้าด้วยคือซึ่งเป็นพุทธบิดาและท่านก็อยากจะเข้าไปเฝ้าพี่ชายของท่านคือพระพุทธเจา้าก็คิดถึงทีนี้ก็มาทีนี้ก็มาผิดเวลามาที่เวลาที่เรียกว่าเขาไม่เฝ้าเข้าไม่เฝ้าพระพุทธเจ้าเวลานี้กัน ถือว่าพระองค์เข้าที่หลีกเกรนแล้วทีนี้ท่านก็ไปถามพิสูจ์ทั้งหลายว่าเนี่ยตอนนี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนบอกอยู่กุติพาอาตมาพาข้าพะเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหน่อยได้ไหมคือคือตัวเองเนี่ยอยู่เมืองไกลใช่ไหมจะเข้าไปดมดมเลยก็กระไดอยู่ก็เลยบอกให้อ่าขอร้องให้พิสูจน์ทั้งหลายเนี่ยช่วยกันอ่าพาพาถ้ำเนี่ยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทีทีนี้พระอนุนอ่าพิสูจน์เหล่านั้นบอกอาตมาทั้งหลายไม่สามารถทําเช่นนั้นได้ ไม่สามารถอยากจะพาใครไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็พาไปเฝ้าเลยได้บอกไม่ได้คือยากถามว่าพระพุทธเจ้าเหมือนใครเหมือนพระเจ้าจั ก, กรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิไม่ใช่ว่าใครอยากจะเฝ้าก็เข้าเฝ้าได้เลยทันทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องโอต้องมีเวลาต้องเรื่องเยอะอ่ะว่า ง, งั้นเถอะเสร็จ แ, แล้วแล้วใครม้างอ่ะที่ที่สามารถพาไปอุปถัมภ์ได้ก็ชี้ไปที่พุทธอุปถัมภ์ท่านก็ไปพระภิกษุที่เป็นพุทธอุปถัมภ์ก็พาท่านเดินตรงไปกุฏิเลย แล้วก็ไปนิมนต์บอกพระพุทธเจ้าค่ามีผู้ที่ประสงค์จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็าออกมาคุยกันแปลกองค์อื่นๆทําไมไม่ทําไม่ได้แต่องค์นี้มีสิทธิทพิเศษอะไรสามารถพาคนอื่นมาเข้าเฝ้าได้เออนึกอยากเป็นแบบนี้บ้างก็เลยอนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันเจ็ดวันเสร็จ แ, แล้วพอฉันเสร็จเนี่ยนะท่านก็ตั้งความปรารถนาหลังจากเจดวันเนี่ยนะก็อพระพระพิสุรูปเนี้ยพิเศษยังไงในพระาศาสนาของพระองค์ ก็บอกว่าเนี่ยท่านเป็นเลิศทางอุปถากพระพุทธเจ้าก็ชื่นชมในเอตทัคคะด้านอุปถาให้ให้น้องต่างมารดาเนีฟังท่านก็เลยขอตั้งความปรารถนาได้เป็นพุทธอุปถากพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอย่างนี้บ้างในอนาคตเสร็จแล้วในชาตินั้นเนี่ยนะท่านไปคอยติดตามดูว่าคนที่เป็นอุปถาพระพุทธเจ้าต้องทําอะไรบ้างท่านคอยสังเกตตลอดเลยนะว่าคนที่จะอุปถากพระพุทธเจ้าต้องทําอะไร ตั้งแต่เช้าจดค่ำเนี่ยก็ติดตามดูพุทธอุปถาเพราะตัวเองในอนาคตจะได้ทำตามถู ก, กว่านั้นก็คอยศึกษาดูก่อนอะไรก่อนเพราะนั้นพระอน์ น, นั้นจึงเป็นผู้เลื่อทางอุปถากเนี่ยนะอันนี้เป็นเป็นอ่าผู้ที่อุปถากนั้นอุปถากนั้นจึงยกมากล่าวเพราะไม่ใช่ว่าปกติทั่วไปเนี่ยนะจะรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแล้วจำเอามาเล่าเรื่อยเปื่อยไม่ใช่ใช่ไหม จะต้องเป็นบุคคลสำคัญจริงๆแล้วก็มีความพิเศษอะไรเลยล่ะอย่างจริงๆอย่าลืมว่าพุทธอุปถาทุกองเนี้ยฉลาดมากพระพุทธเจ้าจตรัสอย่างไรก็จําได้หมดเวลาไหนเมื่ อ, อไรเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรเนือสติปัญญาท่านฉลาดมากนะไม่งั้นเนี่ยพระไตรปิฎกมีไม่ได้ถ้าไม่มีพุทธอุปถาทั้งหลายเหล่านี้อย่างพระไตรปิฎกจะไม่มีเลยนะถ้าไม่มีพระอนุลที่คอยติดตามฟังพุทธโ อ, อ, พ, ธอพุทธพุทธตามที่ต่างๆนนเนี่ยนะนั้นก็ ของพวกเราทั้งหลายก็ถือว่าพระานนนั้นมีอุปการะต่อพวกเรามากเลยนะถ้าไม่มีพระานนทแล้วอริยทรัพย์คือศรัทธานในพระตนะตรัยเราจะมีโอกาสไหมเปอร์เซ็นต์แทบไม่มีเลยมันก็ให้เราเลิกว่าพระานนนั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วทั้นท่านเป็นอะไรเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่น ยี่ยงกว่าอีกแล้วในจำนวนสาวกของพระพุทธเจ้าเนี้มาขึ้นเกี่ยวกับพระพุทธบิดาบ้างนะพระพุทธบิดาซึ่งพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายพระราชาพระนามว่าพระเจ้าพันธุมะเป็นพระพุทธบิดานะพระเทวีนามว่าพันธุมดี เป็นพระพุทธมารดาบังเกิดกล้าวของพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพระนครของพระองค์ชื่อว่าพันธุมดีได้เป็นราชธานีของพระเจ้าพันธุมะนนี้เมื่อเก้าสิบเอ็ดกลับที่แล้วนะส่วนพระราชาพระนามว่าอรุณะเป็นพระพุทธบิดาพระเทวีพระนามว่าวาปภาวดีเป็นพระพุทธมารดาบังเกิดกล้าวของพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีพระนครชื่อว่าอรุณวัฎีได้เป็นราชธานีของพระเจ้าอรุณผู้ผู้พุทธบิดานั่นแหละส่วนพระราชาพระนามว่าสุปฏิตะเป็นพระพุทธบิดาพระเทวีพระนามว่ายศวดีเป็นพระพุทธมารดาบังเกิดกล้าวของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูพระนครชื่อว่าอนุมะ ได้เป็นราชธานีของพระเจ้าสุปติตะนะคือพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีสิขีเวสภูนั้นพุทธบิดาเป็นตระกูลกษัตริย์ส่วนกากุสันทโกนาคามนะกาสะปะนั้นเป็นพราหมณ์ก็บอกว่าพราหมณ์ชื่อว่าอาคิทักเป็นพระพุทธบิดาพรามณีชื่อว่าวิสาขาเป็นพุทธมารดาบังเกิดกล้าวของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระนามว่า กะกสันท้าภิสูจนทั้งหลายพระราชาพระนามว่าเขมะได้มีแล้วโดยสมัยนั้นแหลนครชื่อว่าเขม่วดีได้เป็นราชธานีของพระเจ้าเขมะพราหมณ์ชื่อว่ายัญยทัตเป็นพระพุทธบิดาพรามณีชื่อว่าอุตรราเป็น พ, พระพุทธมารดาบังเกิดกล้าวของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัส ม, มาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ ก็พระราชาพระนามว่าโสระได้มีแล้วในสมัยนั่นแหลพระนครชื่อว่าโสภวดีได้เป็นราชธานีของพระเจ้าโสรภส่วนพรามชื่อว่าพรหมทัตตะเป็นพระพุทธบิดาพรามมณีชื่อว่าธนาวดีเป็นพระพุทธมารดาบังเกิดกล้าวของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ก็พระราชาพระนามว่ากิงกีได้มีแล้วโดยสมัยนั้นแลพระนครชื่อว่าพาราณสีได้เป็นราชธานีของพระเจ้ากิงกีดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพระราชาพระนามว่าสุโทโธทนะเป็นพระพุทธบิดาพระเทวีพระนามว่ามายาเป็นพระชนนีบังเกิดเกล้าของเราในบัดนี้นครชื่อว่ากบิลพัทได้เป็นราชธานีของพระเจ้าสุโทโธธนะด้วยประการชนี นี่เกี่ยวรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธบิดารายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธมารดาในอัตกถาเนี่ยนะซึ่งจะกล่าวรายละเอียดเนี่ยนะมีเรื่องให้กล่าวอีกเยอะมากเลยตอนนี้เริ่มคอแห้งมั่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูดไม่ได้วันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ข้อความในทีขนิกายมหาประธานสูตรที่กล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งเจ็ดพระองค์นะนะพระพุทธเจ้าทั้งเจ็พระองค์นั้นก็คือพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระพุทธเจ้าสิขีพระพุทธเจ้าเวสภูพระพุทธเจ้ากักุสันธะพระพุทธเจ้าโกนาคมณะพระพุทธเจ้ากัสปะแล้วก็รวมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราด้วยในวาระใหญ่ๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงในหมวดแรกนั้น กล่าวถึงเก้าวระใหญ่ด้วยกันเก้วาวระใหญ่นั้นประกอบไปด้วยหนึ่งกับว่าพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั้นเมื่อเก้าสิเสบเอ็ด ก, ก, ก, กับสิกขีเวสภูสามสิบเอ็ดกับกากุสันทโกนาคมาณกัสปะพระพุทธเจ้าของเรานั้นในกับนี้อันนี้วาระที่หนึ่งวระที่สองพระชาติต่างๆว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเกิดในชาติกษัตริย์หรือว่าชาติพราหมณ์ กำหนดโคตก็คือนามสกุลนะว่าพระพุทธเจ้าแต่ละองนั้นมีโคตอะไรบ้างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นมีพระชนมายุนานขนาดไหนพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้นะตรัสรู้สถานที่ตรัสรู้นั้นตรัสรู้ที่ไหนคู่พระสาวกของพระพุทธเจ้านั้น อ, อยู่ที่ไหนมีชื่ออะไรบ้างประชุมสาวกมีกี่ครั้งพระองค์มีพิสูรูปใดเป็นพุทธอุปถาษ และพุทธบิดาพุทธมารดาทั้งหลายวาระใหญ่ๆนั้นจึงมีอยู่9ก้าวาระในหน้าแปดสิบแปดกล่าวว่าจึงอยู่เมื่อบุตรสมควรแก่ตระกูลและวงหนึ่งของพระโพ ธ, ธิสัตว์ทั้งปวงเกิดแล้วควรออกบวชนี้แลเป็นวงนี้เป็นประเพณีหมายคือว่าะจะต้องมีผู้สืบทอดวงหมายถึงต้องมีโอรสก่อนนะมีโอรสคู่ควรแก่ชาติตระกูล เมื่อมีโอรสแล้วนั่นแหละพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จึงจะออกบวชนะเน้นพิเศษอันนี้เฉพาะชาติสุดท้ายนะถามว่าเพราะเหตุไรเพราะว่าการอย่างลงสู่คันพระมารดาของพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพระสัพพัญญูทั้งหลายมีปาฏิหารอย่างไรดังได้กล่าวแล้วในตอนก่อนว่าถ้าหากว่าเมืองเกิดพุทธบิดาพุทธมารดาพระยาบุตร ของพระโพธิสัตว์เหล่านั้นไม่ปรากฏเมืองเกิดบิดาบุตรของบุคคลเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏคือถามว่ามีความจําเป็นอะไรหนอจึงต้องเอาแสดงว่าพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เกิดที่เมืองไหนมีใครเป็นพ่อมีใครเป็นแม่มีใครเป็นภรรยามีใครเป็นลูกถ้าหากว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่มีอยู่ไม่ปรากฏคนจะคิดว่าเออนี่เทวดามาเกิดขอไปขอไปไม่ใช่เทวดามาเกิดนี่เทวดาอวตารลงมา หรือเทวดาจำแรงมาอาจจะเป็นเท้าส ก, ก่าก็ได้อาจจะเป็นพรมก็ได้ก็เลยคิดว่าไอปาฏิหาริ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นของเทวดาทั้งหลายโอ้ถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถ้าเป็นของเทวดาไม่ใช่สิ่งที่น่าอาศัศจรรย์อะไรก็เลยไม่คิดว่าโอ้ปาฏิหาริ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าไม่เห็นน่าสนใจอะไรสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็ไม่เห็นน่าสนใจเพราะเป็นเรื่องของเทวดา นะไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของเทวดากราบไหว้ท่านก็พอไม่ต้องไปศึกษารายละเอียดไม่ต้องไปปฏิบัติตามอะไรเพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของเทวดาเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าไม่เกี่ยวอะไรกับเราพราะเมื่อคนเนี่ยนะไม่น้อมใจเชื่อในพระพุทธคุณไม่น้อมใจเชื่อในบารมีที่พระองค์สร้างมาจนถึงความเป็นพระพุทธเจ้าไม่น้อมใจเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่น้อมใจเชื่อในธรรมที่พระองค์สอนว่า ปติบัติตามแล้วพ้นทุกได้จริงเมื่อไม่เชื่ออย่างนั้นจะไงเขาจะตรัสรู้ได้ไหมแม้แต่ศรัทธาในธรรมวินัยนี้ก็ยังไม่มีสัจทินทรีย์ในธรรมวินัยนี้ก็ยังไม่มีแล้วอินรีห้าจะประชมการตรัสรู้ได้อย่างไรเพราะว่าการตรัสรู้ธรรมนั้นไม่สามารถตรัสรู้โดยอินทรีย์ใดอินทรีย์หนึ่งข้อใดข้อหนึ่งข้อเดียวไม่ได้จะต้องตรัสรู้รรโดยอินรีย์ทั้งห้าประการ หรือโดยพ่อชงเจ็ดประการหรือโดยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดพันเมื่อไม่มีศรัทธาทั้งกระต้นแล้วการตรัสรู้ก็มีไม่ได้เมื่อไม่มีการตรัสรู้การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าในโลกก็ไม่มีประโยชน์ น, นะมีประโยชน์อะไรบ้างสร้างบารมีมาตั้งสี่อสงไขยแสนกับช่วยใครให้ตรัสรู้ไม่ได้แม้แต่คนเดียว น, นะก็ไม่สมความปรารถนาใช่ไหมถ้าหากว่าน้อมเพื่อจะตรัสรู้แต่เพียงผู้เดียวก็ตรัสรู้ได้แล้ว เมื่อสี่อสงไขยแสงกลับแต่ก็เพราะมีปณิธานมีอัตยาศัยมีความตั้งใจที่จะช่วยให้เขาตรัสรู้เมื่อไม่มีผู้ใดตรัสรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็ไม่นําออกจากทุกได้จริงนิยานิกรธรรมที่พระองค์บอกว่าธรรมที่พระองค์สอนเป็นคําสอนที่นําออกจากทุก์ได้จริงเมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติตามเอาใครมาออกจากทุกได้ฟันพระพุทธเจ้าก็ไม่ชื่อว่าผู้ตรัสรูด้ดีพระธรรมก็ไม่ชื่อว่าเป็นธรรม อันดีเพราะฉะนั้นการพูดถึงตระกูลการพูดถึงวงของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะอันนี้มีความจําเป็นมากมีความจําเป็นที่จะต้องพูดถึงประเพณีพูดถึงวงอั น, นันนบตั้งแต่อะไรมีใครเป็นบิดามีใครเป็นมารดามีใครเป็นภริยามีใครเป็นบุตรเกิดที่เมืองไหนอายุเท่าไหร่จึงออกบวชบวชบําเพ็ญเพียรอยู่กี่วันจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ชื่อว่าเกื้อกูลให้สัตว์ทั้งหลาย เงี้ยสดลงฟังว่าเออท่านท่านจริงๆท่านก็เป็นมนุษย์เช่นเ่นกับเราเนี่ยนะท่านก็ปฏิบัติภาพเพียรด้วยความพยายามท่านมีโยนิสโสมนั ส, สการท่านมีการคข้ครวนเพราะฉะนั้นขนาดท่านก็ทำได้และท่านก็เอาวิธีการเหล่านั้นมาสั่งสอนเราเราก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้เมื่อมีการปฏิบัติตามได้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็มีประโยชน์พระธรรมที่พระองค์สอนก็นาออกจาก พุได้จริงมั้นพระพุทธเจ้าจึงน่าอัศจรรย์พระธรรมก็น่าอัศจรรย์ผู้ที่ปฏิบัติตามแ ล, ล้วตรัสรู้ตามได้ก็น่าอัศจรรย์เนี่ยนะเพราะนั้นก็การประโยชน์การเกิดขึ้นแห่งประโยชน์ก็มีขึ้นอย่างนี้แหลเพราะฉะนั้นจึงมีการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรเมืองเกิดพ่อแม่ญาติพี่นอ้องนะสาวกอะไรทั้งหลายและองค์ประกอบเหล่านี้นะเพื่อให้เกิดศรัทธานั่นเอง ทีนี้พูดถึงโอรสของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เนี่ยนะว่าพร ะ, ะพระโพธิสัตว์เจ็ดพระองค์เนี่ยนะมีโอรสโอรสของท่านก็มีใครบ้างหนึ่งสมะวะตัตตะขันทะอตุละสุ ป, ปะพุทธอุตรัสัทวาหะวิชิตเสนะราหุนเป็นที่เจ็ดนะนะสมะวะตัตตะขันทะ น, นี้ก็เป็นโอรสของพระวิปสัสสีอตุละก็เป็นโอรสของพระสิกขี สุปปาผูท้าก็เป็นโอรสของพระเวสสภูอุตระก็เป็นโอรสของพระพุทธเจ้ากากูสันทะสัทธวาหะก็เป็นโอรสของพระโกนาคมณะวิชิตเสนะก็เป็นโอรสของพระกัสปะพระราหุนเป็นโอรสของพระโพธิสัตว์ของเราในบรรดาบุตรเหล่านั้นเมื่อเจ้าชายราหุนประสูติพวกราชบุรุษก็ น, นําหนังสือเนี่ยหนังสือแจ้งข่าวหนังสือบอกข่าวมาวางไว้บนพระหัตถ์ของพระมหาบุรุษ ครั้งนั้นความสิเนหาสิเนหาโดยสัพแปล ว, ว่าความเยื่อใยความอาลายัยอาวรอย่างเหนียวเนี่ยนะฉันทราคะเนี่ยเกิดขึ้นในพระอรุรสไอ้ตันหาฉันทราคะอันนี้นี่แหละที่ทําให้ร่างกายทุกส่วนของพระมหาบุรุษนี้ทราบสั้นนะเขบอกว่าตันหาที่เกิดพร้อมกับปีติเนี่ยนะตันหาอันนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้ทราบสั้นเหมือนกับว่าปลาปลืม้มนะสิเนหาความอาไลาอาวอนเนี่ยนะ มันครอบงําท่วมทับจิตพระมหาบุรุษก็คิดว่าเมื่อบุตรเกิดเพียงคนเดียวความสิเนหาความอาลัยอาวรนความเยื่อใยของเราในบุตรยังเป็นถึงเพียงนี้ถ้าหากว่าเราจะมีบุตรกว่าพันคนเนี่ยนะในบุตรเหล่านั้นเมื่อคนหนึ่งเกิดผูกพันด้วยสิเนหาเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้หัวใจจะแตกสลายแน่แท้หมายคำ ว, ว่าด้วยอํานาจความรักความเยื่อใยความอาลัยอาวรน คนที่มาเกิดทุกคนมันไม่ใช่อายุยืนกันทุกคนใช่ไหมถ้าลูกตายก่อนแล้วพ่อไม่แหมพ่อเนี่เครียดตายแน่มา ง, งั้ น, น่ะพราะอะไรเพราะว่าคนที่พ่อลูกตายแล้วกลายเป็นบ้าก็มีอยู่ให้เห็นในโลกนี้ถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดจากอะไรก็เกิดความเกิดจากความรักความผูกพันเกิดจากความเสน่หาในลูกนี้ขนาดลูกคนเดียวเรายังทุกขนาดนี้มา ง, งั้นฮะทุกแน่ว่าไม่ต้องหาไม่ต้องห่วงอะเพราะ พระองค์ก็เลยตรัสว่าห่วงนี่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วเครื่องผูกพันนั้นเกิดขึ้นแล้วอันนี้คําว่าห่วงนี่แหละพระเจ้าสุโธธนะได้ยินว่าห่วงเกิดขึ้นแล้วก็เลยตั้งชื่อล้านว่าราหุนราหุนนี่แปลว่าห่วงหรือว่าเครื่องผูกพันได้เกิดขึ้นแล้วส่วนมารดาของบุตรหรือมารดาของพระโอรสทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะอย่างเช่นพระนางสตนาเป็น ภรยาของพระมหาบุรุษวิปัสสีพระนางสัพพกามีเป็นภรยานะเป็นมเหสีของนะพระมหาบุรุษสิกขีพระนางสุจิตาก็เป็นมเหสีของพระเวสสภูพระนางโรจณีเนี่ยนะก็เป็นมเหสีของพระกัปุสันทะพระนางรุจจติณีเนี่ยนะก็เป็นมเหสีของพระโกนาคมณะพระนางสุนันทาเป็นมเหสีของพระ กสปะพระนางพิมพ์พาเป็นองค์ที่เจ็ดมเหสีของพระสิทธัตถะเนี่ยนะก็คือพระพุทธเจ้าของเราก็เมื่อพระนางพิมพาเทวีนั้นเมื่อราหุลกุมารประสูติก็ได้ปรากฏชื่อว่าราหุลมารดาหลังจากนั้นจะไม่เรียกว่าพระนางยาโสธราพิมพาแต่เรียกว่าราหุลมารดาก็คือแม่ของพระราหุลเนี่ยนะนี่เกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการกําหนดพระยาให้เป็นเหตุให้รู้ว่าพระโพ ธ, ธิสัตว์เนี่ยท่านก็มีลูก พระโพธิสัตว์ท่านก็มีภริยาแต่ท่านก็ตัดตันหาตัดสันทราคะละอกุโสลธรรมทั้งหลายจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าส่วนญาณเนี่ยนะญาณก็คือญาณพาหนะที่นําเอาไปบวชเนี่ยนะขณะที่ออกบวชพระโพธิสัตว์สององค์คือพระวิปัสสีเมื่อเก้าสิบเอ็ดกับและกกุสันทะต้นกับเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสองพระองค์นี้เสด็จขึ้นรถเทียมด้วยม้าอาชาในเสด็จออก มหาพิเนสกรงตอนออกบวชนี้ขึ้นรถม้าออกบวชเหมือนกันพระโพธิสัตว์สององค์คือพระสิกขีและพระโกนาคมณนะประทับบนคอช้างตัวประเสริฐออกพนดนะขี่ช้างไปบวชนะนะส่วนพระเวสสภูโพธิสัตว์ประทับนั่งบนวอทองออกบวชพระกัสปะนั้นนั่งบนพื้นปราศาสหมายถึงว่าอยู่บนปราสาสและเจริญฌานเจริญอานาปานาสติเนี่ยนะ จนได้จดตุตระชานให้เกิดออกจากฌานและกระทําฌานให้เป็นบาทอธิษฐานว่าปราสาทของเราจงไปยังโพที่มัทสถานหรือว่าปราสาทนี่ลอยไปที่โพที่มณฑ น, นก็เรียกว่าขี่ปราสาทนี่แหละขี่บ้านออกบวชเลยนะปราสาทก็ไปทางอากาศแล้วอย่างลงนะใกล้ๆโพที่มณฑนเนี่ยนะใกล้ๆที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตัสรู้พระมหาบุรุษคือพระโพธิสัตว์เอ่อขออภัยพระกัสสปะ โพธิสัตว์เนี่ยนะลงจากปราสาทนั้นแล้วประทับนั่งบนพื้นทรงอธิษฐานว่าปราสาทจงไปตั้งอยู่ณที่เดิมเสร็จแล้วปราสาทนั้นก็กลับไปตั้งอยู่ที่เดิมแม้พระมหาบุรุษก็ประกอบความเพียรรวบรวมโพธิปักจัยธรรมตลอดเจดวันประทับนั่งนะโพธิบัลังก็ได้ตรัสรู้พระสัพพัญญุตยานเนี่ยนะเป็นพระพุทธเจ้าในวันที่เจ็ดหลังจากบำเพ็ญเพียรรวบรวมพุทธอรวบรว ม, รว ม, รว ม, รวม คุณธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าก็คือการละนิวรหา้านะการละนิวรห้าที่ทําจิตให้ทุรพลเจริญโพชงเจ็ดนะเพราะว่ามีสติดํารงมั่นในสติปฐานสี่เจริญโพชงเจ็ดก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้สําหรับพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะประทับบนม้ากันตะออกผนวดอันนี้เกี่ยวกับเรื่องญาณก็คือขี่ม้าออกบวชนั่นเอง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 เพื่อที่จะซื้อสร้างที่อยู่ถวายเนี่ยซื้อสถานที่ตรงนี้เนี่ยถวายก็ใช้ทองคําไปกี่ตันเนี่ยใช้ทองคํามากมาย ก, กว่าจะซื้อที่สร้างวัดถวายเป็นพุทธบูชาบูชาพระทรงทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสําหรับเศรษฐีอุปถากของพระพุทธเจ้าสิกีเนี่ยนะปูด้วยผานไม้เศร้าทองคําแล้วก็ใช้ไม้เศร้าทองคำเนี่นะ เป็นราคาในการเรียกว่าเป็นตัวทรัพย์สินในการซื้อสถานที่ถวายแดย่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกีส่วนเศรษฐีอีกท่านหนึ่งอะนะที่เป็นเศรษฐีอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเวสภูนั้นให้ทําเท้าช้างเนี่ยนะทำทำเป็นรูปบล็อกเป็นคล้ายๆเท้าช้างของคำเนะี่ยปูโดยขวางนะซื้อสถานที่ถวายแดย่พระพุทธเจ้าเวสภู ส่วนเศรษฐีอุปถากของพระพุทธเจ้ากับกูสันทะนั้นปูด้วยอิดทองคำคลายคลายกับพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั่นแหละปูถวายพระพุทธเจ้ากับปูสันทะส่วนเศรษฐีอีกท่านหนึ่งก็ปูด้วยเต่าทองคําะนะเป็นค่าซื้อสถานที่ถวายพระพุทธเจ้าโกนาคามนะเศรษฐีอีกท่านหนึ่งก็ปูด้วยทองแท่งนะเอาทองแท่งเนี่ยนะมาปูเป็นการซื้อที่ถวาย พระพุทธเจ้ากัสสปะส่วนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะปูกรหาปณะมีเครื่องหมายซื้อถวายแด่พระพุทธเจ้าของเราก็ใช้ประมาณเท่าไหร่ซื้อที่สิบแปดโกดเนี่ยนะเอาไปเกลียเอาไปปูบริเวณสถานที่ซื้อเนี่ยซื้อเจ้าเชตซื้อเจ้าเชตนั้นหมดทั้งหมดอ น, นะค่าซื้อสถานที่นั้นก็ประมาณสิบแปดโกดเนี่ยนะในการสร้างวิหาร อุปถากผู้ซื้อพื้นที่ที่ถวายเป็นพระวิหารแด่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่ละองค์ะนะชื่อของเศรษฐีอุปถากเช่นเศรษฐีที่อุปถากพระพุทธเจ้าวิปัสสีชื่อว่าปุณัตถสุมิตรนะเจ้าของวัดที่สร้างวิหารถวายเป็นพุทธบูชาส่วนเศรษฐีสิริวัฒนเนี่ยนะสิริวัถนผู้เจริญด้วยสิริเนี่ยซื้อพื้นที่ถวายพระพุทธเจ้าพระนามว่า สิขีเศรษฐีชื่อว่าโสธยาซื้อที่ถวายพระพุทธเจ้าเวสภูเศรษฐีอัจจุตะซื้อสถานที่ถวายพระพุทธเจ้ากะกุสันทะเศรษฐีอุคขาซื้อที่ถวายพระโกนาคมาณะพุทธเจ้าเศรษฐีสุมานณะซื้อที่ถวายพระกัสปะส่วนเศรษฐีสุทตัตตาใ น, นชื่อจริงชื่อว่าสุทตัตตาแต่เนื่องจากว่าให้ทานแก่คนยากมากก็เลยชื่อว่า อนาถะบินทิกะเนี่ยนะเรียกะว่าก้อนข้าวของคนอนาถาทั้งหลาย น, นะจริงชื่อเดิมท่านชื่อวสุทตะนะซื้อสถานที่ประมาณสิบแปดโกธถวายเป็นพุทธบูชาบูชาพระพุทธเจ้าของเราอันนี้พูดถึงวาระว่าด้วยเศรษฐีมหาสารเศรษฐีที่ร่ำรวย น, นะที่เป็นผู้บำรุงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพิสุสงเป็นนิดเนี่ยนะส่วนมีสถานที่อีกสี่แห่งเนี่ยนะที่ พระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ละเว้นไม่เว้นเลยเนี่ยนะคือสถานที่จะเว้นเสียมิได้ไม่สามารถขาดได้สถานที่สี่แห่งก็คือโพธิบัลลังก์ของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะเว้นไม่ได้แม้แต่องค์เดียวเพราะนั้นบริเวณตำแหน่งที่พระพุทธเจ้ากะปูสันทโกนาขามนะกัสปะพระพุทธเจ้าของเราหรือพระพระเสียริยะเมตไตรจะตรัสรู้ข้างหน้าก็ตรัสรู้ในสถานที่เดียวกัน ต้นไม้เว้นได้ไม่จําเป็นต้องต้นเดิมนะต้นอื่นๆเช่นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนต้นไซพระพุทธเจ้าของเราต้นโพโอย่างเงี้ยก็คือพละต้นกันหรือสถานที่ที่แสดงพระธรรมจักรในป่าอิสิปตนะมฤุกขทยายวันเว้นสถานที่ตรงนั้นไม่ได้เป็นที่เดียวกั น, นสถานที่ประทับนั่งแสดงพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรและ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 แต่เมืองเนี่ยนะเมืองเนี่ยไม่จำกัดว่าจะต้องตำแหน่งอยู่นะณจุดตรงนั้นอย่างเช่นว่าบางครั้งเนี่ยนะเมืองอยู่ทิศตะวันออกวัดอยู่ด้านทิศตะวันตกนะมีอยู่ครั้งหนึ่งบางทีเมืองอยู่ทางทิศใต้วิหารอยู่ทิศเหนือบางทีเมืองอยู่ทิศตะวันตกวัดอยู่ด้านทิศตะวันออกบางทีเมืองอยู่ด้านทิศเหนือวัดอยู่ด้านทิศใต้อย่างเช่น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 แต่ว่าไม่มีค่าก็ไม่นะ้ันหายไปเยอะเลยอยู่น้อยนิดเดียวนะนพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกอนั้นเกิดในพระสมัยที่ชนทั้งหลายมีอายุยืนมากนะก็ แ, ะแสดงว่าแต่ละยุค ข, ของพระพุทธเจ้าที่มาเกิดนั้นอายุไขไม่ไม่เหมือนกันเพราะบางองค์แต่ว่าอยู่ในระหว่างไม่เกินกว่าแสนไม่ต่ำกว่าร้อยเนี่ยนะก็อยู่ในระหว่างนี้แหละ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 กษัตริย์ถ้ายุคไหนเขานับถือพราหมณ์มากแม้แต่กษัตริย์ก็ยังนับถือพราหมณ์ยุคนั้นพระโพธิสัตว์ก็จะเกิดในตระกูลพราหมณ์ความเพียรรวบรวมโพธิปัจจะธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นั้นไม่เหมือนกันบางพระองค์เนี่ยสั้นมากใช้เวลาเพียงเจ็ดวันนับแต่วันออกบวชเจดวันก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วบางพระองค์ก็ยาวนานมากเช่นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนะ พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี่ก็ใช้เวลาภาพเพียรพยายามอยู่หกปีในการรวบรวมโพธิปัจจะธรรมจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพันบางองค์สิบเดือนบางองค์เก้าเดือนบางองค์แปดเดือนเจ็ดเดือนหกเดือนเนี่ยนะก็แตกต่างกันไปแต่พระพุทธเจ้าพระนามวัคคสปานี่เจ็วันเนี่ยนะเพราะว่าอินทรีย์ของพระองค์นี้แก่กล้ารัศมีรัศมีคือพร ะ, ะรังสีที่แผ่ซ่านออกจากพระวรากาย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 แผ่ไปหมื่นโลกธาตุเป็นนิดอันนี้เป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแต่ในด้านพระพุทธคุณทั้งหลายมีอรหันตคุณเป็นต้นไม่มีความแตกต่างกันเลยว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระพุทธเจ้าทุกองต้องเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้แจ้งโลกนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นต้องเป็น สารธีผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่ามีพระนามเรียกขานกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมมรร ต, ตนะเป็นพระตถาคตเป็นต้นเนี่ยนะท่านพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นมีพระพุทธคุณทั้งหลายไม่มีความแตกต่างกันเลยเหมือนทองคําที่มาจากเบ้าล้อมเบ้าเดียวกันเนี่ยนะหักตรงกลางฉะนั้นไม่มีความแตกต่างกันในด้านเนื้อในว่างั้น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 ทุกประการเนี่ยนะของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นั้นไม่มีความแตกต่างกันนะนะเสมอกันด้วยพระพุทธคุณทั้งหลายแต่ว่าแตกต่างกันเรื่องอะไรเรื่องเกิดในยุคสมัยเรื่องอายุไขแตกต่างกันในเรื่องปริมาณส่วนสูงแห่งสิริร่าชาติตระกูลใช้เวลารวบรวมโพธิปัจจะธรรมให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพุทธรังสีที่แผ่ซ่านออกจากผวรกายเนี่ย น, นี้แตกต่างกันบ้าง ต่อไปว่าส่วนสหาชาติบุคคลและสิ่งของที่เกิดร่วมกันหรือเกิดพร้อมกันกันกบพระสัพพัญญูโพธิสัตว์เช่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะมีสิ่งที่สิ่งและบุคคลสิ่งก็คือสิ่งของสิ่งของและบุคคลที่เกิดพร้อมกันเนี่ยนะมีอยู่เจ็ดอย่างด้วยกันคือพระราหุลมารดาก็คือแม่พระราหุลหมายถึงพระนางยโสธราพิมพานั้นถือว่าคลอดพร้อมกัน พระอนนทเทระนี่ก็ถือว่าคลอดพร้อมกันกับพระพุทธเจ้าพระฉันนะม้าคันตกะและกาลุทายีอมมาตเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้เกิดพร้อมกันคลอดพร้อมกันกับพระพุทธเจ้าหรือพร้อมกับพระโพธิสัตว์ส่วนสิ่งของที่เกิดพร้อมกันอุบัติเกิดขึ้นพร้อมกันกับพระโพธิสัตว์ก็คือหม้อขุมทรัพย์และต้นมหาโพต้นไม้เป็นที่ประทับนั่งตรัสรู้นั้นโดยร่างกายนั้นเกิดพร้อมกันนะ ทนี้เกี่ยวกับเรือกยามเนี่ยนะใครที่ถือถือเรือกถือยามว่าเออเนี่ยคนที่มีเรือมียามอย่างนี้มีจริงไหมบอกว่าพระมหาบุรุษปฏิสนธิในพระคันของพระพุทธมารดาตอนที่ปฏิสนธิในพระคันหนึ่งตอนที่ออกบวชเนี่หนึ่งแสดงพระธรรมมาจักรอีกหนึ่งทำยมกะปาติหานี่อีกหนึ่งสี่ประการเนี่ยจะวันเดียวกันคือวันไหน วันเพ็ญเดือนแปดที่เรียกว่าเลิกอุตตราสาระหะก็หมายคา็ว่าวันอาสารหะปุรมีก็คือวันเพ็ญเดือนแปดนั้นวันเพ็ญเดือนแปดนั้นเป็นวันที่พระองค์ปฏิสนธิในพระคันพระพุทธมารดาเป็นวันที่พระองค์ออกบวชเป็นวันที่พระองค์ประกาศพระธรรมจักรเป็นวันที่แสดงยมกะปาฏิหารเพื่อขึ้นไปแสดงอภิธรรมที่เทวโลกเนี่ยนะเป็นวันเดียวกัน ส่วนประสูตรัสรูและปรินิพานตอนคลอดตอนตรัสรูอริยสัจ ต, ตอนที่ดับขันทปรินิพานในเลิกเดียวกันก็คือวันเพ็ญเดือนหกหมายถึงวิสาขะวันเพ็ญเดือนหสําหรับการประชุมพระอัครสาวกเนี่ยอขอไปประชุมอริยาสาวกเรียกว่าสาวกสานิบาตและปลงอายุสังขารเนี่ยนะโดยเลิกเนี่ยคือมาฆาเลิกหมายถึงวันเพ็ญเดือนสามวันเพ็ญเดือนสามเป็นวันที่ประชุมสาวก อันนี้อรหันตสาวกทั้งหลายแล้วก็ p r o อายุสังขารเพื่อจะดับขันธปรินิพานนั้นเลิกมาคะหมายถึงวันเพ็นเดือนสามนั่นเองส่วนเสด็จลงจากเทวโลกโดยเลกอาศัยยุชะหมายถึงอะไรวันปวารณาออกพรรษาเนี่ยนะวันปวารณาออกพรรษาอันนี้เรียกว่าวาระหลากหลายนีนะวาระที่มากหลายอันนี้เกี่ยวกับเรื่องถ้าใครเชื่อเรื่อง อาจจะตรวจดูดวงเนี่ยนะเขาก็มีบางท่านเขาบอกว่าเพ่สงสัยว่าคนที่มีดวงแบบเนี้มีจริงหรือก็ก็มีการตรวจดูดวงว่าเออบุคคลที่มีดวงแบบนี้เนี่ยสมควรแล้วที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่าง น, นั้นี่ก็เลยให้ดูเลิกไปเลยเนี่ยนะว่าใช่หรือไม่ก็ไปตรวจเอาแล้วกันแ้่ตรวจคําสอนนี่ก็พอแล้วนะศึกษาคําสอนไปเถอะเนี่ยนี่อันนี้หลังจากที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์หรือว่าตรัสเล่า เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าวิปัสสิสกีเวสภูกกคูสันทะโกนาคมนะกัสปะและพระพุทธเจ้าของเราแต่ว่าพระองค์แต่ละองค์นั้นเกิดในกับไหนนะพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นั้นมีชาติตระกูลเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นั้นมีโคดคือนามสกุลอะไรพระองค์แต่ละองค์นั้นมีพระชนมายุในยุคสมัยไหนเท่าไหนต้นไม้แต่ละแต่ละ พระองค์ที่ประทับนั่งตรัสรู้ต้นอะไรบ้างคู่พระอัครสาวกเนี่ยนะสาวกซ้ า, กายขวาของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นั้นมีชื่อว่าอย่างไรสาวกสันนิบาตการประชุมอรหันตสาวกที่บวช ด, ด้วยเอหิพิคุอุปสัมเพทามาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายและท่านเหล่านั้นเป็นท่าอรหันตทั้งหมดที่มาร่วมประชุมกันเนี่ยนะมีกี่ครั้งแต่ละครั้งมีจํานวนเท่าไหร่และ ปพุทธอุปถาคเนี่ยนะผู้ที่อุปถาคประจำพุทธสํมนาคเนี่ยของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์มีชื่อเช่นใดพระพุทธมารดาพระพุทธบิดาพระนครเป็นที่เกิดของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยชื่อว่าพุทธบิดาชื่ออะไรพุทธมารดาชื่ออะไรเมืองชื่อเมืองอะไรทีนี้หลังจากที่พระองค์ตรัสพยากรณ์ด้วยด้วยอนุภาพแห่งโอเพนิวาสานุสติยานประกาศ พุทธวงศ์อย่างนี้แล้วพระองค์ก็เข้าพระคันธกุตีคือลุกจากอาสนะเข้าพระวิหารก็คือเข้าไปที่พักครั้งนั้นแลเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้วไม่นานอันนี้ในข้อสิบหน้าแปดพระพิสุเหล่านั้นได้สนทนากันขึ้นในระหว่างทางระหว่างนี้ว่าน่าอัศาจรรย์ผู้มีอายุทั้งหลายอัจฉริยะเนี่ยนะน่าอัศาจรรย์เครียกว่าพระพุทธเจ้านี่น่าอัศาจรรย์เรียกว่าพระพองค์นี่น่าอัศาจรรย์มาก ไม่เคยมีมาแล้วผู้มีอายุทั้งหลายหมายความว่าเป็นอภูตรธรรมเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยเคยเห็นเคยได้ยินไหมบุคคลเช่นนี้มาก่อนบุคคลเช่นนี้น่าอัศจรรย์ทั้งหมดในโลกเนี่ยไม่มีใครเช่นกับบุคคลนี้เลยและบุคคลเช่นนี้ไม่เคยมีแล้วมามีขึ้นก็ได้ว่าน่าอัศจรรย์กับไม่เคยมีมาพระตถาคตเนี่ยนะต้องทรงมีฤทธิ์มากพระองค์นั้นมีอนุภาพมาก คือความรู้ความสามารถขนาดนี้นี่แหละจึงจะสา ม, มารถระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วถ้าไม่เก่งขนาดนี้นะหมาจะไประลึกได้ยังไงในพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วที่ปรินิพานไปแล้วนะไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะและพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ตัดทำเครื่องทำให้เนิ่นช้า หรือทำที่ขยายวะตะัตตาหมายถึงตันหามานะทิฐิได้เสร็จสิ้นแล้วพระองค์นั้นมีวะตะอันตัดขาดแล้ววะตะาหมายถึงตัดอะไรตัดกุศลและตัดอกุศลเสร็จสิ้นแล้วพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์นั้นครอบงําวะตะคือครอบงํากรรมได้หมดสิ้นแล้วนะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยล่วงสรรับพทุกข์ทั้งปวงแล้วเพราะอะไรล่วงพ้นจากชาติชารามรณะหมดแล้ว พระพุทธเจ้าเนี่ยนะพอองค์มีฤทธิ์มากมียนุภาพมากสามารถพยากรณ์พระพุทธเจ้าเหล่านั้นโดยพระชาติพระองค์ได้เกิดชาติอะไรมีโดยพระนามมีชื่อว่าอย่างไรมีโคตรอย่างไรโดยปริมาณแห่งพระชนมายุเป็นอย่างไรคู่พระอัศอครสาวกเป็นอย่างไรประชุมสาวกหรือว่าสาวกสันนิบาตเนี่ยเป็นอย่างไรเพราฉนถ้าไม่มีความรู้ความสามารถขนาดระดับพระพุทธเจ้า จะเป็นไปได้ยังไงนาะจึงจะสามารถเอามาพยากรณ์เอามาเล่าแบบนี้ได้ว่าเล่าว่ายังไงว่าแม้ด้วยเหตุแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยได้มีชาติเช่นนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นน่ะเหล่านั้นมีพระนามเช่นนี้แม้ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นได้มีพระโคตเช่นนี้แม้ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นจึงได้มี พระศีลเช่นนี้แม้ด้วยเหตุเหล่านี้หรือเหตุแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นเนี่ยมีธรรมะเช่นนี้แม้ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นจึงได้มีพระปัญญาเช่นนี้แม้ด้วยเหตุแม้นี้เนี่ยนะด้วยเหตุแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นจึงได้มีพระวิหารธรรมเช่นนี้แม้ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นได้มีวิมุตตเช่นนี้ หมายความว่าถ้าไม่มีความรู้ความสามารถขนาดนี้เนี่ยโอ้ใครนาะจะไปรู้ได้นะก็อย่าลืมว่าการระลึกชาติการอย่างรู้อดีตทั้งหลายของนักบวชนอกาศาสนาที่ได้ชาณาพัญญาระลึกชาติได้เหมือนกับอะไรระลึกชาติในอดีตได้ถ้าเปรียบแสงสว่างนี้ใช้แสงสว่างระดับไหนแสงหิ่งห้อยถ้าภาษาวกทั้งหลายทั่วไปก็เหมือนกับคบเพลิงนะเหมือนกับประทีปหรือคบเพลิงสว่างสว่าง ถ้าของพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหมือนกับดวงจันทร์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหมือนอาทิตย์หนึ่งดวงอาทิตย์หนึ่งพันดวงสองในยามเที่ยงวันเนี่ยนะปราศจากเมฆหมอกไรรากีสว่างคำว่ามีความชัดเจนที่สุดแล้วในบรรดาความสว่างไม่มีผิดมีพลาดสา ม, มารถระลึกได้อย่างอหมายว่าเท่าที่พระองค์ประสงค์จะรู้เมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนอย่างไรโดยไม่ติดไม่ขัดเลยนะ เพราะพระองค์เนี่ยสามารถกล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับว่ายกอากาศเอามาพูดอย่างเช่นขณะนี้เนี่ยนะถ้าถ้าความสามารถของพระพุทธเจ้าอย่างถ้าสมมติพระองค์มาประทับนั่งตรงนี้พระองค์จะเล่าเลยนะเมื่อสิบยี่สิบห้าสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านหลายหลายล้านปีหลายหลายหมื่นล้านปีหลายหลายร้อยล้านปีเนี่ยนะสถานที่ตรงนี้มีอะไรมาบ้างแล้วล่วงเอามาเล่าได้หมดเลยว่าระหว่างนั้นระหว่างนั้นมีอะไร ี่ยนะหรือว่าสถานที่ตรงนี้เมื่อบริเวณตรงนี้นะเมื่อพระพุทธเจ้าพนามว่ากสปะมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อสมัยพระพุทธเจ้ากกุสันทะนี่เกิดอุบัติขึ้นสถานที่ตรงนี้คืออะไรแล้วอันนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอดีตนะแล้วอดีตกับทั้งหลายเนี่ยนเะมื่อหลายๆกลับก่อนนั้นบริเวณณนะตำแหน่งจุดตรงนี้เคยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือสถานที่ตรงนี้เนี่ยนะ อนาคตต่อไปอีกสิบปีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างสิบยี่สิบปีร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีล้าน ป, านปีหลายๆล้านปีข้างหน้าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างยกตัวอย่างถ้าแบบพันปีข้างหน้าพองบอกว่าณวันที่เท่านั้นพอสอเท่านั้นวันเท่านั้นเวลาเท่านั้นจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างพรงเล่าได้เป๊ะหมดเลยแต่ถ้ามีประโยชน์ถ้าพระองค์ตรัดเล่าอย่างนี้เขาจะรู้ว่าริยสัตว์พงจะเล่าแต่ถ้าไม่รู้ว่าริยสัตว์ไม่เล่าน่ยะ องค์จะเพราะอะไรเพราะพระองค์จะประกาศสิ่งใดก็ตามที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความเบื่อนายเพื่อคลายกำลัดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานนั่นคือสิ่งที่พระองค์จะแสดงถ้าหากว่าไม่เกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นพระองค์ไม่แสดงนี้ถ้าไม่มีความสามารถระดับนี้แล้วสามารถเอาเรื่องราวที่ไม่เคยมีในอดีตมาประกาศแต่งตั้งเปิดเผยได้อย่างไร แล้วขณะเดียวกันนะพระพุทธเจ้าอย่างพระองค์เนี่ยนะมองเห็นหน้าใครปั๊บเนี่ยพระองค์รู้เลยเมื่อล้านชาติที่แล้วเขาทําอะไรมาไปอยู่ไปทําอะไรมีชื่ออะไรมีผิวพันรรณยังไงรูปร่างยังไงทําอะไรผิวพันธุ์เป็นยังไงกินอาหารพูดภาษาไหนอายุยืนเท่าไหร่ตายจากชาตินั้นแล้วไปเกิดเป็นอะไรเมื่อแสนล้านชาติที่แล้วเขาเกิดเป็นอะไรเมื่อกลับที่แล้วเขาเป็นอะไรเมื่อแสนล้านกลับที่แล้วเนี่ยนะ เมื่ออาศงไขยที่แล้วเขาเป็นอะไรเมื่อหลายๆอสงไขยที่แล้วบอกวันเดือนปีเกิดได้หมดวังนกันเถอะแล้วมีรูปร่างผิวพรรณมีอายุสวยสุสุขสวยทุกเป็นอย่างไรอย่างไรมองหน้าทุกคนปั๊บบอกได้หมดเลยเท่าที่พระองค์ประสงค์จะรู้แล้วบอกได้เลยว่าอนาคตต่อไปอีกเท่าไหรอีก ส, อสมมตนะิอีกชาติหน้าบุคคล น, นี้จะไปนิพพานหรืออีกร้อยชาติพันชาติล้านชาติหลายหลายล้านแสนโกรชาติหลายๆกับหลายหล า, ล า, หลาแสนกับหลายหลายล้านล้า น, ลานกลับ หรือเลหลายอสงไขยอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระนามวัตถีปังกรเนี่ยพยากรณ์พระพุทธเจ้าของเราว่าบุรุษผู้นี้นะอีกสี่อสงไขยแสนกับนับแต่บัดนี้นับแต่กลับนี้นะเขาจะได้เป็นพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็แปลว่าบอกได้เลยว่าเขาจะปรินิพันธ์เมื่ อ, อไหร่แล้วรู้อะไรบ้างจึงจะปรินิพันธ์การที่บอกว่าอายุเกิดในยอกช่วงมนุษย์อายุเท่าไหร่ในประกาศแล้วว่าหลังจากดัชนีไม่นานจะได้ ปริ涅槃ก็เราบอกวันเกิดแล้วก็บอกวันตายบอกวันตรัสรู้บอกชื่อพ่อชื่อแม่บุคคลรอบข้างข้างเกียงเล่าให้ฟังได้ทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้คือปัญญารอบรู้ถึงอนาคตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่าพระองค์รอบรู้ในอนาคตอย่างไรและเช่นใดเนี่ยและในปัจจุบันนี้ขณะนี้ในโลกทั้งเท ว, ลวาาโลกมารโลกพรมโลกในแสนโกดจักรวาลมีเหตุการณ์เหล่าใดเกิดขึ้นบ้างเหมือนกับว่าเหมือนกับแค่รู้ข่าวสารข้อมูลทุกประการ ขณะเดียวกันเนี่ยนะใตรงนั้นไม่นะ่อาอัศจรรย์เมื่อรอบรู้เหตุการณ์ในปัจจุบันทั้งหมดแล้วเนี่ยพระองค์สามารถเอามาแสดงว่านี้เป็นกุศลนี้อกุศลนี้มีโทษนี้ไม่มีโทษนี้ควรเจริญนี้ควรละไม่ได้ตกใจตกอกตกใจหรือดีใจตื่นเต้นไปกับเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เลย รองสามารถเอาเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านี้มาสอนวันนี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลนี้มีโทษนี้ไม่มีโทษนี้ควรเสพนี้ควรเจริญนี้ควรละนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยถ้าทําอย่างนี้จะตรัสรู้ทุกขในโรตปฏิบัติตามนี้บรรลุอริยมรรคแล้วพระองค์ก็สอนวันนี้สัทธาอนี้สติปัฏฐานนี้สัมมาปัฏฐานโดยอาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นองแสดงให้สรรพสัตว์ต่างหลายได้รับอริยสัพอริยสัพได้ อันนั้นเป็นเขาเรียกว่าพุทธานุภาพความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้ามันพระองค์รอบรู้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้อย่างไรเนาะมากันพระพิสุขขันสงสัยขึ้นมาแต่ท่านคิดได้สองประเด็นว่าที่พระพุทธเจ้ารอบรู้เรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหมดเนี่ยผู้มีอายุทั้งหลายเป็นอย่างไรเนาะและพระตถาคตพระองค์เดียวแทงตลอดพระธรรมธาตุนี้แปลว่าแทงตลอดสัพพัญยุตยานด้วยลำพังตัวเอง เพราะเหตุที่พระตถาคตแทงตลอดธรรมธาตุธรรมธาตุตัวนั้นเป็นชื่อของสัพพัญยูสัพพัญยุตยานเ น, น, นี่ยนะสัพพัญยุตยานเนี่ยเป็นธรรมธาตุในจํานวนธาตุสิบเยนะเอาเข้าไปในจํานวนธาสิบแปดสัพพัญยุตยานเป็นธรรมธาตุพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยแทงตลอดธรรมธาตุอย่างรู้ธรรมที่เป็นอดีตทั้งหมดอย่างรู้ธรรมที่เป็นอนาคตทั้งหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตเนี่ยนะ เครียว่ายานที่ไม่ขัดข้องในการสามไม่ขัดข้องในอดีตไม่ขัดข้องในอนาคตไม่ขัดข้องในสิ่งที่เป็นปัจจุบันไม่ขัดข้องในสังฆะไม่ขัดข้องในอสังฆะเนี่นะไม่มีติดขัดเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะด้วยอำนาจของสัพพัญยุตยานสัพพัญยุตยานพระองค์ตรัสรู้แล้วนี่แหละสงสัยจะเป็นสัพพัญยุตยานอนุภาพของสัพพัญยุตยานแน่ ทำให้พระพุทธเจ้าระสามา ร, ระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วปินี้ผ่านหมดแล้วตัดธรรมะเครื่องเนิ่นช้าได้แล้วตัดตัณหามาณนะทิฏฐิด้วย อ, อริยมรรคได้แล้วเนี่ยนะตัดความหมุนเวียนคือว่าตัดวัตตะสงสารตัดชาติชารามรณะเสร็จสิ้นแล้วครอบงาชาติชารามรณะเสร็จสิ้นแล้วล่วงพลชาติชารามรณะเป็นต้นได้แล้ว สามารถยกเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นว่าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีชาติอย่างนั้นมีชื่อย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีอายุเท่านั้นคู่อักษรสาวกซ้ายขวาเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีการประชุมอรหันตสาวกอย่างนั้นอย่างนั้นก็คือสามารถมาเล่าได้เลยว่ามีชาติมีชื่อมีโคดและพระพุทธเจ้านั้นมีศีลอะไรบนาะ ามาบอกเลยว่าพระพุทธเจ้ามีจุลศีลมชิมศีลมหาศีมลมีโลกิยศีลมีโลกุตระศีลเหล่าใดบอกได้หมดเลยนะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีธรรมะคือสมาธิมีอุปจารสมาธิมีอปปนาสมาธิอุปจารสมาธิมีกี่ประเภทที่พระพุทธเจ้าเหล่านั้นเข้าอัปปนาสมาธิปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุตฌานรูปฌานอารูปฌานทั้งหลายฌานทั้งหลายเหล่านั้นพระองค์เนี่ยเข้าโดยอาศัยอารมณ์อะไร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 ปัญญาสามก็คือรู้อดีตอนาคตและปัจจุบันไม่มีติดขัดปัญญานับสี่ก็คือเวสารชยานสี่ยานที่กำหนดกำเนดสี่เนี่ยนะแล้วก็ถ้าเป็นยานห้าก็คือยานที่รู้กำเนิดคติห้าและข้อปฏิบัติให้ถึงกำเนิดห้าเข้าไปคติห้าอาสาธารณัยานหยานในโพชชงเจดยานในอริยมรคมีองแปดหรือว่ายานในอนุปุวิหารสมาบัติ9ายานใน สัพพะรยานสิท uh. ธิยานในธรรมจักก็เรียกว่ายานในธรรมจักรปริวาสสามอาการสิบสนะอง เ, เนี่ยนะ ห, หรือว่ายานเหล่าใดเนี่ยนะพุทธยานเรียกว่ายานเจ็ดสิบหกหรือว่ายานเหล่าใดเหล่าได้ทั้งมวลเนี่ยนะยานเหล่านั้นพระองค์รับรู้หมดคือคือพระ อ, องค์มีความรู้แล้วรู้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าของในอดีตเหล่านัาน้นนะท่านรู้อะไรรู้ระดับโลกิยธรรมนะนะปัญญาเหล่านี้เป็นกามาวจรปัญญาเหล่านี้เป็นรูปวาวจรเป็นอรูปวาวจรปัญญาเหล่านี้เป็น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 ทุกอย่างได้แล้วแล้วสามารถเอามาเล่าได้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เหล่านั้นมีพระชาตินะเช่นนี้มีชื่อเช่นนี้มีโคด ม, มีอายุเท่านี้คู่พระสาวกเป็นอย่างนี้ประชุมสาวกเป็นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีศีลเช่นนี้มีธรรมเช่นนี้มีปัญญาเช่นนี้มีวิหารธรรมเช่นนี้มีวิมุตติเช่นนี้กําลังนั่งคุยกันจับประเด็นสองคูยสองอย่างนะคุยว่ารอบรู้ทั้งหมดหนึ่งแสดงว่าแทงตลอดสัพพันญูแน่นอน ประเด็นที่สองหรือเทวดามาบอกยังสงสัยกันอยู่นะยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้ารู้เองหรือเทวดาบอกเหมือนกันเอะรู้เองหรือเทวดาบอกในอัตถกาหน่าเก้าสิบสองอธิบายรายละเอียดข้อสิบเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยว่าชินนะปันเอ่อชินชินนะปปัญเจเนี่นะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตัดขาดธรรมะเครื่องเนิ่นชา้า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 ถ้าใครเรียนอะไรนะมหานิทานสูตรเข้าไปนิทานวักสังยุตติกายนิทานวัคเนี่ยนะนะจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าบอกเลยนะว่าพระพุทธเจ้าวิปัสสีสิกีเวสภูกาโกสันทโกนาคมณะเนี่ยตอนเป็นพระโพธิสัตว์ท่านคิดอะไรแล้วท่านพิจารณาอริยสัจอย่างไรเมื่อตรัสรู้อริยสัจแล้วอุทานว่าอย่างไรเมื่ออุทานแล้วหลังจากนั้นท่านคิดอะไรต่อไปเนี่ยนะพระพุทธเจ้ารู้ทั้งหมดเลย รู้ว่าตัดตันหามานะทิถิฉนั้นพระผูธเจ้าเนี่ยนะสามารถระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งในอดีตเหมือนอะไรเหมือนชี้รอยเท้าบนอากาศใครเคยเมมองเห็นอากาศปั๊บเนี่ยนะบอกว่าเครื่องตรงเนี้ยอากาศตรงนี้นะมือเครื่องบินกีดกี่กี่กี่กีรำแล้วผ่านมาแล้วในอดีตตั้งอ่านนะเหมือนว่าเนี่อากาศตรงเนี้ยมีนกอะไรมาเคยมาบินผ่านมาตรงนี้บ้างอ่นะเนระียกว่าเอาเรื่องราวในที่เราว่าเหมือนเอาอากาศมาชี้เล่าให้ฟัง หรือมองฟ้าปั๊บเนี่ยมาตรงนี้นะั่นนกเคยบินมาแล้วล้านตัวเมื่อวันเดือนปีนั้นนะนกตัวนั้นบินผ่านมาวันเดือนปีนั้นนกตัวนั้นบินผ่านมาบินถลาลมหรือว่าบินกระพือปีกบินกระพือปีกกี่ครั้งอันนะความเร็วเท่าไรอะไรพระพูดอย่างนีน้พระองค์เล่าได้หมดเลยแต่เอาเรื่องในอากาศแต่ถ้าสิ่งนี้เป็นความจริงอันนะไม่ได้หลอกกันเล่นสร้างวิมานเล่นคนอะไรไม่ใช่เล่าให้ฟังถึงความจริงไม่ใช่ในเรื่องของรูปอย่างเดียวนะพระองค์สามารถตรัสเล่าถึงอะไร เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เคยมีมาแล้วในอดีตนะซึ่งน่าอัศจรรย์มากนะใครทําได้มั่งเล่ า, าอ่ะโอเนี่ยนะนกตรงนี้นะมันเคยบินทลานลมมาระดับนี้หรือเหมือนรอยเท้าในอากาศเนี่ยนะบทว่าชินวัตุเมนี้หมายถึงละวะตะคือกุศ ล, ลกรรมและอกุศ ล, ลกรรมเนี่ยนะตัดกุศลอกุศลควบคุมกรรมได้หมดแล้วพระพุทธเจ้านั้นทําลายซี่กรรมแห่ง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 เก้าล่วงชาติทุทกชราทุกพญาที่ทุกขมรณะโศกปริเทวะทุกขโทมณนะัสและอุปาญาตทุกได้หมดแล้วสามารถระลึกได้ว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เหล่านั้นในอดีตมีศีลอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในมักศีลระดับอริยมักศีลในระดับอริยผลโลกิยะศีลหรือว่าโลกุตระศีลพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีธรรมคือมักธรร ม, มะหมายถึงสมาธิ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 หลุดพ้นอย่างสงบระงับด้วยอริยผลหลุดพ้นจากสังคตะธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพของพระนิพพานมันพระองค์เหล่านั้นเนี่ยนะอาศัยสมาบัติแปดหลุดพ้นโดยวิขมพนะเจริญอนุปัสนาเจ็ดหลุดพ้นจากธรรมที่เป็นข่าศึกเนี่ยนะด้วยแต่ทางขาวิมุตต์นนะด้วยอนุภาพของอนิจจานุปัสนาหรืออนิจจสัญญาเป็นต้น อริยมรรคสของพระองค์นั้นเป็นสมุทเฉทวิมุติพ้นจากกิเลสตัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาดปฏิปสัสสต์ที่วิมุติก็คือโซดาปฏิพนสากาธาคามิพ้นอนาคามีพลนและอรหัตตะพ้นนะที่สุดแห่งการสงบกิเลสด้วยอนุภาพแห่งอริยมรรคสำหรับพระนิพพานนั้นนิสรณาวิมุติเพราะพ้นจากไกลาจากอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสหรือพ้นจากสังคต ธ, ธรรมโดยประการทั้งปวง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 เทวดามาบอกมั้งหรือว่ารู้เองตกลงพระพุทธเจ้ารู้เองหรือเทวดามาบอกะนะก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละทั้งสองอย่างตอบประเด็นแรกก่อนว่าพระองค์รู้เองก่อนพระองค์รู้เองด้วยเทวดามาบอกด้วยอ่ะนะคือพระองค์ทั้งรู้เองด้วยและเทวดาก็บอกด้วยส่วนรายละเอียดตอนต้นก่อนนะที่พระองค์เนี่ยรู้เองก็กล่าวถึงพระโพะรายละเอียด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 แปลกจริงๆนะนะอัศจริงๆว่าผู้มีอายุทั้งหลายเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่เคยมีมาก่อนเลยท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตเนี่ยจะต้องทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเพราะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากนี่แหละพระองค์จึงสามารถระลึกได้ถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วที่ผ่านพ้นไปแล้วที่ปรินิพานไปแล้ว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 ธรรมธาตุคือสัพพัญญุตยานพระองค์จึงรอบรู้สรรพสิ่งทั้งที่เป็นอดีต ท, ทั้งหมดได้แล้วอาศัยสัพพัญญุตยานนี่แหละทาให้พระองค์สา ม, มารถระลึกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่ปรินิพานไปแล้วละตันหามานะทิฐิได้แล้วตัดความเวียนหมุนเวียนในวัตฏะได้แล้วครอบงำวัตฏะได้แล้วล่วงพ้นจากชาติชรา ม, มรณะเป็นต้นได้แล้วและเอาเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมาบอกเล่าว่า พระพุทธเจ้าองค์นั้นมีชื่ออย่าง น, นั้นมีชาติานนาอย่างนั้นมีนามสกุลอย่างนั้นมีอายุอย่าง น, นั้นคู่พระสาวกเป็นอย่างนั้นประชุมสาวกอย่างนั้นอย่างนั้นตลอดจนถึงวา่าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีศีลมีธรรมมีปัญญามีวิหารมีวิมุตติอย่างนั้นะนะแสดงว่าสัพพันญูแน่นอนเลยนะอันในที่หนึ่งหรือว่าหรือว่าพระพุทธเทวดาได้กราบทูลหรือว่าเทวดาเล่าให้ฟัง พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงจึงระลึกได้จึงรู้ได้เพราะเทวดาลเล่าให้ฟังเนี่ยกาลังสนทนาจับได้สองประเด็นนี้แหละพอดีพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จมาถึงนะกำลังนั่งคุยค้างอยู่ว่านะเอพอผมรู้อดีตเพราะด้วยลําพังพระองค์เองเพราะอนุภาพแห่งสัพพัญยุตยานหรือเทวดาลเล่าให้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสุทังหลาย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 สัพพัญยูนะที่สั่งสมบารมีมาข้อความในมหาประธานสูตรต่อจากครั้งที่แล้วที่กล่าวถึงพระโพธิสัตว์วิปัสสีเนี่ยนะหรือพระวิปัสสีโพธิสัตว์ตอนที่ท่านจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตขณะที่จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นก็มีสติสัมปชัญญะ เสด็จลงสู่พระคันของพระพุทธมารดาอันนี้เป็นถือว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมนิยามในหน้าเก้าสิบเก้ากล่าวถึงเหตุการณ์ตอนที่พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระคันของพระพุทธมารดาว่าในวันอาสกรบจำเดิมแต่วันที่เจ็ดแห่งอาศราหะปุรมีเนี่ยนะ หมายความว่าตอนที่หลังจากพระโพธิสัตว์ปฏิสนธิในพระคันเนี่ยพระมารดาของพระโพธิสัตว์นั้นทรงเล่นนักขัตกีฬาแปลว่าเป็นการเล่นชนิดหนึ่งอนะเป็นเครี่ว่าเป็นงานประเพณีหรือเป็นงานปีนะเขาก็มีงานปีงานประจําปีเป็นต้นพระองค์วันนั้นเนี่ยนะพระพุทธมารดานั้นก็ประทับอ้อขออภัยประดับด้วยดอกไม้และของหอมเป็นต้น ในนักษัตย์เนี่ยนะประับงานประเพณีอันนี้ไม่มีการดื่มสุราไม่มีการดื่มเหล้าพระองค์ก็เสด็จลุกแต่เช้าในวันที่เจ็ดพระองค์ก็ทรงสนานด้วยน้ำหอมตกแต่งด้วยเครื่องประดับทุกชนิดสเสวยพระกยาหารอันเลิศเดี๋ยวทวนอีกนิดหนึ่งนะมั้งว่าก่อนวันเพณเดือนแปดเนี่ยนะก่อนวันเพณเดือนแปดก็แปลว่าก่อนหน้านั้นเจ็ดวันก็ น, นับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ดี เก้าคำสิบคำสบเ็ดสิบสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยนะเอ่อก่อนหน้านั้นมาเนี่ยตั้งแต่วันประมาณเก้าค่ำเดือนแปดเนี่ยนะเป็นช่วงเทศกาลเรีรยกว่าเทศเทศกาลเป็นลักษณะเป็นงานประจําปีเป็นงานงานปีของเขานะอ่ะนะเออนั้นช่วงนั้นก็จะมีการประดับประดาตกแต่งมีการรื่นเริงมีการเพลิดเพลินอย่างเดียวเนี่ยตลอดเจวันก็เป็นงานที่มีความสุขมากเจ็ดวันผ่านไป พอถึงวันที่วันวั น, วนอาสาฬหะบูชาพอดีก็คือตรงวันเพ็ญเดือนแปดเนี่ยนะพระพุทธมารดานั้นก็อธิษฐานองค์แห่งอุโบสถแต่เช้ามืดเลยนะก็อธิษฐานองค์แห่งอุโบสถเช้ามาก็สมาทานอุโบสถน ะ, สะเสด็จเข้าสู่ห้องเสด็จบัณฑรรมนะเข้าห้องอันเป็นเสด็จแล้วก็บัณฑรรมโดยพระเสิ็จสัยาเนี่นะ แต่แล้วก็ขณะที่พอเข้าสู่ที่พักอย่างนั้นน่ะก็เข้าสู่นิทราก็คือหลับไปขณะที่หลับนั้นก็ฝันเนี่ยนะพระมีพระสุบินพระสุบินก็คือฝันเป็นความฝันพิเศษที่มีเฉพาะพระพุทธมารดาเนี่ยน ะ, ะพระองค์ฝันว่าท้าวมหาราชทั้งสี่ได้ยกพระพุทธมารดาเนี่ยพร้อมด้วยพระที่หมายถึงว่ายกพระองค์ไปพร้อมทั้งเตียงเลยนะ ปกติเนี่ยเขายกแต่ตัวไปนี้แต่ไม่ไม่ได้ยกตัวหรอกยกเตียงเลยนะตัวก็นอนบนเตียงเพรา ะ, ะนั้นเท้ามหาราชมายกเตียงคนละเตียงนี่มีสีเท้าเพรา ะ, ะนั้นก็มายกคนละเตียงแล้วอ่นะยกไปที่ที่ไหนที่สะนโนดานพอไปถึงก็ให้พระองค์เนี่ยสงสนานครคำว่าสงสนารในที่นี้ไม่ใช่ว่าเท้ามหาราชเป็นคนมาอาบน้ําให้หมายถึงกลุ่มพระมเหสีของเท้ามหาราชก็ไปช่วยกันอาบน้ําให้พระพุทธมารดา เสร็จแล้วหลังจากที่สงสนารนคืออาบน้ําเสร็จก็ให้นุ่งให้นุ่งให้ห่มโดยใช้ผ้าทิพย์พอนุ่งห่มเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องลูบไล่อันเป็นทิพย์เนี่ยนะใช้ของหอมที่เป็นทิพย์เสร็จแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้อันเป็นทิพย์ณบริเวณนั้นเนี่ยนะไม่ไกลาจากสถานที่ที่อาบน้ําที่สาโนดามีภูเขาเงินภายในข้างในของภูเขาเงินเนี่ยมันมีถ้าถ้าข้างในนั้นมีวิมานเรียกว่าเป็นวิมานทอง เสร็จแล้วก็ให้พระพุทธมาดาเนี่ยหันพระเศียรไปทางทิศประจีนบรรทมณนะวิมานทองแห่งนั้นก็หมายคำว่าให้พระโพธิสัตว์เนี่ยน ะ, ะมารดาพระโพธิสัตว์เนี่ยเข้าไปนอนในวิมาณทองข้างนอกเป็นภูเขาเงินแล้วหันศีรษะไปทางทิศ ต, ตะวันออกครั้งนั้นพระโพธิสัตว์นั้นเปรียบเสมือนช้างผุดเผือกผ่องเป็นช้างเผือกอ น, น, นช้างสีขาวก็เชื่อว่าช้างสีขาวนี่เป็นช้างมงคล ชางนั้นก็ไม่ไกลจากที่ภูเขาทองลูกหนึ่งเขาบอกว่าใกล้สาโนดันมันจะมีภูเขาเงินกับภูเขาทองพระโพธิสัตว์นั้นมีตัวเป็นสีขาวท่านเดินออกมาจากภูเขาทองพระโพธิสัตว์ก็เสด็จไปที่ภูเขาทองลงจากภูเขาทองพอออกจากภูเขาทองก็ขึ้นไปที่ภูเขาเงินเข้าไปยังวิมานทองคือภูเขาเงินมีวิมานทองอยู่ในนั้นนะ ไปก็ไปประทักศินไปเ ว, นเวียนขวาพระมารดาแล้วก็คล้ายกับแหวกคือพระพระุทธมารดาเนี่ยนอนตะแคงขวาใช่ไหมนอนตะแคงขวาหันศีรษะไปทางทิศ ต, ตะวันออกก็เหมือนกับว่ามาแหวกแหวกสีข้างนะแหวกสีข้างข้างขวาเนี่ยเข้าไปสู่ขันแสดงว่าถ้าแหวกปรัดก็คือแหวกสีข้างบ้างขวาแสดงว่าพร ะ, พระองค์เนี่ยนอนตะแคงซ้ายนอนตะแคงซ้ายก็พระโพธิสัตว์เหมือนกับแหวกแหวกสีข้างเนี่ยเข้าไปในท้องเลย อันนี้เป็นความฝันนะพอฝันเสร็จแล้วตื่นขึ้นตื่นขึ้นกราบทูลความฝันนั้นแด่พระราชามันก็สว่างขึ้นมาพระราชาก็รับสั่งให้เรียกหัวหน้าพราหมณ์ประมาณแปดเออขอไปหกสิบสี่คนให้ลาดอาสนะอันมีค่ามากบนพื้นที่ฉาบด้วยของเขียวกระทามงคลสการะด้วยข้าวต่อเป็นต้น เมื่อพราหมณ์ทั้งหลายลงนั่งลงณนะที่นั้นแล้วพระราชาก็นําถาดทองถาดเงินอันเต็มไปด้วยข้าวปลายาดอย่างดีปรุงด้วยเนยใสปรุงด้วยน้ําพึ่งและน้ําตาลกรวดครอบไว้ด้วยถาดทองและก็ถาดเงินอีกทีหนึ่งแล้วถวายก็คือเราจัดอาหารใช้ภาชนะอย่างประณีตที่สุดเท่าที่จะหาได้เพราะเป็นงานมงคลเหมงอนกันมงคลอะไรมงคลทํานายฝัน ก็คือถ้าหากว่าเราศึกษาไม่ดีเหมือนแหม่กษัตริย์บ้านเมืองนี่มี อ, อะไรหน่อยเชื่อแต่หมอดูอย่างเดียวนะถ้าหาว่าฟังดูไม่ดีเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเอก็ก็บางอย่างก็นะอย่างเช่นโรคบางอย่างนี่มันไม่ได้รู้ด้วยแบบใช้วิจารณญาณธรรมดาทั่วไปก็ต้องอาศัยวิชาวิชาจริงๆแล้วกลุ่มหมอดูกลุ่มโหราศาสตร์ทั้งหลายก็คือวิชาสถิตินั่นเองงั้นก็ต้องไปใช้วิชาพวกอาจารย์ผู้มีรู้มีความรู้ด้านสถิตมาคำนวณดูซิ เสร็จแล้วก็ให้พราหมณ์เหล่านั้นอิ่มเอิบอิ่มด้วยวัตถุอย่างอื่นมีอะไรบ้างก็มีอน้ํานมเป็นต้นเนี่ยนะก็ถวายนมถวายอะไรแล้วก็ถวายผ้าผ้าให ม, ใหม่หรือว่าถวายโคนะเขาให้โคด้วยนะ่ะยกโคให้เขให้ผ้าแล้วก็ทําทานอย่างอื่นอีกเพราะสมัยนั้นไม่ได้มีพระภิกษุสอ์ก็มีแต่พวกพราหมณ์พวกพราหมณ์นี่ก็คือว่าเป็นอะไรนะเป็น เป็นนักบุญของเขาอะนะเป็นนาบุญของเขาอ่ะเขาถือว่ากลุ่มนี้เป็นนาบุญนะหลังจากที่ทำบุญถวายทานเสร็จแล้วเนี่ยพระราชาก็บอกพระสุบินคือความฝันนั้นแก่พราหมณ์เหล่านั้นซึ่งเป็นพรามณ์ที่อิ่มเรียบร้อยลเลยนะครับไปลว่าถ้าเราเนะไปถามตอนที่พราหมณ์หิวเนี่ยอาจจะได้รับคําบอกเล่าอีอย่างก็ต้องให้ให้เขาอิ่มน้าสําราญให้มีความสุขก่อนแล้วก็ถามว่าผลแห่งความฝันอันนี้จะเป็นอย่างไร ความฝันอันนี้เป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าจะมีอะไรต่อไปข้างหน้าพรามนั้นก็กราบทูลว่าขอเดชะพระมหาราชพระองค์อยาทรงพระวิตกไปเลยพระเทวีเนี่ยทรงพระขันแล้วพระเจ้าค้าก็เครื่องหมายแบบนี้แปลว่าผู้ที่ฝันเนี่ยมีท้องพระองค์นั้นหาก น, นะโอรสที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะถ้าหากว่าครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิงประกอบด้วยธรรม เป็นพระธรรมราชาคําว่าประกอบด้วยธรรมคือประกอบด้วยกุศ ล, ลกรรมมาบทสิบปกครองบ้านเมืองรัฐแว่นแคว้นอยู่บนพื้นฐานแห่งกุศลกรรมมาบทสิบนี่นะพระโอรสนั้นถ้าหากว่าพระองค์ออกบวรจักเป็นพระพุทธเจ้าผู้เปิดหลังคาคือกิเลสในโลกนี่นะก็จะเป็นพระพุทธเจ้าผู้เปิดโลกผู้ทําโลกให้แจ่มแจ้งที่บอกว่า การที่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะมีสติ ส, ans, สัมปชัญญะเสด็จสู่คันพระพุทธมารดาข้อนี้เป็นธรรมดานะมีเรื่องราวที่กล่าวไปแล้วนี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ลงสู่คันพระมารดาเนี่ยนะบทว่าอยเมธะธรรมตาข้อนี้เป็ น, น, นธรรมดาในการเสด็จลงสู่พระคัขขะนของพระพุทธของพระมารดาของพระโพธิสัตว์อธิบายว่าเป็นความจริงอันนี้เป็นแน่นอนเป็นเรื่องแน่นอนแน่นอน คือไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงเพราะพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์นั้นนะ่ะนะจะต้องมีสติสัมปชัญญะลงสู่คันพระพุทธมารดาอันนี้เน้นพิเศษคือชาติสุดท้ายเอ่อเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดการลงสู่คันพระมารดาเนี่ยเนาะมีเรื่องอย่างนี้บางคนเนี่ยนะตอนที่ลงสู่คันก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยนะตอนที่มาเกิดก็ไม่รู้ตัวตอนอยู่ในคันก็ไม่รู้ตัวคลอดออกมาแล้วก็ ตอนคลอดก็ไม่รู้ตัวอันนี้ปกติปุถุชนทั่วๆไปคนที่ไม่มีบุญทั้งหลายมาเกิดเนี่ยนะะโดยมากเป็นอย่างนี้นะตอนที่มาเกิดในครันเนี่ยไม่รู้นะว่าตัวเองนี่จะไปลงสู่ครันรู้ว่าตายแล้วแต่ว่าไปเกิดที่ไหนที่ไม่รู้เลยอย่างที่ว่าอย่างเราเราทั้งหลายเนี่ยรู้ตัวตอนอายุกี่ขวบนะเราลึกถึงความหลังตัวเองนะอย่างที่พระองค์พระพิสุหลายองค์วันก่อนที่กล่าวนะบางองค์เราเลือกได้ว่าตอนเก้าวันแล้วเนี่ยนะเก้าวันหลังจาก คลอดเนี่ยนะท่านรู้ตัวว่าเอเนี่ยท่านจําได้ตั้งแต่วันนั้นมาแต่ถ้าหากว่าเป็นพระภาษาริบุตรเนี่ยนะตอนที่ท่านลงสู่คันตอนที่ท่านอยู่ในครันเนี่ยท่านรู้แต่ตอนคลอดจากคันมาแล้วเนี่ยไม่รู้แต่ถ้าเป็นอสออสิติสาวกเนี่ยท่านรู้ว่าท่านจะไปเกิดแต่ตอนอยู่ในคันตอนคลอดไม่รู้เลย แต่ถ้าของพระโพ ธ, ธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะตอนที่ท่านอยู่ในครันตอนที่ท่านคลอดเอ่อตอนที่ลงมาสู่คันอยู่ในครันคลอดจากคันนั้นมีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะอันนี้เป็นหรือว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมนิยามเป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ที่สั่งสมบุญมามากสําหรับเรื่องของธรรมดาธรรมดาตัวนี้อธิบายเป็นธรรมนิยามเนี่ยนะปกติแล้วมีอยู่ห้าอย่างด้วยกัน นิยามนิยามห้านิยามแปลว่าธรรมดาแน่นอนเป็นเรื่องปกติเลยเนี่ยนะหนึ่งกรมสองอุตุสามพีชะสี่จิตตะห้าธรรมะกระบวนานิยามความแน่นอนห้าประการข้อแรกก่อนที่ว่าว่ากรรมนิยามหมายถึงการให้ผลแห่งกุศลคือผลแห่งกุศลเนี่ยนะเป็นผลที่น่าปรารถนาอย่างเดียวผลของอกุศลทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา จะเมื่ออะไรอย่างไรก็ตามในอดีตการที่ยาวนานมาขนาดไหนก็ตามกุศลให้ผลเป็นสุขโดยส่วนเดียวปัจจุบันนี้กุศลก็ให้ผลเป็นสุขอนาคตต่อไปกุศลก็ให้ผลเป็นสุขเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมดาหรืออกุศลเนี่ยนะจะเมื่ออดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามอากุศลก็ให้ผลล้วนแต่ไม่น่าปรารถนาะมันก็แปลว่ากุศลให้ผลเป็นสุขอกุศลให้ผลเป็น พุกจะเมื่อไหร่อย่างไรก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยนะพันเจตนาดีต้องให้ผลดีเจตนาไม่ดีต้องให้ผลไม่ดีแต่บางคนก็บอกเอ๊ทากุศลมาตั้งเยอะทําไมกุศลไม่ให้ผลมีแต่อกุศลตามให้ผลคือความจริงเนี่ยเขาแยกแยะส่วนตรงที่เป็นผลแห่งกุศลและอกุศลไม่ออกเนี่ยที่ในอย่างที่หนึ่งนะคือแยกว่าอะไรเป็นผลของกุศลและอกุศลไม่ออกและอีกในหนึ่งอย่างต่อไปอีกก็คือว่า เขาเนี่ยระลึกไม่ได้ว่าไอ้ผลที่ไม่น่าปรารถนาที่ตัวเองได้รับนั้นทําเหตุมาตั้งแต่เมื่อไหร่ระลึกไม่ได้ทีนี้อกุศลมันให้ผลตอนที่ช่วงสัตบสว่างระหว่างการเจริญกุศลก็เลยบอกว่าเอกุศลไม่ได้ให้ผลเป็นความสุขอันนี้ก็คือเข้าใจสับสนระหว่างเหตุและผลนั่นเองเนี่ยนะเรียกว่าไม่รู้ต้นรู้ปลาย น, นะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยพเพาะเมล็ดพันธุ์ไว้เยอะนะเปรียบเหมือนอะไร สมมติว่าถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่เกิดมาเปรียบเหมือนที่ดินเนี่ยเป็นเหมือนผืนดินเนี่ยเป็นร้อยไร่พันไร่กรรมดีกรรมชั่วที่เราทําก็เหมือนกับเพาะเมล็ดพันธุ์ลงในแผ่นดินทีนี้เราไม่ได้เพาะเมล็ดพันธุ์แต่อะไรเพาะเมล็ดพันธุ์ชั้นดีอะนะให้ผลที่น่าปรารถนาโดยส่วนเดียวไม่ได้เพาะเมล็ดพันธุ์บุญอย่างเดียวเพาะเมล็ดพันุ์โลภะลงไปมันเมล็ดพันุ์โลภะมันก็ให้ผลเจ็บเจ็บคันคันเนี่ยนะเมล็ดพันธุ์โทสะมันก็ให้ผลเป็นหอกเป็นดาบ อันนั้นาฟันทิ่มแทงก็เรียกว่าเป็นประเภทต้นที่มันมีหนามอย่างเดียวเนี่ยนะเดินขูดเดินข่วนเนี่ยนะบาดแผลเ ว, วะวั่นไปหมดถ้าหากว่าปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งโมหะลงไปก็ให้ผลรกชัดสับสนงุนงงไปหมดเลยมันก็ต่างจากมเมล็ดพันธุ์แห่งอะโลพาอโทสอะโมหมะเมล็ดพันธุ์แห่งการตรน์นีก็ให้ผลเดือดร้อนเรื่องพวกท้ศัพย์เมล็ดพันธุ์ที่ทูศีลก็ให้ผลมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายการอยู่การครองชีพ ถ้ า, มาเมล็ดพันธุ์ประเภทไม่มีปัญญาไม่ได้อบรมทั้งสมถะและวิปัสสนามาก็เป็นคนที่โง่เขลาพันชีวิตในสังสารวัตรการเวียนว่ายตายเกิดของเราทั้งหลายมันเป็นสนามเป็นที่ดูบุญดูบาเป็นที่ที่ดูผลแห่งบุญและผลแห่งบาปดังนั้นเมื่อทําทั้งดีทําทั้งชั่วแบบนี้เนี่ยนะบางคนก็เลยเข้าใจผิดในเรื่องของกลัมไปแต่จริงๆแล้วหมู่สัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตาม เมื่อกรรมมันจะให้ผลเนี่ยนะก็ไม่มีใครที่จะฉุดที่จะยับที่จะยั้งมันได้หรอกอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าณอันตลิเคเเขเป็นต้นเนี่ยนะก็หมายความว่าถ้าหากว่าคุณทาชั่วไว้แล้วนะทำความชั่วให้มันครบองค์ครบท่วนบริบูรณ์เหตุนั้นทำอย่างเต็มที่ครบท่วนแล้วต่อให้อยู่ในอากาศท่านก็ น, นี้ไม่พ้นความตาย ไปอยู่บนท้องฟ้าเลยก็ไม่พ้นจากความตายให้ไปอยู่ในทะเลก็ไม่พ้นจากความตายหนีไปอยู่ในซอกเขาก็ไม่พ้นจากความตายสําหรับผู้ที่ทําความชั่วเพียบพร้อมบริบูรณ์ภัยบุญเนี่ยนะอย่างไม่นานเนี่ยที่เราได้ได้ยินข่าวคราวใช่ไหมก็เป็นเรื่องปกติถ้าทําชั่วมาแล้วเนี่ยไม่ต้องรอหลบไปอยู่ที่ไหนแล้วกรรมมันจะไม่ให้ผลก็อย่างนี้เขามีในเรื่องหนึ่งบอกว่าหญิงคนหนึ่งทะเลาะกับสามี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 เรี ว, ว่าเครื่องบินตกทั้งลําเนี่ยรอดเด็กอยู่คนเดียวเนี่ยเออไม่ตาย ท, ทั้งที่มันหน้าบอกจริงๆแล้วทั้งบอกทั้งบางกับเพื่อนหมดหน้าตายใช่ไอ้เด็กคนนี้กลับไม่ตายไอ้คนอื่นตายหมดอยังไงนะทั้งลำเนี่ยตายหมดเหลือคนเดียวยังงเพราะั้นอ่าพวกนี้มันก็แล้วแต่กรรมแต่ขณะเดียวกำเนี่ยนะมันไม่ได้มีแต่เรื่องกรรมอย่างเดียวนะนะีนะน่ยามในโลกนี้มีหลายอย่างไม่ใช่แต่เฉพาะกรรมมันนิยามอย่างสุขภาพไม่ดีบางทีเนี่ยเราโทษกรรมโดยส่วนเดียวไม่ได้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 ฝนเป็นต้นเนี่ยนะบอกว่าในฤดูการทั้งหลายเนี่ยนะการเก็บดอกไม้ผลไม้เป็นต้นหรือการตัดครั้งเดียวเท่านั้นลมพัดลมไม่พัดแดดกล้าแดดอ่อนฝนตกฝนไม่ตกดอกบวกัวกลางวันเย็นกลางคืนหกเป็นต้นพวกนี้ก็เรียกว่าอุตุนิยางที่ภาษาสมัยใหม่ท่านเราใช้คําว่าธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมชาติว่ไ ง, งเถอะนี่หน้าหนาวมันก็หนาวหน้าร้อนมันก็ร้อน นะกลางคืนมันก็มืดกลางวันมันก็สว่างพวกนี้มันเรื่องอุตุเป็นเรื่องธรรมดาเรียกว่าอุตุนิยมที่เราภาษาไทยเราใช้คําว่าธรรมดาธรรมดาธรรมดาของพวกเราทั้งหลายบางทีก็หมายถึงอุตุนิยมนะนะธรรมดาเนี่ยนะหน้าหนาวมันก็มืดเร็วเนี่ยนะหน้าหน้าฝนมันก็มืดนะช้าอันนี้ก็เป็นธรรมดาอย่างนี้นธรรมดาว่ากลางวันมันก็ร้อนถแดดจ้ากลางคืนมันก็นาวเยน็นถ้าว่าหน้าหนาว มันเพื่อนี้ก็เรียกว่าธรรมดาแล้วอุตุนิยามอุตุนิยามนี่ก็ธรรมดาของอุตุหรดูการเนี่ยนะอย่างที่สามผีชนิยามธรรมดาของพืชเช่นว่าผลผลิตอ่ะ น, นะหมายว่าผลผลิตคือเมล็ดข้าวสาลีเนี่ยต้องมาจากไหนก็มาจากพืชข้าวสาลีมันเพราะเอาเมาเล็ดข้าวสาลีไปปลูกมันก็ต้องออกมาเป็นข้าวสาลีมันจะไปเป็นอ่ะ น, นะ แม่เพา ะ, มะเมล็ดข้าวสาลีแล้วออกผลมาเป็นพงคําเนี่ยนะมันก็ไม่ค่อยตรงตัวมันเพรา ะ, มะเมล็ดพันธุ์เช่นใดมันก็ให้ผลเช่นนั้นมเมล็ดเนี่ยนะเป็นเหตุให้มีผลมันถ้าเพา ะ, มะเมล็ดเสตดามันก็ให้ผลมาเป็นเสตดาเพรา ะ, มะเมล็ดมะม่วงมันก็ให้ผลเป็นมะม่วงหรือรสหวานก็มาจากน้ําหวานรสขมก็มาจากพืชที่ขม น, นะอย่างเช่นเสตดาทําไมมันขม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 จิตเจตสิกดวงก่อนๆเป็นปัจจัยแก่จิตเจตสิกดวงหลังๆเช่นอะไรจักขูวิญญาณเนี่ยนะจักขูวิญญาณเกิดขึ้นสัมปติชนะก็พอจักขูวิญญาณดับก็ต่อด้วยสัมปติชนะถ้าสัมปชิตชนะดับไปสันติรณะก็เกิดถ้าสันติชนะดับไปโวทัพนะก็เกิดถ้าโวทพนะดับไปชาวนะดวงที่หนึ่งสองสามสี่เป็นต้นก็เกิดถ้าสิ้นชาวนะบางอย่างก็ต่อด้วยตถาลัมมณะบางอย่างก็ต่อด้วย ระวังไปเลยเนี่ยนะก็อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาพานวิถีจิตทั้งหลายที่สืบเนื่องอันนี้เป็นธรรมดาของจิตทั้งหลายเนี่ยนะเป็นจิตตานิยามมาจิตดวงก่อนเป็นปัจจัยแก่ดวงหลังความคิดครั้งก่อนเป็นปัจจัยแก่ความคิดครั้งหลังๆเนี่ยนะทั้งโดยอุปนิสัยปัจจัยอย่างเช่นที่เรียกว่าจิตตานิยามเนี่ยนะถ้าสะสมความคิดที่ไม่ดีเนี่ยนะแล้วความคิดหลังๆมาจะเป็นความคิดที่ดีได้ไหมบอกว่ายากอย่างนั้นแต่ เว้นไว้แต่ไปได้ปัจจัยตัวแปรตัวใหม่ขึ้นมาความคิดที่ดีๆจึงจะเกิดขึ้นมันก็เพราะเมล็ดพันธุ์ความคิดอ่ะนะความคิดดวงครั้งก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ความคิดครั้งหลังๆมันความคิดอย่างที่เรากําลังคิดอยู่นี้กําลังอาจรวมครั้งทังเห็นทั้งได้ยินความรู้สึกนึกคิดองค์รวมขณะนี้ถือเป็นผลผลิตของความคิดครั้งก่อนๆอ่ะนะตอตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นปลายน้ําความคิดครั้งก่อนๆเป็นเหมือนกับ ต้นน้ำขณะเดียวกันความคิดทุกอย่างที่เราคิดขณะนี้และก่อนก่อนก็เป็นปัจจัยแก่ความคิดครั้งหลังๆต่ อ, ต, อต่อไปถัดถัดไปมันก็แล้วแต่เราถ้าเราเพา ะ, มะเมล็ดพันธ์ความคิดที่เลวสร้างสมอัธยาศัยที่ไม่ดีให้แก่ตัวเองแล้วเราจะเป็นผ้าอรหันได้ไหมไม่ได้อันถ้าเราเพา ะ, มะเมล็ดพันธ์คือความไม่มีศรัทธาเพา ะ, มะเมล็ดพันธ์แห่งความเกลียดคร้าลงในความคิด เพราะเมล็ดพันธ์แห่งความประมาทปราศจากสติเพราะเมล็ดพันธ์แห่งความพุ้งสัน้นเพราะเมล็ดพันธ์แห่งความงู้เข่าก็แปลว่าวตตะยาวแน่นอนแต่ถ้าเพราะเมล็ดพันธ์ศักดพาเพราะเมล็ดพันธ์วิริยะสติสมาธิและปัญญาเพราะเมล็ดพันธ์แห่งอริยมรรคทั้งหลายให้เกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยนะอันเมล็ดพันธ์แห่งบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นปัจจัยให้เกิดการ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 ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นธรรมนิยามเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆเนี่ยนะเป็นเรื่องธรรมดาของผู้มีบุญว่าขณะที่จุติปฏิสนธิในพระคันของพระพุทธมารดาคือจุติจากดุสิตปฏิสนธิในพระคันพุทธมารดาแผ่นดินไว้อันนี้ธรรมดาหมื่นโลกธาตุวันไหวแสงสว่างอ่ะนะแสงสว่างอันโอฬารเกิดขึ้นธรรมดาตอนที่พระองค์ประสูตหรือคลอดจากคันพระพุทธมารดาหมื่นโลกธาตุวันไหวก็เป็นธรรมดา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 โลกก็คือที่สุดแห่งโลกอะนะหมายว่าที่สุดในโลกก็คือที่สุดโลกหมายถึงโลกันตนรกขนาดในโลกันตนรกปกติมืดมิดแสงจันแสงอาทิตย์ก็ส่องไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในสถานที่เหล่านั้นก็จํากันและกันได้ด้วยแสงนั้นว่าท่านผู้ท่านผู้เจริญได้ยินว่าสัตว์พวกอื่นที่เกิดในที่นี้ก็มีอยู่เหมือนกันที่แรกนีกว่าอยู่คนเดียวที่ไหนได้มีเพื่อนเยอะแ ย, ยะเลยเหมกัน นะฮะโลกาตานรกเนี่ยอย่าคิดว่าไปอยู่คนเดียวเงาไหมนะไม่โอ้ยพวกมากพวกมายเลยนะแต่ว่าเมื่อก่อนไม่เคยเห็นพ่ามันมืดมิดไปหมดเลยนะคิดง่ายๆพวกนี้ก็เหมือนว่าถ้าค้างคาวลึกๆเนี่ยนะลึกลงไปเป็นกิโลกิโลเนี่ยที่ค้างคาวเข้าไปอยู่เข้าไปอาศัยเนี่ยมันมืดมิดจริงๆเลยนะใครที่เคยเข้าไปในถ้าค้างคาวเนี่ยจะรู้ดีว่ามันมืดมิดแต่ว่ามันไม่ได้เศษเสี้ยวของโลกันตานรกอะไรหรอกเนี่ยนั่นหนักสาหัดมากมันเลอะ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 นะขณะที่เสด็จลงสู่คันพุทธมารดานะี่ยเกิดแสงสว่างขึ้นหมื่นโล ก, กาธาตุวานวัยเนี่ยธรรมดานะธรรมดาขนาดนี้แหละไม่น่านะต้องให้พราหมมาทํานายฝันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะตอนที่ลงสู่คันเนี่ยนะพระมารดาพระโที่สัตว์ก็ฝันฝันที่เรียกว่าเหมือนกระช้างแหวกเข้าไปอยู่ในท้องเนี่ยนะด้วยแล้วก็แผ่นดินก็วานวัยเป็นต้นด้วยเนี่ยไม่น่าจึงต้องให้พรามมา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 แสงพุ่งออกมาก็เหมือนกับดวงไฟที่มีพลังแห่งแองสว่างเนี่ยมากเอ่อเล่าถึงโลกาณตนรกนิดหน่อยบอกว่าความกว้างของโลกาณรกนั้นประมาณแ0ดพันโยศปกติแล้วดวงเอ่อจักรคูวิญญาณไม่เกิดเลยเพราะไม่เคยเห็นเพราะไม่มีแสงสว่างะนะคือจกักรคูวิญญาณจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่ประการหนึ่งจักรสุสองรูปสามแสงสว่างสี่มณสิกาเนี่ยนะจักคูวิญญาณจึงจะเกิดได้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 ท่านบอกว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เหล่านั้นเนี่ยนะไปในท่ามกลางจั ก, กรวาลบรรพศก็โลกันตนานรกนั้นเลยจั ก, กรวาลบรรพศไปเพราะฉะนั้นพระจันทร์และพระอาทิตย์เหล่านั้นจึงไม่มีแสงสว่างเขาเราียว่าแสงสว่างมีไม่พอที่จะส่องเห็นได้เยปิตัทธสัสตาแม้สัตว์เหล่าใดเกิดแล้วในโลกันต์มหานรกนั้นถามว่าก็เหล่าสัตว์นั้นอะทํากรรมอะไรจึงได้ไปเกิดในโลกันตมหานรกนั้น ตอบว่าก็ทํากรรมหนักทํากรรมที่หยากช้ามากนะันะแสดงว่ามีความชั่วแบบอะไรนะชั่วบริสุทธิ์เลยมั้นไม่มีความดีแทรกไม่มีความดีเจือปนเลยนะชั่วเลวสุดๆเช่นสัตว์เหล่านั้นก็ทําผิดต่อพ่อต่อแม่ต่ อ, มตอสมณะพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในกุณฑรรมระหว่าไปทําคนมีศีลมีธรรมเข้าหรือโดยปกตินั้นเป็นคนกรรมทํากรรมที่ร้ายกาดมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นทุกๆวัน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 ถามว่าแล้วร่างกายของเขาเป็นยังไงบอกว่าร่างกายของสัตว์เหล่านั้นน่ะสูงประมาณสามคาวุธตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยมีเล็บยาวเหมือนเล็บค้างคาวสัตว์เหล่านั้นเกาะอยู่บนจั ก, กรวาลบันพด้วยเล็บเหมือนค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ฉะนั้นเคยเห็นค้างคาวเกาะต้นไม้ฉนันใดบอกว่าพวกอยู่ในโล ก, กันตานรกก็ฉันนั้นเมื่อันก่อนไปเห็นที่ไหนนะชัยไปที่เคยไปถ้าลอดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำรอดเนี่ยนะทำรอดไปมันก็ต้องรอดแล้วก็ต้องพายเรือไปเนี่ยนะโอ้ยมีกลุ่มข้างคาวเนี่ยเยอะมากแล้วก็แขวแองนะอ๋อไม่สวยด้วยหรอกข้างคาวอยู่ที่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยไม่สวยด้วยคนระับปลาก็เขาเรียกว่ามองลงน้ําก็มีแต่ปลามองขึ้นฟ้าก็มีแต่ข้างคาวเนะี่ยนะอ๋อไม่สวยด้วยกลัวจะไปเกิดแถวนั้นเนี่ยนะหมอสวยคนเดียวฮะสวยด้วยหรอกกลัวจะไปเกิดบริเวณนั้นไปเป็นพวกข้างคาวเนี่ยนะ ปลาเนี่เยอะมากพอโปรยอาหารลงไปนี่ขึ้นมาพรุบเลยเนี่ยนะเยอะมากอาบายภูมิทั้งนั้นเนี่ยนะเพราะว่าเราเราก็แค่เปรีย บ, เ ป, ยบเปรียบว่าเออเนี่ยอาบายภูมิเดราชานภูมิมันก็เป็นอย่างนี้นะนี่ขนาดเดราชานภูมิแล้วเปรตภูมิเป็นต้นจะขนาดไหนเพราะพวกโลกาณานรกก็นับเนื่องในกลุ่มเปรตหรือกลุ่มมาสูรกายก็ได้แต่จริงๆก็เป็นกลุ่มนรกกลุ่มหนึ่ง พันสัตว์เหล่านั้นเนี่ยเกาะตุ้มเตมียมตุ้มเตมียมเหมือนข้างเขาเมื่อใดสัตว์เหล่านั้นคลานไปถูกฝ่ามือหรือไปโดนตัวแก่กันและกันเข้าเมื่อนั้นก็จะสําคัญว่าเรานี่พบอาหารแลว้ววิ่งหมุนไปรอบๆรอบะนะก็ทะเลาะกันต่อสู้กันชิงอาหาระนะเสร็จแล้วก็ตกลงไปในน้ําหนุนโลกเมื่อลมปะทะก็ขาดตรงตกลงไปในน้ําเหมือนผลมะสางพอตกลงไปแล้วก็ละลายเหมือนก้อนแป้งตกลงไปในน้ําที่เค็มจัดฉะนั้น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 มันมันเจ็บปวดเนี่ยนะคือตอนที่อะไรนะตอนที่เกาะ อ, อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันคงหนาวเหน็บเลยนะคงหนาวซะแล้วก็ตกลงไปอีกแล้วละลายเนี่ยนะมันน้ํากรดแช่เย็นเนี่ยนะมันเขามาเคยเกลุ่มน้ํากลั่นหรือน้ํากรดเนี่ยนะเคยเคยโดนผิวเนี่ยโดนผิวแล้วยามหน้าหนาวเย็นก็เย็นแล้วโดนน้ากรดเนี่ยคันทั้งคันด้วยนะทั้งคันด้วยแล้วก็เคยโดนอ่ะนะน้ํากรดเนี่ย นื่องออกนะแต่ดีว่าถ้าหากว่าแช่น้ํากรดเลยมจะขนาดไหน้เนาะนนะแค่โดนแค่นี้ๆหน่อยๆแค่ได้ว่าแทบจะเมือนแทบจะเหมือนไอระเหย น, น, น, น้ํากรดเนี่ยนะขนาดนั้นยังเจ็บโปดเลยมั้งกันแสดงว่าธาเจริญกุศลว่าไม่ดีเนี่ยสายได้น่ากลัวเมกันนะวตาเนี่ยต่อไปในข้อข้อที่บอกว่าดูก่อนพี่สุทั้งหลายข้อสิบสี่นะธรรมดามีอยู่ดังต่อไปนี้เรื่องธรรมดาว่า ในเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระครันของพระมารดาคือเมื่ออยู่ในครันไปแล้วเนี่ยนะเ ท, เทพพระบุตรหรือเท้าจาตุมหาราชย่อมเข้าไปรักษาในสีท่ทิศเท้าจาตุมหาราชนั้นมีความตั้งใจว่าใครใครใครๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์อย่าได้เบียดเบียนพระโพธิสัตว์หรือมารดาของพระโพธิสัตว์นั้นได้ข้อนี้เป็นธรรมดาเพราะเกิดในครันเท่านั้นแหละมี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 เท้ามหาราชในจั ก, กรวาล น, นี่แหละที่อยู่ในห้องแต่ว่าปกติก็มีเทวดากรมอื่น ท, ที่คอยดูแลอีกเยอะแยะท้ามหาราชมาจากหมื่นจั ก, กรวาลเนี่ยนะมันเท้ามหาราชมาดูแลกี่องค์ก็สี่หมื่นองค์นั่นเองถามว่าการรักษานี้เพื่อประโยชน์อะไรทําไมต้องรักษาเพราะว่าถ้าหากว่าตั้งแต่การแห่งกาลละตั้งคืนนับตั้งแต่ปฏิสนธิของ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 ผู้อื่นแลว่าไม่มีใครทําลายอะไรได้แต่เหตุผลที่เทพพระบุตรถืออารักขาเนี่ยนะเหตุผลนั้นก็เพื่อป้องกันสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายนะป้องกันความหวาดสะดุ้งอ่ะนะคือเมื่อพระโพธิสัตว์หรือมารดาของพระโพธิสัตว์จะได้ไม่ต้องกลัวหรือมารดาของพระโพธิสัตว์อาจจะกลัวได้ใช่ไหมกลัวเพราะอะไรเพราะเห็นรูปหรือฟังเสียงของอมนุษย์ที่มีรูปพิการ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 อนุภาพแห่งบุญที่พระโพธิสัตว์จัดการป้องกันอารักขาผู้ที่ควรแก่อารักขามามากในอดีต ท, ท่านทําบุญไว้เยอะอนะเพราะฉะนั้นเดชแห่งบุญอันนี้ทําให้เท้าจ่าตุล ม, มหาราชเกิดความเคารพเพราะเพื่อจะประกาศความเคารพจึงทําอย่างนี้เพราะเนื่องจากเคารพนั่นแหละก็เลยมาคอยดูแลคอยบํารงคอยรับใช้คอยป้องกันเพศภยัยอันตรายทั้งหลายก็แสดงว่าเป็นผู้มีบุญผู้มีบุญก็จัดให้มีการ อารักขาได้หรือผู้ที่มาอารักขาก็ามาด้วยความเต็มใจก็เพราะมีบุญแต่ถ้าคนหมดบุญน่ะพวกอารักขานั่นแหละจะฆ่าก็มีพวกกษัตริย์หรือผู้ยิ่งใหญ่หลายๆคนเนี่ยนะที่ตายเนี่ยไม่ได้ตายเพราะคนไกลตัวฆ่าะก็คนใกล้ๆนั่นแหละฆ่าเนี่ยนะทางยุโรปก็มีหลายคนเนี่ยนะที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนั่นะคนใกล้ๆตัวนั่นแหละฆ่าทิ้งเพราะว่าอะไรเพราะหมดบุญตอนมีบุญเขาก็มาดูแล ตอนหมดบุญก็ก็เหมือนอะไรก็เหมือนกับแบบในโลกเนี่ยคนที่มีบุญก็ใช้รถไปเมื่อหมดบุญเนี่ยอะไรพวงมาลัยนั่นแหละกระแทก อ, กอกตายอยู่ตรงนั้นแหละมันก็แล้วแต่บุญเนี่ยนะก็แล้วแต่บุญเพราะั้นอย่าไปคิดว่าแหมตลอดไปใช่ไหมก็ถ้ามีบุญก็มีทุกอย่างมาป้องกันดูแลรักษาหมดถ้ามหมดบุญน่ะไอสิ่งที่รักษาเนั่นยแหละมันจะมาทําลายเนี่ยนะอยู่ที่บุญแต่พระโพธิสัตว์นั้นอบุญของท่านเนี่ยทําให้มีผู้ที่คอย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 พระองค์อาบน้ำเวลาตบแต่งพระวรากายคือแปลเวลาเวลาแต่งตัวหรือเวลาสเสวยพระกยาหารหรือเวลาเข้าห้องน้ำขับถ่ายปัสสาวะเป็นต้นเนี่ยนะจะไม่แสดงตัวจะแสดงตัวเวลาที่ใช้เวลาอิริยาบถปกติเนี่ยทเทวดาจะแสดงตัวให้เห็นอ้าวแล้วถามว่าปกตินะบุคคลเมื่อเห็นอนมนุษย์ทั้งหลายก็จะกลัวกันไม่ใช่หรือ เพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายโดยปกตินี้กลัวอัศมมนุษย์มารดาพระโพธิสัตว์ไม่กลัวหรือบอกว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นมารดาของพระโพธิสัตว์เห็นอัมมนุษย์เนี่ยนะด้วยบุญญาณุภาพของมารดาพระโพธิสัตว์ด้วยและด้วยอนุภาพของโอรสที่อยู่ในคันด้วยทําให้ไม่กลัวอัมมนุษย์ปกติเนี่ยมนุษย์จะกลัวอัมมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์ทั้งหลายจะกลัวแต่นี้ไม่กลัวเพราะอะไรเพราะบุญของท่านเป็นผู้มีบุญอยู่แล้วและบุญของลูกด้วยทําให้แม่ไม่กลัว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 ก็บอกว่าจิตที่คิดจะฆ่าสัตว์อื่นไม่มีแก่มารดาพระโพธิสัตว์ทั้งชาติด้วยนะเกิดมาไม่เคยคิดฆ่าใครเลยนะเกิดมาไม่เคยคิดจะต้องว่าเอาของของคนอื่นเลยด้วยอธินนาทานด้วยอกุศลเนี่ยนะไม่มีเกิดมาเนี่ยนะเจตนาในการประพฤติผิดในกามไม่มีเลยเจตนาที่เป็นเหตุให้พูดเท็จทั้งที่รู้อยู่เนี่ยไม่มีเลยเจตนาที่จะไปดื่มน้ําเมาคือสุราและเมไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็ไม่มีเลยสําหรับ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 สุโธธนะเนี่ยนะแต่ต่อเมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่ครันของพระพุทธมารดาแล้วเนี่ยใครๆไม่สามารถจะนั่งณบาทมูลได้หมายความว่าแม่ของพระโพธิสัตว์ไม่สามารถไปนั่งเท้าเท้าใครได้เลยไม่สามารถก้มกราบใครได้อีกต่อไปเพราะอะไรเพราะอนุภาพของพระโพธิสัตว์ในชาติสุดท้ายนั้นยิ่งใหญ่มากไม่สามารถที่จะไปก้มกราบใครได้เพราะฉะนั้น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 ข้อสิบหบอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้ว่าในเวลาที่พระโพธิสัตว์ลงสู่ครันของพระมารดาพระมารดาของพระโพธิสัตว์ย่อมไม่เกิดความคิดด้วยกา ม, มคุณในบุรุษทั้งหลายนี่นะไม่เคยมีความคิดที่จะต้องอไปเกี่ยวข้องกับชายผู้ชายเลยพแบบนั้นเลยมารดาของพระโพธิสัตว์ย่อมเป็นหญิงที่บุรุษใดๆซึ่งมีจิตกําหนัดแล้ว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 ในมนุษย์รายๆเริ่มต้นด้วยพระบิดาพระโพธิสัตว์เป็นต้นย่อมไม่เกิดแก่พระมารดาพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นพระมารดานั้นไม่มีจิตคิดอสัตย์ธรรมกับผู้ชายใดๆทั้งนั้นโดยที่สุดแม้แต่สามีของตนเหมือนั้นหรือขนาดคนที่นะมีศิลปะถึงจะฉลาดก็ไม่สามารถจะวาดรูปพระมารดาพระโพธิสัตว์ลงในบใบลานเป็นต้นได้จิตรกรไม่สามารถแต่งภาพได้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 พระราชาไม่เฉพาะแต่พระเจ้าสุธโทธทนะเป็นต้นนะที่เป็นพุทธบิดาที่คอยดูแลเท่านั้นพระราชาเมืองอื่นๆโดยโรอบได้ข่าวว่าพระโอรสเห็นตาณ น, นี้อุบัติในพระคันของพระเทวีคือการที่พระเทวีมีคันเนี่ยรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเมืองอื่นๆอีกร้อยเมืองด้วยกันนั้นกษัตริย์เหล่านั้นก็จะส่งบรรณาการอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีในทวานห้า เรียว่ามีรูปสวยมีเสียงเพราะมีรัตนะแก้วแว่นเงินทองก็จะส่งมาเป็นบรรณาการนะส่งแก้วแว่นเงินทองมาเป็นนับรรณาการมีเครื่องดนตรีพิเศษพิเศษเหล่าใดก็จะคอยส่งมาเนี่ยนะพันมารดาพระโพธิสัตว์จึงได้รับแต่อารมณ์ที่หน้าปรารถนาเห็นแต่รูปที่น่าปรารถนาอย่างเดียวฟังก็ฟังแต่เสียงที่น้าปรารถนารู้กลิ่นก็รู้เฉพาะกลิ่นที่หน้าปรารถนารู้รสนะรอบกระทบสัมผัสทุกอย่างล้วนแต่หน้าปรารถนา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 ถ้าคนไม่มีบุญมาเกิดเนี่ยนะโอ้ยแม่ปกติรวยเนี่ยนะล้มละลายทันทีเลยเพราะลูกเกิดมาเนี่ยนะมันมันมันเกี่ยวข้องกันบางคนก็บอกเอกรรมของพ่อกรรมของลูกกรรมของแม่กรรมของลูกมันเกี่ยวขันด้วยหรือมาคิดง่ายๆอีกคนหนึ่งป่วยอีกคนที่เหลือมีความสุขหมดเลยใช่ไหมไม่เครียดกันทั้งบ้านนั่นแหละนั้นมันอีกคนหนึ่งมีปัญหามันจะเดือดร้อนไปอีกหลายๆคนเนี่ยนะถ้าอีกคนหนึ่งดีอีกคนหนึ่งก็ได้รับความสบายใจตามไปด้วย เพราะฉั้นบุญบาปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวข้องกันอะอย่างสมมุติถ้ามีใครมาเมาเออะอรารวาสอยู่ตรงนี้อ่อของพวกเราจะนั่งฟังธรรมอย่างมีความสุขเลยไหม <Beng i> บอกยากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกันนะบาปก็เกี่ยวข้องกั น, กนบุญก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันได้แต่มายความว่าเรียกอะไรนะกลิ่นไอหรือไออุ่นแห่งบาปเนี่ยนะหรือว่ากลิ่นไออุ่นแห่งบุญเนี่ยมันก็สามารถที่จะเกี่ยวข้องกันได้สัมผัสกันได้เนี่ยนะ ันถ้าคนมีบุญมาเกิดก็พลอยให้คนอื่นสบายไปด้วยไอ้คนหมดบุญมาเกิดคนอื่นเดือดร้อนหมดเลยเนั่ยนะกนะ็หยุดมันมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆถ้าสังเกตดูชีวิตเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็แล้วแต่ว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลเช่นใดเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับผู้มีบุญก็สบายเกี่ยวข้องกับคนมีหมดบุญก็โออันตรายเนี่ยนะก็อันตรายก็มีอยู่เท่านี้แหละทัานพระโพ ธ, ธิสัตว์เนี่ย แ, และตัวมารดาพระโพ ธ, ธิสัตว์เองเนี่ยนะ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 อาพาธใดๆย่อมไม่เกิดแก่พระมารดาของพระโพธิสัตว์เลยแม่เนี่สุขภาพดีเยี่ยมเหมือนกันพระมารดาของพระโพธิสัตว์ย่อมทรงสําราญพระองค์ไม่ลําบากพระกายมารดาของพระโพธิสัตว์สามารถทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ซึ่งเสด็จอยู่ภายในพระคันมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องนะมองเห็นลูกในท้องเลยแม่ก็สุขภาพดีเยี่ยมมองเห็นลูกในท้อง นะเหมือนลูกแก้วอยู่ในท้อ ง, ห ง, งเหมือนอะไรดูก่อนพิ่สูตทั้งหลายเปรียบเหมือนแก้วไพลทูลอันงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์เป็นแก้วไพลทูลที่มีแมีแปดเหลี่ยมนายช่างเจรไยดีแล้วสุขแวววาวสมส่วนทุกอย่างมีได้สีขาวสีเขียวสีเหลืองสีขาวสีแดงสีนวลร้อยอยู่ภายในบุรุษผู้มีจักษุพึงหยิบแก้วไพลทูล น, นี้นั้นอ่ะวางไว้ในมือแล้วก็พิจารณาวันนี้แก้วไพลทูลที่งดงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์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 มารดาเห็นพระโพธิสัตว์เห็นทําเพื่ออะไรเห็นทําไมตอบว่าเพื่อจะได้อยูยอนนะ่อย่างสบายนะอย่างสบายหมายว่าใครอยู่สบายพระโพธิสัตว์จะได้อยู่สบายนะมีบุญกันอย่างนี้นะมันยังอยู่ในขันนี้ก็มีผู้ที่คอยดูแลห่วงใยเอาใจใส่ทุกอย่างอนะถ้าผู้ไม่มีบุญมาเกิดนี่แม้จะคลอดเม่ไรนะบ น, นําคานทุกวันทุกวันนั่นแหละนะเหมือนอย่างว่ามารดานั่งหรือนอน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 แปลกนะแม่บางคนเนี่ยพอลูกอยู่ในคันเนี่ยนึกอยากสูบบุหรี่ขึ้นมาเลยท่านีเริ่มติดบุหรี่ตั้งแต่เมื่อไรหร่รอกติดตั้งแต่มีลูกเหมือนกันเริ่มมีลูกปั๊บเริ่มอยากสูบบุหรี่เลยแม่บางคนเนี่ยชอบดื่มสุราตั้งแต่ลูกมาเกิดในคันก่อนหน้านั้นไม่เคยมีความคิดว่าตัวเองจะต้องดื่มสุราเลยตั้งแต่ไม่รู้ว่ามีลูกคนนี้ปั๊บเริ่มอยากดื่มสุราขึ้นมาทุกที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 สมมติว่าไปร้านอาหารเนี่ยถ้าลูกอยากทานอะไรเนี่ยแม่จะสั่งอาหารชิ้นนั้นไหมโดยมากก็ทําตามใจลูกอย่าลืมว่าอาการเกี่ยวข้องกันเนี่ยนะอีกคนหนึ่งชอบอีองมันเป็นปัจจัยให้อีกคนหนึ่งอ่ะชอบแบบนั้นตามไปด้วยนะก็อย่างแม่กับลูกถ้าแม่เอ่ออย่างลูกมีอัธยาศัยอีกอย่างหนึ่งแม่ก็จะโอนอ่อนตามลูกมันมันมันเกี่ยวพันกันแต่ถ้าสําหรับผู้มีศีลก็จะเกี่ยวพันกันเนี่ยนะคนดีมาเกิดก็ให้อีกคนหนึ่งดีไปด้วยะนะตอนี้อ่ะ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 อายุติด้วยกรรมอ่ะนะยุติเป็นไปตามกรรมหมดแต่ว่าถามว่าน่าสงสารไหมบอกน่าสงสารเพราะว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ไงมันก็ทุกข์อย่างนี้แหละเจริญเติบโตมากกว่าจะตายก็ทุกเพสทุกเกิดแก่เจ็บตายตา ย, ตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ทุกข์วนอยู่อย่างงี้ไม่มีจบมีสิ้นเนีๆๆ่ยนะมีอะไรมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละนัๆๆ่นนะมีแต่ความเจ็บปวดแต่ความทุกข์เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ว่างเปล่าเนี่ย พอผ่านไปแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าไอตอนปวดมันก็ปวดจริงๆเนะี่ยแต่ว่าผ่านไปมันก็ไม่มีอะไรมันสำหรับพระโพธิสัตว์ผู้ที่สั่งสมบุญมาเนี่ยนะแม้แต่อยู่ในครันแม่ก็คอยดูแลรักษาคนเป็นต้นคนแม้กระทั่งเทวดายังต้องมารักษาว่างั้นเทวดามาช่วยปกปักรักษาเป็นต้นแม่ก็ดูแลอย่างดีแต่ถ้ากล่าวไปแล้วเนี่ยนะหลังจากที่พระองค์เกิดมาพระองค์ก็ช่วยให้ผู้อื่นได้รับความสุขเท่าไหร่ะ เครื่องสการะที่สัตว์ทั้งหลายทําแก่พระองค์เนี่ยชื่อว่าเล็กน้อยถ้าเทียบกับพระองค์ทําแก่บุคคลอือ่นช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยนะถ้าเทียบแล้วเนี่ยเล็กน้อยมากเลยนะที่สัตว์พสัตทั้งหลายที่ว่าไปช่วยท่านเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องตินเรื่องรถเรื่องอะไรทั้งหลายที่ที่ทำเพื่อพระองค์จริงๆแล้วทําเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับพระองค์ทําแก่สัตว์ทั้งหลายทําเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขนะเพื่อเกื้อกูลแกโลกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้น สิ่งที่พระองค์ทำนั้นหาประมาณไม่ได้เพราะช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากอบายทุกขติวิริบาทช่วยให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากวัตตะสงสารพ้นจากพพที่น่ารังเกียจเนี่ยนะสำหรับพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในคันของพระพุทธมารดานั้นพระพุทธมารดานั้นมองเห็นอยู่คอยดูแลพระโพธิสัตว์เพื่ออยู่อย่างสบาย พระ อ, องค์นั้นมองเห็นพระโพธิสัตว์นั่งขัดสมาธิก็คือปกติก็นั่งแบบคล้ายๆนั่งขัดสมาธิอ่ะนะมันจะแบบนั่งขัดสมาธิแบบแม่คนเข้านั่งเข้าฌานอะไรแต่ว่าก็คือแบบคล้ายๆว่านั่งแบบเหมือนคนนั่งสมาธินั่นเองเหมือนอย่างว่าสัตว์เราอื่นนะสัตว์เราอื่นเวลาอยู่ในคันท้องก็บีบพงอ่ะพองก็บีบแล้วก็พงแขวนกระเพาะทําแผ่นท้องไว้ข้างหลัง อาศัยกระดูกสันหลังวางคางวางคางแล้วก็ก้มบนกากำมือนะนั่งเจจาเหมือนลิงที่โพรงไม้เมื่อฝนตกฉันใดเราเคยเห็นรูปถ่ายของเด็กในคันไหนั่นแหละเหมือนลิงในโพรงไม้ฉันใดสำหรับพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในคันมันสำหรับพระโพธิสัตว์ผู้ที่สั่งสมบุญมาเนี่ยนะ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 ไว้ข้างหลังนั่งขัดสมาธิหันหน้าไปทางอทิศตะวันออกดูดพระธรรมกระถึกนั่งบนธรรมะปกตินะถ้าเด็กในคันทั่วๆไปก็จะหันหันหันหันหลังออกนอกหันหน้าเข้าในแต่พระโพธิสัตว์นั้นตรงกันข้ามนันะหันหน้าออกนอกหันหลังเข้าในพระโพธิสัตว์ประทับอยู่ในพระคันของพระมารดาเนี่ยไม่เห็นพระพุทธมารดานะแต่พระพุทธมารดานั้นมองเห็น พระโพธิสัตว์เพราะถือว่าจักขูวิญญาณไม่เกิดในท้องเนี่ยนะก็ไม่ได้มองเห็นอะไรต่อไปในข้อข้อสิบเก้าเนี่ยนะดูก่อนพิสูนทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติแล้วได้เจ็ดวันพระมารดาพระโพธิสัตว์ย่อมที่วงคตแล้วก็เสด็จเข้าถึงสวรรค์ชั้นดุสิตข้อนี้เป็นธรรมดาในเรื่องนั้น นะเกิดได้เจ็ดพระโพธิสัตว์ประสูดได้เจ็ดวันเนี่ยแม่ตายอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาพระโพธิสัตว์รู้มานานแล้วรู้ตั้งไงยังไม่เกิดนี่แหละนะรู้ตั้งไงยังไม่ตายชาติที่แล้วว่าท่านจะมาเกิดต่อเมื่อแม่มีอายุเท่าไหร่สิบเดือนกับเจ็ดวันเนี่ยนะแล้วก็เจ็ดวันนั้นอนะ่ะไม่ใช่ว่าพระโพธิสัตว์มาอยู่ในคันแนละ้วแม่รีบตายไม่ใช่นะรู้อยู่แล้วว่ายังไงภายในสิบเดือนเจ็ดวันหลังจากนี้ไปแม่ก็ต้องสิ้นพระชนแน่นอนนะ ถามว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องธรรมดาก็าธรรมดาว่างั้นบทว่ากาลังกรรติบอกว่าไม่ใช่ท่านสิ้นอายุเพราะการคลอดเป็นปัจจัยไม่ใช่ตายเพราะคลอดลูกตายนะด้วยว่าที่ที่พระโพธิสัตว์ประทับอยู่เนี่ยนะคันที่พระโพธิสัตว์อาศัยเกิดเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนกับเจดีเหมือนกับกุติของพระพุทธเจ้าไม่ควรที่ผู้อื่นจะร่วมใช้สอย คือไม่ใช่ใช้ปะปนยุ่งกันไปหมดเนี่ยนะไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรก็ไม่ใช่แบบนั้นอันหนึ่งใครใครไม่สามารถจะนําพระมารดาพระโพ ธ, ธิสัตว์ไปดํารงอยู่ในฐานะอัครเมเหสีผู้อื่นได้ก็คือแม่ของพระโพ ธ, ธ, ธิสัตว์เนี่ยนะจะไปเป็นแบบว่าจะกลับไปเป็นเมียของใครอื่นอีกต่อไปไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นพระชนมายุ ข, ของพระมารดาพระโพ ธ, ธิสัตว์จึงมีประมาณเท่านั้นพระนางจึงทิวที่วงโคดคือ สิ้นพระชนชีพเนี่ยนะเจ็ดวันหลังจากที่ประสูนย์พระโอรสถามว่าก็มารดาพระโพธิสัตว์นั้นที่วงคดในวัยไหนก็คือวัยมีสามเนี่ยปฐมมาวัยมัชชิมะวัยและปชิมวัยตอบว่ามัชชิมวัยเนี่ยนะก็คือช่วงวัยกลางๆคนนะนะเพราะอะไรเพราะว่าอัตภาพของสัตว์ทั้งหลายในปฐมวัยปฐมมาวัยนี้คือถ้าอายุร้อยปีก็ไม่เกินสาสิเนี่ยนะ ไม่เกินสามสิบหรือว่าสามิบต้นๆ น, น, นิดๆเนี่ยนะฉันธราคาคือตันหาย่อมมีกำลังเพราะฉะนั้นหญิงที่ตั้งคันในตอนนั้นจึงไม่สามารถจะรักษาคันเอาไว้ได้คันก็เจ็บมากส่วนแต่ถ้าหากว่าเลยมัชชิมวัยนี่ก็แบ่งออกเป็นสามส่วนอีกครั้งหนึ่งะนะก็ส่วนที่สามวัตถุก็เป็นของบริสุทธิ์ทารกที่เกิดในวัตถุบริสุทธิ์ย่อมไม่มี โรคเพราะฉะนั้นพระมารดาของพระโพธิสัตว์เสวยสมบัติในปฐมวัยประสูนย์ในส่วนที่สามของมชิมวัยแล้วที่วงคตอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่อันนี้ที่จริงถ้าสมัยใหม่เขาก็ไม่เขาไม่คิดแบบนี้นะคิดกันคนละอย่างทฤษฎีสมัยใหม่ถือว่าเด็กที่อผู้หญิงที่อายุไม่มากมีลูกจริงจะดีถ้าอยุเกินสามสิบไปแล้วสี่สิบไปแล้วเนี่ยไม่ดีเนี่ยนะเขาถือว่าไม่ดีเพราะว่าเด็ก เด็กก็สุขภาพไม่ค่อยดีสุขภาพกายก็ไม่ค่อยดีสุขภาพจิตก็ไม่ค่อยดีนะตามสถิตินิยมแล้วก็ดูแลโดยมากเด็กที่แม่ที่มีอายุมากแล้วมีลูกโดยมากลูกสุขภาพไม่ค่อยดีนะสุขภาพไม่ค่อยดีทั้งสุขภาพกายและใจนะทั้งปัญญาด้วยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าแต่สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ถือว่าต้องยกให้เป็นกรณีพิเศษที่ เอาคนอื่นมาที่บายไม่ได้เนี่ยนะซึ่งยังไงมันก็ไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วละ่ะผู้มีบุญถ้าเหมือนคนอื่นก็น่าจะมีคนอื่นไปเหมือนพระองค์บ้างอะ่นะแต่นี้ตั้งนานแล้วก็ไม่เห็นมีใครเหมือนเลยท่านพระองค์จึงไม่เป็นบุคคลที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนไม่มีผู้ใดเปรียบไม่มีผู้ใดเทียบบางคนก็จะแหมจะให้พระโพธิสัตว์แม่พระโพธิสัตว์มาเป็นเหมือนแม่เราให้เราเป็นเหมือนกับพระโพธิสัตว์บอกคนละองค์กันเนี่ยนะยี่ข้อต่อไปข้อยี่สิบ บอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังต่อไปนี้อีกว่าหญิงอื่นๆบริหารคันเนี่ยนะเกเดือนบ้างสิเดือ น, อนบ้างจึงคลอดสําหรับมารดาพระโพธิสัตว์หาเหมือนอย่างนั้นไม่พระมารดาของพระโพธิสัตว์นั้นบริหารคันพระโพธิสัตว์หมายความว่าบริหารพระโพธิสัตว์ในพระคามเนี่ยครบสิบเดือนท้ว น, นจึงประสูตรข้อนี้เรื่องนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะนะ เขาบอกว่าปกติทารกที่เกิดในแปดเดือนเนี่ยยังมีชีวิตทนมีชีวิตอยู่แต่ว่าทนหนาวทนร้อนไม่ได้ถ้าหากว่าเด็กอายุเจ็ดเดือนโดยมากที่คลอดเจ็ดเดือนเนี่ยโดยมากไม่รอดเว้นไว้แต่สมัยใหม่ที่มีการอบการอะไรเป็นต้นแต่ปกติแล้วยากที่จะรอดถึงรอดมาก็สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยนะบางคนก็มีอย่างเด็กที่คลอดตอนอายุประมาณเจ็ดเดือนเนี่ย มันก็มีสองส่วนก็คือหนึ่งสุขภาพกายไม่ค่อยดีสองกลุ่มที่สองก็สุขภาพจิตไม่ค่อยดีโดยมากก็จะมีปัญหาถ้าหาว่าเจ็ดเดือนเนี่ยนะแต่ถ้าเกินสิบเดือนไปละ่ะแม่เดือดร้อนแน่เด็กก็อยู่ในครันก็เดือดร้อนอนะในี่ในข้อยี่สิบเอ็ดต่อไปบอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้พระมารดาของพระโพธิสัตว์ย่อมไม่ประสูตดเหมือนหญิงอื่นๆหญิงอื่นๆเนี่ยซึ่งนั่งหรือนอนคลอด บางทีก็นั่งคลอดบางทีก็นอนคลอดส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ประทับยืนประสูน พ, พระพระโพธิสัตว์ข้อนี้เป็นธรรมดาในเรื่องนี้เนี่ยนะบอกว่าการขณะที่พระโพธิสัตว์คลอดอส่วนรายละเอียดเพิ่มในบาลีต่อไปอีกนิดนึงว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้ในเวลาพระโพธิสัตว์เสด็จประสูนจากพระคารพระมารดา พวกเทวดารับก่อนพวกมนุษย์จึงรับทีหลังข้อนี้เป็นเรื่องธรรมดาดูคับมพิสูจน์ทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้ในเวลาที่พระโพธิ ส, สัตว์เสด็จประชุมจากพระคันของพระมารดาและยังไม่ทันถึงแผ่นดินเทวบทสี่องค์ประคองรับพระโพธิสัตว์นั้นแล้วก็วางไว้เบื้องหน้าพระมารดาเรียกว่าคลอดมาปั๊บพระเทวดานี้อุ้มบอกแม่เลยว่ากราบทูลบอกว่า ขอจงมีพระไทยยินดีเถิดพระเทวีพระโอรสของพระองค์ที่เกิดเนี่ยมีศักย์ใหญ่อันนี้เป็นเรื่องวาธรรมดาแม้พระโพธิสอะไรนะเทวดานี่อุ้มบอกเลยนะอุ้มให้ดูเลยเนี่ยลูกเนี่ยไม่ธรรมดานะเป็นผู้มีศักย์ใหญ่มากนะใหญ่ขนาดไหนใหญ่ระดับพระพุทธเจ้ากันดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้ในเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จประสูตรจากพระคันของพระมารดา เสร็จประสู寿อย่างง่ายใดทีเดียวไม่เปื้อนด้วยน้ําไม่เปื้อนด้วยเสมหะไม่เปื้อนด้วยเลือดไม่เปื้อนด้วยสิ่งไม่สะอาดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผุดพ่องคือผิวของพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นผิวที่ละเอียดมากประมาณถ้าส่งน้ําไม่ต้องเช็ดตัวฝุ่นนี้ไม่มีเปื้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงสะอาดบริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนด้วยสิ่งใดออกมาเลย เหมือนอะไรเหมือนแก้วมณีย่อมไม่ทําผ้ากาสิกพัดให้เประเปื้อนเลยถึงแม้ผ้ากาสิกพัดผ้าแคนกาสีเนี่ยนะก็ไม่ทําแก้วมณีให้เปรอะเปื้อนก็เอาเอาเพชรเนี่ยนะเอาเพชรไปวางบนผ้าผ้าทำให้เพชรเปื้อนไหมผ้าสะอาดสาดนะนะเพชรทาให้ผ้าเปื้อนไหมผ้าทำให้เพชรเปื้อนไหมฉันใดอะนะ เพราะอะไรเพราะสิ่งของทั้งสองเป็นของที่บริสุทธิ์ฉั้นใดดูความพิสูจน์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันในเวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคานพระมารดาก็ประสูติอย่างง่ายใดยทีเดียวไม่เปรอะเปื้อนด้วยนะ้ําไม่เปรอะเปื้อนด้วยเสมหะไม่เปรอะเปื้อนด้วยโลหิตไม่เปรอะเปื้อนด้วยสิ่งไม่สะอาดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องข้อนี้เป็นธรรมดาในเรื่องนี้ มันอธิคธาอธิบายเพิ่มเติมบอกว่าเทวาปธรมังปฏิคันหันติบอกว่าเทวดารับก่อนนะนะเทวดาที่รับพระโพธิสัตว์จากขันเนี่ยหมายถึงพรมชั้นสุดทาวาสผู้เป็นพระขีณาสพหมายถึงพรมอรหันนะพรมที่เป็นพระอรหันเนี่ยมารับถามว่าเป็นอย่างไรในการนั้นพระมารดาพระโพธิสัตว์เนี่ยนุ่งนุ่งผ้าที่ประดับด้วยทองเช่นกับ ตาปรามเนี่ยนะมีสองชั้นคลุมตลอดพระบาทประทับยืนขณะนั้นมารดาพระโพธิสัตว์ได้ประสูดพระโอรสคลองอนะพระโอรสคลองเช่นกับน้ำไหลออกจากพระธรรมครกหรือผักน้ำที่ที่เขากองน้ำให้พระนะลำดับนั้นเทวดาที่มีเพศเป็นพรหมตามปกติเข้าไปรับด้วยขายทองคำกรถัดจากนั้นมาเท้ามหาราชทั้งสีเอาเครื่องราชทำด้วยหนังเสือเหลือง รับจากพระหัตถ์ของพรหมจากนั้นมนุษย์จึงรับด้วยผ้ารองสองชั้นอ น, นะขันจึงเทวดารับก่อนมนุษย์รับภายหลังเทวดาที่รับตอนที่ประสูตดออกมาเนี่ยไม่ใช่คลอดมาปั๊บตกเลยตุ๊บไปเลยไม่ใช่แบบนั้นพอคลอดผ่านจากพระคันมาปั๊บเนี่ยนะพรหมก็รับเมื่อพรหมรับเสร็จพรหมก็บอกว่าเนี้ยโอรสผู้มีศักย์ใหญ่มาเกิดนะดีใจเธอว่า ง, งั้นเสร็จแล้วก็ท้ามหาราชก็รับแล้วก็ยื่นให้มนุษย์มนุษย์จึงรับทีหลัง ที่บอกว่าเมหิสักโโหบอกว่าพระโอรสนั้นมีเดชมากมียศมากถึงพร้อมด้วยลักษณะบทว่าวิสุทธวานิฆมติความว่าไม่เสด็จออกเหมือนสัตว์เหล่าอื่นเพราะอะไรเพราะสัตว์เหล่าอื่นมักติดอยู่ที่ช่องคลอดคมแล้วคมอีกจึงจะคลอดคลอดยากมากว่างั้นเถอะมันบอกว่าบางท่านบอกว่ากระดูกไม่เคลื่อนเลยว่างั้น บอกว่าเกณนะอสุจินาความว่าพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นเหมือนสัตว์เหล่าอื่นสัตว์เหล่าอื่นนะปกติที่ขณะคลอดเป็นยังไงถูกลมกรรมชวาสเนี่ยนะพัดพัดอะไรให้เท้าขึ้นข้างบนหัวลงข้างล่างช่องคลอดเหมือนตกลงไปในเหวนรกชั่วร้อยบุรุษเหมือนช้างถูกฉุดออกจากช่องด่านสเสวยทุกใหญ่เปรอะเปื่อนด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆแล้วก็คลอดฉะนั้น ปกตินี้สัตว์ทั้งหลายโดยปกตินี่เป็นอย่างนั้นทุกร้อนมากเวลาคลอดสําหรับพระโพธิสัตว์นั้นลมเบ่งไม่สามารถทําพระโพธิสัตว์ให้มีเท้าขึ้นหัวลงได้พระโพธิสัตว์นั้นเป็นเหมือนกับถ้าธรรมก็ะถึกลงจากธรรมะนะลงจะเรียกว่าอะไรนะลงจากธรรมะก็คือลงจากเก้าอี้นะหรือเหมือนกับบุรุษเดินลงจากบันไดพระองค์เหยียบพระหัตถและพระบาททั้งสองประทับยืนไม่เปรอะเปื้อนด้วยอสุจิอย่างของไม่สะอาดอย่างใด ในพระคันของพระมารดาเลยผู้มีบุญมาเกิดนะผู้มีบุญคลอดก็เป็นอย่างนี้แหละดูก่อนพิสูจนทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้เวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จประสูตรจากพระคันของพระมารดาท่อน้าย่อมปรากฏออกจากอากาศสองท่อนะเป็นท่อน้ำเย็นอีกท่อหนึ่งเป็นท่อน้ำร้อนอีกท่อหนึ่งหรือว่าสายน้าร้อนกับสายน้าเย็นเนี่ยนะ ไหลมาจากอากาศสายน้ำร้อนสายหนึ่งสายน้าเย็นสายหนึ่งนะเป็นน้ำมาสำหรับสงสนานอาบให้แก่พระโพธิสัตว์และมารดาพระโพธิสัตว์นะความที่สายน้ำไหลมาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาบทว่าอุทกะทาราคือสายน้ำสายน้ำนั้นเป็นน้ำเย็นไหลออกจากหม้อทองน้ำร้อนไหลออกจากหม้อเงิน กล่าวนี้เพื่ออธิบายว่าแสดงว่าน้ําดื่มและน้ําบริโภคเป็นสายน้ําที่เล่นไปไม่ทั่วด้วยน้ําเหล่าอื่นเป็นน้ําที่ไม่เหมือนน้าอย่างอื่นนะเป็นน้ําที่ไม่เปรอะปื้อนด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดเพราะว่าเป็นน้ํามาจากอากาศไม่มีการกําหนดด้วยน้ําที่มาด้วยหม้อทองหม้อเงินอื่นๆที่ไหลไปสู่สะบกกรณีมีหังสวตสกะเป็นต้นแปลว่าไม่มีการไปตักมาให้ น, น, นะนะแปลว่าท่อน้ําสายน้ําไหลมาจากอากาศ อาบราบรถถือว่าเป็นน้ำที่สะอาดน้ำที่บริสุทธิ์ในข้อ26กดูก่อนพี่สูตทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้พระโพธิสัตว์ผูประสูตรแล้วได้ครู่หนึ่งประทับยืนด้วยพระบาททั้งสองอันสม่ำเสมอผินประพักไปด้านทิศอุดรเสด็จดำเนินไปได้เจ็ดเก้าและเมื่อฝูงเทพพย า, ยากั้นสเสวตฉัดตามเสด็จอยู่พระองค์ก็เลี้ยวแลดูทั่วทุกทิศ แปลงวาจาคือแปลงอาสพิวาจาว่าเราเนี่ยเป็นผู้ยอดหรือว่าเลิศอคะเนี่ยนะหมายมว่าสูงสุดสุดยอดของโลกว่างั้นเรานี่เป็นบุคคลสุดยอดชั้นยอดของโลกเศรษฐหะมัสมิเราเป็นผู้ใหญ่ที่สุดแห่งโลกนะหรือเป็นผู้เจริญที่สุดเนี่ยนะในบรรดาคนที่เป็นใหญ่เนี่ยนะคือเช่นพี่ใหญ่เป็นต้นพี่ชายใหญ่ผู้ที่ใหญ่กว่าเพื่อนเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่สุดแห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลกเศษโฮหมาสมิเป็นผู้ประเสริฐในระดับโลกวั ง, ง้งยิ่งกว่าโลกยิ่งกว่าทั่วทวไปเนี่ยนะอโคฮามาสมิเชตโธเศธโธ โ, โลกัสะอยะอะ น, นะความเกิดของเราครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายการคลอดจากคันหรือการอยู่ในคันเนี่ยมีเพียงเท่านี้การออกจากคันก็มีเพียงเท่านี้บัดนี้พบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจะไม่มีการเกิดใน คันเกิดในไข่เกิดในข้าวพลายหรือจะไปเกิดเป็นโอปปาติกะไปแสดงตนณพบใดพบหนึ่งหลังจากปรินิพานแล้วไม่มีอีกต่อไปเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ที่พระโพ ธ, ธิสัตว์แปลงอาสพิวาจาเนี่ยนะในอัตถกถากล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าบทว่าสัมปติชาโตคือประสูตได้ครู่หนึ่งนะอธิบายว่า พรมทั้งหลายรับพระโพธิสัตว์นั้นพอรับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ออกจากขายทองคําเท้ามหาราชทั้งสี่ก็รับด้วยเครื่องราชทําด้วยหนังเสือเหลืองจากพระหัตของพรมเหล่านั้นมนุษย์ทั้งหลายก็รับด้วยผ้ารองสองชั้นจากพระหัตของเท้ามหาราชทั้งสี่พระโพธิสัตว์หลังจากพ้นมือของมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็ประดิษฐานบนแผ่นดินบทว่าเสตมหิฉัชเตอนุธาริยมานีความว่า เมื่อเทวดากั้นเวตฉัตรที่ตามเสด็จอยู่ในบทนี้ยกตัวอย่างว่าสเวตฉัตรเนี่ยนะที่จริงแล้วเครื่องเครื่องราชกุฏพันธ์คือเรียกว่าเครื่องแต่งองค์ทรงกษัตริย์เนี่ยจะต้องครบห้าแต่นี้ยกมาเฉพาะฉัตรจริงแล้วหมายถึงพระขันคือดาบเป็นต้นนั่นเองที่เป็นบริวารของฉัตรบทว่าในเบญจราชกุฏภัณธ์เนี่ยนะก็คืออะไรฉัตร บอกว่าฉักเนี่ยปรากฏแต่คนถือฉักไม่มีพระขันพัดใบาตาเรียกพัดวาลวิชนีเนี่ยนะแส้หางนกยูงพัดวาลวิชนีกรอบพระพักก็ย่อมปรากฏแต่ว่าคนถือไม่ปรากฏในยะว่าเทวดาทั้งหลายไม่ปรากฏรูปถือเอาสิ่งของเหล่านั้นติดตามพระโพธิสัตว์ไปอย่างที่ท่านกล่าวว่าพวกเทวดากั้นสเสวตฉัรมีกั้นไม่น้อยมีมนพลพันหนึ่งบนอากาศ ฉัดที่ที่ที่เป็นร่มเนี่ยนะมี ม, มีมีก้านเป็นพันน่ะใช้ไม้เท้าทองคำพัดจามนโบกสะพัดไปมาโบกสะบัดไปมาแต่ไม่เห็นผู้ถือเพราะอะไรเทวดาถือแต่ว่าพัดจามนและฉัดเนี่ยมีปรากฏให้เห็นบทว่าสัพพาจะที่สานี้ท่านกล่าวดุจพระโพธิสัตว์ประทับยืนหลังจากเสด็จยางพระบาท 7, 9, เจ็ดเก้าเลี้ยวดูมองทิศทั้งหมด อธิบายตามลำดับว่าพระโพธิสัตว์นั้นหลังจากพ้นจากมือของมนุษย์แล้วประดิษฐานบนแผ่นดินพระองค์นั้นก็แลดูทิศตะวันออกคือตอนแรกก็ไม่ใช่ว่าคลอดเสร็จเดินเลยทันทีเลยนะคลอดเสร็จก็ประทับยืนพอประทับยืนก็ดูทิศตะวันออกก่อนหลายพันจั ก, กรวาลก็ได้เป็นเนินเดียวกันตลอดเป็นพันพันจั ก, กรวาลเนี่ยมองเรียกว่าเหมือนกับคนที่มองไกลมองเห็นไกลมากอนะเป็นพันจั ก, กรวาล ณที่นั้นเทวดาและมนุษย์ต่างก็บูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นพากันกล่าวว่าข้าแต่พระมหาบุรุษในโลกนี้แม้คนเช่นพระองค์ก็ไม่มีจะหาคนที่ยิ่งกว่าพระองค์เนี่ยมาจากไหนขนาดคนระดับเดียวกันแบบนี้เนี่ยตอนนี้ไม่มีเลยในทิศนี้คนที่ยิ่งกว่าไม่มีรอกพระองค์ก็เลี้ยวไปในทิศใหญ่ทั้งสี่ทิศคือทิศตะวันออกทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันตก ทิศเฉียงเฉียงสับวางสี่ทิศทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนพระองค์ก็ไม่เห็นคนแม้เช่นกับพระองค์คนที่เช่นกับพระองค์ไม่มีคนที่ยิ่งกว่าจะมีมาจากไหนแล้วพระองค์ก็คิดต่อไปก็ตรวจดูวันนี้ทิศนี้เป็นทิศเหนือถ้าเด็กที่หลงมาเกิดเนี่ยนะขณะที่คลอดออกมาแล้วหลงลืมเบลอไปเลยเนี่ยจะจําได้ไหมว่าทิศไหนเป็นทิศไหนแต่พระองค์ไม่ต้องมีคนมาบอกพระองค์กําหนดได้ว่าทิศนี้เป็นทิศเหนือแล้วก็บ่ายพระพักไปทางทิศเหนือทิศเหนือเน้นอ่ะ อุดออุตระเนี่ยแปลว่าหมายความว่ามันสูงมันพ้นอ่ะนะมันพ้นจากอย่างอื่นหมดพระองค์ก็บ่ายพระพักไปเดินไปเจ็ดเก้าบทว่าอาสพิงแปลว่าสูงสุดเนี่ยนะอาสพิวาจาก็วาจาที่สูงสุดเป็นวาจาที่แหมเยี่ยงกับเรียกว่ายิ่งกว่าเสือคำรามอีกเหมงอนกันเถื่ยิ่ยงกับเหมือนกับบรรลือีหนาฏเหมือนกันเป็นวาจาที่ประเสริฐสูงสุดว่าอักโว อโครหรืออัคะที่แปลว่า ย, ยอดบางทีก็แปลว่า ย, ยอดหมายถึงว่าเป็นที่หนึ่งของชนทั้งหมดด้วยคุณธรรมคือหลังจากนี้ไปเนี่ยนะไม่มีผู้ใดยิ่งกว่าพระองค์ด้วยคุณธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นอีกแล้วพระองค์จึงชื่อว่าเป็นที่หนึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายส่วนอะ น, นะอับเชโิเโธเศธโธก็หมายถึงว่าสุดยอดนะนะผู้เจริญที่สุดผู้ประเสริฐที่สุดคนดีที่สุดผู้ที่อะไรถึงที่สุดเนี่ยนะที่สุดของสรรพสัตว์มีเท่านี้แหละ ในอ่าก็คือพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์นั่นแหละถือว่าสูงสุดแล้วในบรรดาสัตว์สองเท้าสัตว์4เท้าสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์มีสัญญาสัตว์ไม่มีสัญญาหรือว่าเนวสัญญานาสัญญาหรือว่าสัตว์มีสัตว์มีรูปสัตว์ไม่มีรูปสัพพสัตว์ทั้งมวลเนี่ยสุดยอดของสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้าถึงจุดสูงสุดของสัพพสัตว์แล้ว พระโพธิสัตว์นั้นพยากรอรหัตของพระอารหัตของพระองค์ที่จะบรรลุในอัตภาพนี้ด้วยบทสองคำสุดท้ายว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ของเราไม่มีอีกต่อไปก็ประกาศว่าที่จริงนะก็เท่ากับประกาศว่าพระองค์นี่สุดยอดของผู้มีคุณธรรมแล้วก็บอกด้วยนะว่าพระองค์ชาตินี้จะเป็นพระอรหันต์ชาตินี้คือพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะอายะมันตินถิชานิปุณฺภะโวเนี่ยนะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่สุดของการเกิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นบัตร ต่อไปนะพบใหม่ไม่ว่าจะเป็นกาประพบรูปประพบอรูปประพบไม่มีอีกสำหรับพระองค์ต่อไปเันที่สุดแห่งพบแล้วพบใหม่ไม่มีอีกแล้วก็มีขณะที่พระองค์ประสูตรนั้นก็มีปุพนิมิตเนี่ยนะบุพนิมิตเครื่องหมายบอกล้าอย่างในตอนนั้น ทราบอะ น, นะการประดิษฐานบนแผ่นดินด้วยพระบาทเสมอกันอันนี้เป็นบุพนิมิตเครื่องหมายแห่งการได้อิทธิบาทสี่ประการคือมนุษย์วางเสร็จพระองค์ก็ประทับยืนเลยเท้าทั้งคู่ที่แข็งแกร่งประกาศว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีอิทธิบาทสี่พระองค์มีอะไรมีอะ น, นะบาทเป็นที่รองรับแห่งความสําเร็จคุณธรรมสี่ประการที่รองรับความสําเร็จของพระองค์ก็คืออะไรบ้างอิทธิบาทฉันทิฐิบาทเนี่ยนะบาทแห่งความสําเร็จคือฉันท้า วิริยะจิตตะและวิมังสาคุณธรรมทั้งสี่ประการเหล่านี้เป็นบาตรให้พระองค์นั้นประสบความสําเร็จเนี่ยนะถ้าเบื้องต้นเขาเรียกว่ า, าถ้าเบื้อกถ้าโลกิยะเขาเรียกว่าอธิบดีถ้าโลกุตระเขาเรียกว่าอิทิบาสมางั้นเสร็จแล้วพระองค์ก็บ่ายพระพักหันไปทางทิศอุดรหรือทิศเหนืออุดรก็อย่าลืมว่าโลกุตระนะเป็นการเสด็จครอบงำปราบปรามมหาชนแปบลบว่าสุดยอดครอบงำ คนที่อยู่สูงกว่าจึงจะครอบงำคนที่อยู่ระดับล่างกว่าแล้วนะบทว่าเสด็จย่างพระบาทเจ็ดเก้าอันนี้เป็นบุพภณิมิตแห่งการได้รัตนะแก้วอันประเสริฐคือโพ่อชงเจ็ดเก้าที่หนึ่งสติสัมพ่อชงนะนะประกาศเหมือนว่าเก้าที่หนึ่งเหมือนสติสัมพ่อชงเก้าที่สองเหมือนธรรมวิจยะสัมพ่อชงเก้าที 3, ่สามวิ 4, ริยะสัมโพ่อชงเก้าที่สี่ปัสสัตทิสามปีติสัมพ่อชงเก้าที่ห้า ปัจสถที่เก้าที่หสมาธิแล้วเก้าสุดท้ายก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์เพราะการเก้าไปเก้าไปทิศเหนือทิศเหนือหมายถึงโลกุตระเนี่ยนะทิศเหนือหมายถึงโลกุตระการที่จะแทงตลอดโลกุตระเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติตามโพชฌงค์แล้วเป็นไปได้ไหมตอนแรกก่อนพระองค์ปดิสถานดํารงมั่นอยู่ด้วยสติปัตตะอิทิบาสีําเนินไปตามโพชฌงค์จึงได้ตรัสรู้เสร็จแล้วคําว่ามีสเสวตฉัตรเสวตฉัตรก็คือฉัตรสีขาวที่เป็นทิพ ที่มากั้นประกาศว่าพระองค์นี้ได้ฉัดอันประเสริฐคือวิมุตต์วิมุตต์อะไรอรหัตตะผลวิมุตต์นั่นเองก็ต้องได้ระดับอรหัตตะผลที่เป็นเหมือนกับร่มที่ปกปิดดูแลได้อย่างดีส่วนการได้ราชกุกุตพันห์5เนี่ยเป็นบุคพลิมิตแห่งการหลุดพ้นด้วยวิมุตห้าวิมุตห้าก็คือต่ทางข้าววิมุติวิขมพนาวิมุติสมุเฉทวิมุติปฏิปัสสทิวิมุติและนิสรณวิมุติตทางข้าววิมุติเป็นวิปัสนา วิขมพนวิมุติเป็นสมถะถ้าตะทางควิมุติวิขัมพนวิมุตผนึกกําลังประชุมเคียงคู่กันก็เป็นสมุทเฉทวิมุตคืออริยมรรผลแห่งสมุทเฉทวิมุติคืออริยผลทั้งหลายอารมณ์ของอริยมรรอริยผลและเป้าหมายแห่งการเจริญวิขำพนาวิมุตตะทางควิมุติก็คือนิสรณวิมุตคือพระนิพาณนั่นเองพันการที่มีเครื่องราชกุกดพันเนี่ยนะ หรือว่าองค์ประกอบของพระราชาที่จะอภิเศกเนี่ยก็หมายถึงนิมุติการหลุดพ้นทั้งห้าประการของพระองค์เน่ยนะหลุดพ้นจากวิปลาสหลุดพ้นจากนิวรณ์หลุดพ้นจากสังขารธรรมหลุดพ้นจากสังคตธรรมหลุดพ้นจากวัตะนั่นเองส่วนการเหลียวดูเล่การเหลียวดูทิศทั้งหมดเนี่ยนะทั้งสิบทิศอันนี้เป็นการได้อนาวรณญาณเป็นญาณที่ไม่ติดขัดนะนะอย่างเหมือนอย่างว่าพอคลอดออกมาพับดูหน้า แปลว่าดูทิดข้างหน้าทิดข้างซ้ายข้างขวาทิดเฉียงเฉียงทิศบนทิศล่างดูอย่างไม่ติดขัดเนี่ยนะฉันใดอันนี้ก็แปลว่าอนนาวรณายามพระองค์มียามที่ไม่ติดขัดในการสามนะมียามที่ไม่ติดขัดปรารถนาจะรู้ประสงค์จะรู้ก็สามารถที่จะรู้ได้อย่างทุกอย่างตามพุทธประสงค์ตามสมความประสงค์ส่วนการเป่งอาสพิวาจาเนี่ยนะเป่งอาสพิวาจาวาจาที่ประเสริฐ นะเปรียบเหมือนอะไรเหมือนโคที่ที่ร้องนะอาสพิอาสภะหมายถึงโคโคตัวประเสริฐที่ร้องนะโคตัวประเสริฐที่ร้องฉั้นใดการที่เปลงอาสพิวาจานั้นเป็นเครื่องหมายแห่งการเป็นไปแห่งพระธรรมจักรที่ปฏิวัติไม่ได้เป็นการที่พระองค์สามารถประกาศธรรมจักรที่ผู้ใดปฏิวัติไม่ได้นะนะ แล้วก็เป็นธรรมจักรที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วพระองค์สามารถประกาศให้มีขึ้นในโลกเนี่ยอปติวัตติยังเนี่ยอปติวัตติยังก็คือเป็นธรรมจักรที่ไม่มีใครปฏิวัติได้เป็นธรรมจักรที่ไม่เคยมีแล้วมามีขึ้นเนี่ยนะการที่พระองค์เปล่งวาจาอันนั้นเนี่ยเป็นการว่าพระองค์ได้ประกาศพระธรรมจักรแน่นอนก็คือประกาศอริยสัจธรรมประกาศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ดื่มอมะตะธรรมส่วนบท ที่เปล่งสีหานาคว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเนี่ยนะพบใหม่ไม่มีต่อไปอันนี้ก็หมายถึงว่าพระองค์นั้นจะได้อนุปาทิเสสนิพานแปลว่าทิ้งรูอ่ทิงท้งตานี้แล้วไม่ถือเอาดวงตาอันใหม่ทิ้งหูแล้วก็ไม่ถือเอาหูอันใหม่ทิ้งจมูกไม่ถือเอาจมูกใหม่ทิ้งลิ้นทิ้งร่างกายทิ้งปฏิอ่จุติจิตแล้วไม่ถือเอาปฏิสนธิอันใหม่อีกต่อไปนีนะ หรือทิ้งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วไม่ถือเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ทิ้งขันธาตอายตนะแล้วไม่ถือเอ า, เอาขันธาตอายตนะอีกต่อไปอนะเนี่เรียกว่าเป็นอนุปาที่เสสานิพานเป็นการดับโดยไม่เหลือวิบากและกรรมมชรูปอีกต่อไปส่วนว่าอันนี้ยกตัวอย่างมาว่าเป็นเครื่องหมายที่ปรากฏชัดเจนตามทสูรส่วนที่ไม่ได้ยกมา นะที่ที่ไม่ได้เอามาแสดงในพระสูตรก็มีอธิบายเพิ่มเติมว่าจริงอยู่ในวันพระมหาบุรุษประสูติหมื่นโลกธาตุนั้นเกิดความหวั่นไหวขึ้นเทวดาในหมื่นโลกธาตุก็พากันมาประชุมในจักรวาลเดียวกันพวกเทวดาก็รับก่อนพวกมนุษย์ก็รับภายหลังคือตอนที่ประสูตินะเทวดารับพระโอะพระโพธิสัตว์ก่อนหมนุษย์ก็รับต่อพินที่ขึงสายกลองที่ขึงหนัง ไม่มีใครประโคมก็มีเสียงดังขึ้นประครมดังขึ้นมาเองป้อมและที่กักขังเป็นต้นของพวกมนุษย์ก็พังเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโรคทั้งปวงก็สงบไปเหมือนสนิมทองแดงที่ล้างด้วยของเปรี้ยวแปลว่าเหมือนอะไรนะใช้อะไรพี่มาขัดล้างสนิมออกนะคนตาบอดแต่เกิดก็เห็นรูปคนหูหนวกแต่เกิดก็ได้ยินเสียงคนพิการก็มีกําลังสมบูรณ์ สติของคนแม้เลวหมายว่าคนขี้ลืมหลงลืมบา้าคนแบบคนบา้าหายบ้าวันนั้นเถอะสติก็ตั้งมั่นได้ไม่เบลอไม่เลอะเลือนไม่หลงลืมเรือที่เล่นไปต่างประเทศก็กลับท่าได้สะดวกรัตนะที่ตั้งอยู่บนอากาศหรือตั้งอยู่บนพื้นดินก็รัตนาเข้ากับเพชรพลอยเป็นต้นเนี่ยนะก็ส่องแสงด้วยความยิ่งใหญ่ของตนส่องประกายหมดเลยคนมีเวรก็มีเมตตาจิตต่ตอกัน นะก็มีเมตตาปรารถน a ะความสุขให้แก่กันไฟในอเวจีนะรกก็ดับนะนะก็ชั่วครู่นะไม่ได้ไหมายว่าดับตลอดไปนะดับชั่วครู่หนึ่งเหมือนกันะชั่วไหนชั่วไฟอะไรนะชั่วฟ้าเล็บนะเหมือนกันะแสงสว่างในโลกัาตานรกก็เกิดขึ้นนะก็แสงสว่างถึงโลกัาตานรกน้ําในแม่น้ําก็ไม่ไหลน้ําในทะเล ป, ปกติก็อะไรเข็มนะก็กลายเป็นน้ําที่มีรสหวานลมก็ไม่พัด นกที่บินใบปนอากาศที่อยู่บนภูเขาและต้นไม้ก็อยู่ตกลงมาบนพื้นดินเรียกว่าพวกนกที่เคยปกติอยู่ที่สูงนะั้นลงมาอยู่ที่ล่างหมดเลยพระจันทร์ก็ส่องสว่างยิ่งนะักพระอาทิตย์ไม่ร้อนไม่เย็นปราศจากมลทินได้สมบูรณ์ตามฤดูพวกเทวดาประดิษฐานอยู่ณนะประตูวิมานของตนของตนเล่นอย่างเพลิดเพลินสนุกสนาน ด้วยการปรบมือผิวปากโบกภาพหมายว่าทุกคนน่เชียกกันหมดเลยดีใจกันมากพลันสนุกมากเลยนะมีความสุขแม้ฝนจากทิศทั้งสี่ก็ได้ตกลงมาความหิวความกระหายก็ไม่ได้บีบคั้นมหาชนประตูและหน้าต่างทั้งหลายก็เปิดเองได้ไม้ดอกไม้ผลก็ออกดอกออกผลหมื่นโลกธาตุก็ได้มีธงดอกไม้เป็นอันเดียวกันแสดงว่าดอกไม้นี่บานสะพรั่ง นะเครื่องหมายเหล่านี้มันเป็นตัวบอกนะเป็นตัวบอกหมดเลยว่าต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนนเพิ่งทราบบุคภนิมิตต่อไปว่าคําว่าหมื่นโล ก, กธาตุวันไว้เป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าพระโพธิสัตว์จะได้สัพพัญญุตญาณนะจะได้สัพพัญญุตญาณญาณที่แทงตลอดอะไรญาณที่แทงตลอดทุกสมุทัยนิโรธมรณนะสัพพัญญุตญาณญาณที่เป็น สัพพัญยูเนี่ยนะซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับสัพพัญยุตยา น, นี่มากถ้า ม, มีโอกาสจะได้มากล่าวให้ฟังพันหมื่นโลกธาตุวันไววก็ประกาศว่าพราะองค์จะได้สัพพัญยุตยานจึงก็ได้อาสาธารณญาณทั้งหกนะอาสาธารณญาณหกก็คืออะไรบ้างนะอาศัยานุสยะญาณอินทริยโปรปริยัติญาณมหาการุณาสมาบาัติญาณยมกะปาฏิหาริยานสัพพัญยุตยานและอนนาวรณญาณ การประชุมในจักรวาลเดียวกันของเทวดาทั้งหลายอันนี้เป็นบุพนิมิตแห่งการประชุมโดยทํานองเดียวกันนี่แหลในการยังพระธรรมจักรให้เป็นไปแล้วรับพระธรรมคือหมายความว่าเทวดาหมื่นจักรวาลมาประชุมกันในแสดงว่าตอนที่โปรงประกาศพระธรรมจักรเทวดามาจากหมื่นจักรวาลเพื่อฟังพระธรรมจักนั่นเอง ตอนที่ประสูติเนี่ยนะตอนที่พระองค์ประสูตินั้นพวกเทวดารับก่อนเป็นครั้งแรกอันนี้เป็นเครื่องหมายว่าพระองค์นั้นจะได้รูปประชานทั้ง4ส่วนพวกมนุษย์รับในภายหลังก็เป็นบุพภณิมิตว่าพระองค์จะได้อารูปประชานสพินที่ขึงสายแล้วก็มีเสียงดังเหมือนกระดิ่งเองเนี่ยนะอันนี้เป็นบุพภณิมิตแห่งการได้อนุบุพผวิหารธรรมอนุบุพผวิหารก้าเนี่ยนะก็ประมชามไปเรื่อยจนถึงนิโรธสมาบัติเนี่ยนะ กลองที่ขึงหนังดังเองเนี่ยนะกลองที่ขึงเสร็จเนี่ยนะก็เหมือนกับกลองเพลงเป็นต้นหรือว่ากลองยาวเนี่ยนะการที่กลองเนี่ยดังขึ้นได้เองอันนี้เป็นประการประกาศธรรมะเทรีอันใหญ่หลวงประกาศเรียกว่าเสียงกลองแห่งพระธรรมจักรก็บรรลุลั่นขึ้นนะเสียงกลองหมายถึงพระธรรมจักรพระธรรมเทศนาต่างๆก็ดังขึ้นป้อมและที่กักขังเป็นต้นทางหมายว่าเครื่องกักขังเครื่องพันธนาการเนี่ยแตกกระจายทั้งหมด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 การที่พระจันทร์เนี่ยนะส่องสว่างมาก น, นะแปลว่าเป็นความงดงามของชนจำนวนมากเนยะงดงามด้วยอะไรกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจรรตการที่พระอาทิตย์เว้นจากความเร่าร้อนไม่หนาวเหน็บอันนี้เป็นลักษณะของมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจเพราะมีอุตุสปายะ น, นะการที่เทวดาประดิษฐานอยู่ที่วิมานประตูอ่ประตูวิมาน ร, รื่นเริงปรบมือ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 ขนานั้นก็มีฝนตกขึ้นมาเนี่ยนะอันนี้เป็นเครื่องหมายของฝนคือพระธรรมใหญ่ตกลงมาพราะธรรมเทศนาเ น, นี่ยตกลงทั่วทิศมันก็พระธรรมเทศนาเรียกว่าฝนแห่งอมตะฝนแห่งความพ้นทุกศโศกโรคเวยภัยอันตรายก็ตกลงมานะฝนคือพระธรรมเทศนานก็ตกลงมาถ้าเปรียบแบบคล้ายสมัยนี้ก็เหมือนอะไร น, นะฝนคือคลื่นก็ตกลงมาเป็นวิทยุเ ป, ปิด ร, รับได้หมดเลยอย่างงี้นะคลา้ายอ่นะเปรียบเหมือนเปรียบเหมือนอย่างว่า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 ได้เป็นเช่นนั้นหรือว่าเป็นทารกเด็กอ่อนเสกอนก็มีปัญหาตั้งเงินขึ้นเนี่ยนะพระเถระพระอริพระอริยะเจ้าหรือว่ากลุ่มพระเถระก็สนทนาขึ้นที่โลห์ปราศาสตร์ที่โนนะที่อนุราธาพุระพระจูลพยะเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกก็ชี้แจงเล่า ว, ว่าพระมหาบุรุษเสด็จไปบนแผ่นดินแต่ได้ปรากฏแก่มหาชนเหมือนเสด็จไปในอากาศ พระองค์นั้นเสด็จไปเหมือนไม่ปรากฏแก่มหาชนพระองค์นี้เปลือยพระองค์แต่ไม่ปรากฏแก่มหาชนมหาชแต่ว่าเปลือยไปเนี่ยไม่เห็นแบบเปลือยแต่เห็นเหมือนกับตบแต่งพระองค์เสด็จไปด้วยความเป็นทารกเป็นเด็กนั่นแหละมหาชนมองเห็นเหมือนมีพระชนมายุสิบหกปีพันษาอ่าสิบกพันษาแต่ภายหลังก็เป็นเด็กเหมือนเดิมเนี่นะ ไม่ได้เป็นเหมือนกับอายุ16ปีผู้ที่ฟังการแก้ปัญหาแบบนี้ทุกคนก็ดีใจะนะในตอนนั้นส่วนรายละเอียดอีกนยัยยะนะข้อข้อ27บอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายธรรมดามีอยู่เพิ่มเติมอีกอย่างนี้ว่าเมื่อใดมารดาพระโพธิสัตว์เสด็จขออภัยเมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จประสูตรจากพระคันของพระมารดา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 หมื่นโลกาธาตุก็ย่อมสันสะเทือนหวั่นไหวสะเทือนสะท้านแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณย่อมปรากฏล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายอันนี้คือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของพระโพธิสัตว์อัะที่ประสูตรมาในชาติสุดท้ายนะสำหรับวันนี้ก็ได้กล่าวเฉพาะตอนรายละเอียดเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์นั้นปฏิสนธิในพระคันแล้วก็ประสูตอยู่ในพระคันแล้วก็ประสูตรจาก พระครันของพระพุทธมารดาเนี่ยนะซึ่งรายละเอียดก็ได้กล่าวไปแล้วพระองค์นี้ประสูติขึ้นมาเอ่อประสูติมาแล้วพ้นจากทุกโศกโรคเวยภัยอันตรายเช่นใดของเราทั้งหลายปราศจากทุกโศกเหล่านั้นด้วยบุพนิมิตเครื่องหมายทั้งหลายที่ปรากฏแก่พระโพ ธ, ธิสัตว์จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าฉันใดขอการตรัสรู้ทั้งหลายเหล่านั้นก็มีแก่พวกเราทั้งหลายในที่สุดวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้